สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพวันนี้จะเล่าเรื่องสิทธิล้างครูให้ฟังสักเรื่องคือพฤติกรรมที่เรียกว่าสิทธิคิดล้างครูเนี่ยปกติแล้วหายากนะแต่ก็มีมีมาเสมอตั้งแต่อดีตการนานแสนนานแค่ไหนหรือว่าในยุคปัจจุบันก็ตาม พฤติกรรมอย่างนี้เป็นการสอดแสดงให้เห็นถึงความเสื่อมทรามของจิตใจที่ตกต่ำอย่างที่สุดเพราะว่าครูบาอาจารย์เนี่ยคือผู้ที่มีพระคุณสูงสุดรองจากพ่อแม่ผู้เป็นบุพการีจิตใจของครูบาอาจารย์ทุกท่านเนี่ยจะมีแต่ความรักความปรารถนาดีต่อลูกศิษย์ต้องการให้ลูกศิษย์มีความรู้ความสามารถสูงเพื่อประโยชน์ต่อชีวิตของตัวศิษย์เอง คุณงามความดีของครูบาอาจารย์มีอยู่มากมายอย่างนี้สมควรแก่การยกย่องบูชาแล้วก็หาโอกาสตอบแทนพระคุณท่านแต่ว่าบุคคลใดไม่ได้มีจิตใจเคารพนับถือครูบาอาจารย์ทั้งยังคิดทรยศไม่ว่าจะด้วยเหตุผลอะไรก็แล้วแต่คนคนนั้นย่อมถือว่าเป็นคนอกตัญญูไม่รู้จักพระคุณเป็นผู้มีจิตใจเลวสามชั่วช้าอย่างแท้จริง ที่นี่มีลูกศิษย์หลวงพ่อปานโสนันโทวัดบางนมโคจังหวัดพระนครศรีอยุธยาอีกคนหนึ่งที่บังอาจคิดทรยศทำการชั่วช้าถึงขั้นหมายปองชีวิตท่านคือหลวงพ่อปานวัดบางนมโคเนี่ยท่านดูฟังนับได้ว่าเป็นพระเถระรูปสำคัญอีกรูปหนึ่งในพระพุทธศาสนากิตติศัพท์กิตติคุณของท่านเนี่ยเป็นที่เรื่องลือไปทั่วทุกทิต ประกอบด้วยเมตตาบา ร, รมีที่มีต่อญาติโยมซึ่งไม่มีประมาณก็ทำให้หลวงพ่อปา น, นเป็นที่พึ่งของพุทธศาสนิกชนอย่างกว้างขวา ง, วางแล้วก็เป็นที่เคารพศรัทธาของคนโดยทั่วไปหลวงพ่อปานไม่ใช่พระเถระที่เชี่ยวชาญแต่ในด้านปริยัตเป็นสำคัญกล่าวได้ว่าท่านเป็นพระวิปัสสนาธุระโดยตรงจิตใานุภาพของท่าน เ, นเต็มเปี่ยมด้วยพลังสูงล้าแห่งอภิน ญ, ญาญาณ สามารถแสดงอิธิวิธีได้อีกทั้งมีความรู้ในวิชาแพทย์แผนโบราณลึกซึ้งทำให้ท่านช่วยสงเคราะห์ชาวบ้านญาติโยมผ่อนคลายจากความทุกข์ด้วยโรคภัยไข้เจ็บมานับไม่ถ้วนและทั้งวัดบางดมโคสมัยนั้นเนืองนั่นไปด้วยคนป่วยไม่ผิดอะไรกับโรงพยาบาลสมัยปัจจุบัน ไม่เพียงแต่คนป่วยไข้ซึ่งเนื่องจากโรคาพยาที่จะมุ่งหน้ามาขอให้หลวงพ่อปานเมตตาก็ยังมีบางคนที่เจ็บป่วยด้วยโรคที่ไม่มีตัวยาอะไรรักษาได้ไม่ว่าจะเป็นยาแผนปัจจุบันหรือว่ายาแผนโบราณก็เพราะว่าสาเหตุที่เกิดอาการป่วยไข้นั้นเป็นภาวะเหนือโลกธรรมดาคือมีที่มาจากอิทธิฤทธิอำนาจคุณไสยบ้างมาจากการกระทาของูผีปีศาจบ้าง ยาติพี่น้องก็หอบหิวยคนป่วยไปรักษากี่หมอต่อกี่หมอก็ไม่หายทำท่าจะตายอย่างเดียวก็ต้องพากันมาขอความเมตตาจากหลวงพ่อปานถึงรอดพ้นอันตรายถึงขั้นสิ้นชีวิตได้การที่หลวงพ่อปานช่วยสงเคราะห์ชาวบ้านไปเลือกชั้นวันะไม่ใช่หวังจ ะ, จะได้ลาบปัจจัยอะไรทั้งนั้นเพียงแต่ท่านเมตตาต้องการผ่อนคลายบรรเทาทุกข์ให้แก่ชาวบ้านเป็นสาคัญ ผลสะท้อนจากความเมตตาของท่านกกลับมาเป็นชื่อเสียงกิติคุณที่กระจนกระจายกว้างไกลไม่สิ้นสุดชื่อเสียงกิติคุณหลวงพ่อป่านนั้นไม่เพียงแต่เป็นที่สรรเสริญยกย่องของสาธุชนทั่วไปยังเป็นที่อิจฉาริษยาของคนบางคนซึ่งมีมิจฉาทิฐิครอบงําจนสติปัญญามืดบอดแล้วคนหนึ่งในจํานวนนี้ก็คือในผันหนุ่มใหญ่อยู่ใกล้ๆวัดบางนมโคนั่นเอง นายันคนนี้ไม่มีใครรู้จักหัวนอนปลายเท้าจะมีเทือกเถวเหล่ากอมาจากที่ไหนก็ไม่แน่ชัดรู้แต่เพียงว่านายันเนี่ยเป็นคนลาวอีสานมีรูปร่างลำสันแข็งแรงนายันมาสมัครเป็นลูกย่างทำนาของนางพริงผู้มีฐานะมีอันจะกินคนหนึ่งอยู่ข้างวัดตลอดเวลาที่นายผันเป็นลูกย่างทำนา เขาก็แสดงความขยันขันแข็งจนนางพิงก์ในเมตาเอ็นดูเหมือนกับเป็นลูกเป็นหลานคนหนึ่งครั้นหมดฤดูทำนาแล้วนายผันก็ได้บอกกับนางพิง์ว่าตัวอยากจะบวชสักชั่วระยะหนึ่งถึงหน้านาเมื่อไหร่ก็จะสึกออกมาช่วยทํางานทํานาเหมือนเดิมนางพิงก์ก็เห็นว่านายผันมีจิตเป็นกุศลมุ่งหวังจะเล่าเรียนศึกษาพระธรรมก็ยินดีสนับสนุนอีกทั้งตัวก็จะพลอยได้รับส่วนบุญส่วนกุศลด้วย ก็เลยพาในผันไปกราบน้ำมัส ก, การหลวงพ่อปานที่วัดบางนมโครกราบเรียนแจ้งความประสงค์ต่อท่านว่าอยากจะบวชในผันที่วัดบางนมโคเนี่ยหลวงพ่อปานาก็ไม่ขัดข้องเนื่องจากเห็นว่านางพริ้งนี่เป็นผู้รับรองพอไว้วางใจได้ว่าไม่ใช่พวกทุจริตมิจฉาชีพแอบแฝงอำพรางหนีอาญาบ้านเมืองมาบวชหลวงพ่อปานก็เลยจัด ก, การบวชให้ตามความประสงค์ โดยท่านเองก็เป็นคู่สวดกับสมภารเย็นแล้วก็ไปอาราธนาพระอุปชามาทำพิธีอุปสมบทหลังจากบวชเป็นพระภิกษุแล้วก็ให้จามรงษาอยู่ที่วัดบางนมโคนั่นแหละนับตั้งแต่พระผันบวชเข้ามาเป็นพระภิกษุในพุทธศาสนาหลวงพ่อปานก็สั่งสอนให้เล่าเรียนพระธรรมวินัยและข้อวัดปฏิบัติต่างๆซึ่งควรแก่ภิกษุจะพึงเรียนรู้ แต่ว่าพระผันเนี่ยดูเหมือนจะไม่สนใจใครรู้ในกิจของสงฆ์เท่าที่ควรแต่ละวันที่ผ่านไปก็มีเล่ห์ในแปลกๆไม่เหมือนกับพระนวะกะรูปอื่นๆแท้ที่จริงเนี่ยพระผันผู้นี้เคยเล่าเรียนวิชาสยศาสตร์มนต์ดำมาอย่างงมงายมีความเชื่อในความเข้มรัังของเดรชานวิชานี้อย่างฝังหัวแล้วก็มีความกระหายใครอยากจะเป็นผู้มีชื่อเสียง มีผู้คนสรรเสริญยกย่องไปทั่วทุกทิศว่าตัวเป็นผู้มีวิชาซึ่งเป็นเลิศมิจฉาทิฐิที่ครอบงำพระพันเนี่ยทำให้สติพระพันนี่มืดมิดด้วยความหลงผิดคิดจะจะวัดรอยเท้าหลวงพ่อปานทั้งวันทั้งคืนจิตใจที่ตกดำดำมืดไปสู่ทางต่ําของพระพันเนี่ยก็ทำให้ไม่เหลือความกตัญญูกตวเวทีแม้แต่น้อยหลวงพ่อปานคือครูบาอาจารย์ของพระผัน ไม่เพียงแต่พระผันจะไม่เคารพนับถือเช่นลูกศิษย์คนอื่นแต่ยังบางอาจคิดอคติอยู่โดยตรงเนื่องจากก่อนจะมาบวชนี่พระผันมักจะมาวัดบางนมโคบ่อยๆมาเฝ้าคอยดูหลวงพ่อปานรักษาชาวบ้านที่เจ็บไข้ได้ป่วยแล้วก็ถูกทำโดยคุณใสซึ่งหลวงพ่อก็เมตตาเรียกของที่ถูกกระทบออกมาจนหายเป็นปกติแทนที่พระผันจะเกิดความเลื่อมใสศรัทธา อนุมโมทนาท่านกลับคิดชั่วขึ้นมาเงียบๆเพราะว่าเดรารฉานวิชามนดำที่ตัวเรียนมานั้นมีข้อกำกับอันอุบาทอยู่ข้อหนึ่งว่าถ้าหากพบผู้มีวิชาอาคมเข้มแขังให้พยายามฝากตัวขอเป็นสิทธิ์หลังจากได้เป็นสิทธิ์แล้วก็จะต้องหาทางโค่นล้มผู้เป็นอาจารย์เสียด้วยวิชาคุณไสยของตัวหากสามารถปิดชีวิตอาจารย์ วิชาของตัวก็จะแก่กล้ายิ่งกว่าเดิมมากด้วยเหตุนี้การที่พระผันเข้ามาบวชที่วัดบางลงโคจึงแอแฝงเจตนาชั่วร้ายเอาไว้ถึงขั้นจะฆ่าหลวงพ่อปานหลังจากมีโอกาสใกล้ชิดกับหลวงพ่อปานพระผันก็จ้องหาจังหวะให้ท่านพลังเผลอเพื่อที่ตัวจะได้ปล่อยของปล่อยคุณเข้าใส่หลวงพ่อให้ตายพระผันเคยใช้วิชาชั่วช้าของตัวในรอบทำไร หลวงพ่อปานหลายครั้งหลายหนเช่นวิชาบิดไสโดยบิดชายพกพานนุ่งของตัวพร้อมกับไร้คาถาอาคมไปด้วยเพื่อบิดไส้หลวงพ่อปานแต่หลวงพ่อปานก็ไม่เป็นไรเมื่อบิดไส้หลวงพ่อปานไม่ได้ผลพระผันก็แอบกระทำการปองร้ายด้วยวิธีใหม่นั่นคือใช้วิชาบังฟันวิชาบังฟันก็คือเอาต้นกล้วยมาต้นหนึ่งนะแล้วก็กาหนดให เป็นหลวงพ่อปานแล้วก็ใช้ดาบวันต้นกล้วยซึ่งเท่ากับฟันคอหลวงพ่อปานนั่นเองแต่หลวงพ่อปานก็อยู่เป็นปกติไม่มีอะไรเกิดขึ้นกับตัวท่านแม้แต่น้อยพระผันง็งัดเอาสารพัดวิชาที่เรียนมารอบทำร้ายหลวงพ่อปานแต่ว่าไม่เป็นผลอะไรทั้งสิน้นเมื่อเป็นอย่างนี้พระผันก็ใช้วิชาสุดท้ายของตัวในคืนหนึ่งพระผันก็เอาของตาซาม เอามาปลุกเสกด้วยคาถาอาคมจกงกระทัามันก่อรูปขึ้นเป็นตะขาบตัวใหญ่เสร็จแล้วพระผันก็ปล่อยตะขาบเวทมนต์ตัวนั้นไปหาหลวงพ่อปานเพื่อจะทําให้ท่านถึงแก่ชีวิตเวลานั้นหลวงพ่อปานกําลังจําวัดอยู่แต่ว่ายังไม่หลับได้ยินเสียงแกรกแกรแกรข้างมุ้งก็ลุกขึ้นดูเห็นตะขาบเวทมนต์กำลังหาทางมุดเข้ามาในมุง้งก็รู้ดีว่ามีคนลองดีท่านหลวงพ่อปานก็ไม่ได้ทําอะไรทั้งนั้น เพียงแต่สั่งตะขาบตัวนั้นบอกว่าใครใช้เองมาเองก็กลับไปหาคนนั้นเถอะตะขาบซึ่งเกิดจากอำนาจแห่งอาคมก็ออกจากกุติหลวงพ่อปานกลับไปตามทางเดิมที่มันมาแล้วก็หายไปพระผันก็นึกไม่ถึงว่าตะขาบอาคมที่ตัวส่งไปเอาชีวิตหลวงพ่อปานจะย้อนกลับมาหาตัวอีกลูกศิษย์อากาตันอยู่ก็โกรกตกใจสุดขีดที่ตะขาบอันเกิดจากอำนาจคุณใสย พุ่งเขามาหาอย่างประสงค์ไรพระพันนี้ไม่เก่งกล้าในวิชาคุณพอที่จะหยุดยัง้งหรือว่าทําลายตะขาบส่วนนั้นได้เรียกว่าเรียนผูกได้แต่ว่าเรียนแก้ไม่ได้ดังนั้นตะขาบอาคมก็ทะยานเข้ากัดพระพันในพริบตาเวลานั้นพระพันก็ล้มลงไปชักดิ้นชักงอด้วยความเจ็บป ว, วดร่วร้าวอย่างแสนสาหัสร้องครวญครางดังลั่นเพราะนทนไม่ไหว มองเห็นความตายมารออยู่ข้างหน้าพระเนนที่อยู่กุฏิใกล้ๆได้ยินเสียงพระผันร้องโวยวายด้วยความเจ็บปวดดังลั่นก็พาัไปดูเห็นพระผันนอนดิ้นร้าวเล่าๆก็ถามว่าเป็นอะไรพระผันก็บอกแต่ว่าถูกตะขาบกัดไม่กล้าบอกรายละเอียดว่าเพราะเหตุไนถึงถูกตะขาบกัดแล้วก็ตะขาบตัวนั้นคืออะไรพระลูกวัดเห็นอาการของพระผันทำท่าจะตายเสีให้ได้ ต่างก็พากันตกใจรีบไปกราบเรียนรายงานให้หลวงพ่อปานทราบว่าพระผันถูกตะขาบกัดกำลังนอนดิ้นอยู่ในกุฏิหลวงพ่อปานท่านรู้แล้วว่าเกิดอะไรขึ้นกับพระโบทใหม่รูปนี้ท่านก็เลยแกล้งไม่เอาใจใส่ทั้งไม่ไปดูอาการในทันทีทันใดด้วยเจตนาให้พระผันได้รู้รสชาติของความทุกข์ทรมานชนิดถึงใจเสียก่อนต่อไปจะได้สำนึกผิดไม่คิดกระทาชั่วอย่างนี้อีก หลวงพ่อปานท่านคะเนว่าพระผันเนี่ยคงจะเจ็บปวดร่วร้าวจนทนแทบไม่ไหวแล้วท่านก็เลยไปที่กุฏิพระผันเข้าไปในกุฏิก็เห็นพระผันจวนเจียนจะขาดใจตายเพราะทนความเจ็บปวดไม่ไหวท่านก็ถามว่าเป็นอะไรพระผันก็บอกว่าโดนตะขาบกัดหลวงพ่อปานท่านก็ถามอีกว่าตะขาบอะไรมันกัดเอาวะพระผันก็อึกอักอึกอักไม่พูดความจริง แต่ความเจ็บปวดมันรุมเร้าสุดที่จะฝืนทนต่อไปได้ก็เลยตอบเลี่ยงๆไปบอกว่าโอ๊ยตะขาบคุณใสครับอืมเป็นตะขาบที่ท่านทำขึ้นมาเองใช่ไหมละ่ะแล้วก็ส่งตะขาบตัวนี้จะไปกัดใครละ่ะหลวงพ็อปานต้องการให้พระผันพูดความจริงออกมาพระผันจะพูดโกหกก็พูดไม่ได้ไอ้ครั้งจะสารภาพไปตามความจริงก็กลัว เพราะว่าเวลานั้นพระเนนมาอยู่ในกุฏิกันนั่นหมดถ้าขืนพูดความจริงบอกว่าส่งตะขาบไปกัดใครนี่ก็คงจะมีการทอดพระปาสามัคคี ก, กันมันจะร้ายยิ่งกว่าโดนตะขาบซะอีกพระพันไม่พูดหลวงพ่อปานก็เฉยเสียฤทธอำนาจชั่วร้ายของคุณใสก็หือโหมความเจ็บปวดทำให้พระพันแทบจะขาดใจตายได้ ความอดทนกดกลั้นของพระผันก็สุดจะต้านทานเอาไว้ได้ก็เลยต้องสารภาพความชั่วของตัวออกไปโอุยโอ๊ยอุ๊ยหลวงพ่อจะขาบของผมเองครับผมปล่อยจะขาบไปใส่หลวงพ่อให้มันกัดหลวงพ่อครับพระเนนที่ได้ยินพระผันพูดออกไปอย่างนั้นก็แทบจะระงับอารมณ์โกรธเอาไว้ไม่อยู่หากยังคิดไม่ทันว่ากําลังเป็นพระนี่พระผันเน่ยคงจะหมอบพาที่อยู่ตรงนั้นแหละ อ่าราะนั้นก็ยังอดหลุดคำด่าออกมาดังไม่ได้สับหลวงพ่อปานยกมือห้ามให้พระเนินสงบปากสงบคำแล้วท่านก็บอกพระผันบอกว่าเอาละ่ะเมื่อท่านรับสารภาพอย่างนี้ฉันก็จะช่วยเพราะว่าถึงยังไงก็เป็นสิทธิ์ของฉันออาความเจ็บปวดของเธอจงหายไปเดี๋ยวนี้ หลวงพ่อปานเพียงแต่พูดแต่อาการปกติไม่ได้ท่องมนต์เสกเปล่าแต่ประการใดความเจ็บปวดที่รุมเร้าพระพันอย่างสาหัสก็กลับค่อยๆดูเลา่าผ่อนคลายลงในฉับพลันทันทีครู่หนึ่งต่อมาความทรมานอันแสนสาหัสทั้งหลายก็มาลายหายไปหมดสิน้นหลวงพ่อปานก็กล่าวสั่งสอนให้สติพระพันที่เห็นผิดเป็นชอบบอกว่าต่อจากนี้ไปนี่นะเธออย่าได้กระทําอย่างนี้อีก เพราะว่าการใช้วิชาในทางต่ำคือเดราจฉานวิชาเพื่อเอาไปเบียดเบียนทำร้ายคนอื่นอย่างนี้ไม่เพียงแต่ผิดพระธรรมวินัยที่พระพุทธเจ้าทรงกำหนดเป็นข้อห้ามอย่างร้ายแรงเธอยังกระทำอกุศลกรรมอย่างหนักเป็นการสร้างบาปเว้นให้แก่ตัวเองด้วยความโง่เขลาและความชั่วอันนี้จะพาจิตใจของเธอให้ไหลลงไปสู่ที่ต่ำเท่ากับปิดทางมรรคนิพพาน อย่างเด็ขดขาดไม่ว่าชาตินี้หรือชาติต่อไปแล้วอีกประการหนึ่งความหลงมัวเมาของเธอที่คิดว่ามีวิชามีวิทยาคุณล้ำเลิศแท้ที่จริงความรู้ความสามารถของเธอในอย่างน้อยอย่าได้คิดเหยียบย่ำดูหมิ่นผู้ใหญ่แล้วประการสำคัญที่สุดการลบหลู่อากรตรัยูต่อครูบาอาจารย์เป็นความเสื่อมความชั่วอย่างยิ่ง หากเธอไม่ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงนิสัยสันดานพื้นฐานของจิตใจให้สูงขึ้นกว่านี้เชื่อได้ว่าเธอคงจะหาความเจริญอะไรไม่ได้แน่ๆพระผันนกมนารับฟังคำสอนจากหลวงพ่อปานด้วยความสำนึกผิดแล้วก็ยืนยันเป็นมั่นคงว่านับจากนี้เป็นต้นไปตัวจะไม่คิดชั่วกระทําชั่วอย่างนี้อีกเป็นอันขาดหลวงพ่อปานท่านก็ให้อภัยไม่ถือโทษภัยต่อสิทธิอกตรันยูรูปนี้แต่อย่างใด ต่อมาพระผันเนี่ยคงจะทนละอายใจไม่ไหวก็ออกจากวัดไปแล้วก็หายสาบศูนย์ ไ, ไปไม่มีใครได้พบเห็นอีกเลยนับแต่นั้นเป็นต้นมาท่านผู้ฟังวันนี้เรามาเล่าเรื่องของพระคุณเจ้าหลวงปู่แหวนสุจินโน เมื่อครั้งที่หลวงปู่แหวนท่านไปเรียนที่จังหวัดอุบลราชธานีตอนนั้นยังหนุ่มอยู่บวชได้ไม่กี่พรรษาหรอกวันหนึ่งก็มีหมอดูเข้ามาที่วัดที่หลวงปู่แหวนพักอยู่นี่ใครต่อใครก็พากันไปให้หมอดูกันอย่างสนุกสนานทีเดียวทั้งพระทั้งเนรละหลวงปู่แหวนก็ไปด้วยนะไปให้หมอดูดูดวงด้วยวางอั น, นเป็นพระแล้วไม่อะไรทำไมจะต้องดูดวงด้วยแต่ตอนนั้นยังหนุ่มอยู่ หมอดูก็ทำนายหลวงปู่แหวนบอกว่าเนี่ยจะเจอเนื้อคู่ริงคู่บุปเพสันดิวาดได้แหละผู้หญิงที่เป็นเนื้อคู่นี่อยู่ฝั่งลาวนะเป็นคนร่างสันทัดผิวขาวเหลืองหน้าเหมือนใบโพถ้าอยากจะเจอเมื่อไหร่ถ้ า, ถ, าถ้าเจอเนี่ยรับรองได้ว่าศึกแน่ว่างัน้นนะได้ไปอยู่ด้วยกันแหละว่างัน้น หลวงปู่แหวนฟังคำหมอดูทํานายอย่างนั้นหัวเราะเพราะท่านตั้งใจแน่วแน่จะอยู่ในเพศพรมจันทร์นะว่าจะบวชจนตายแล้วถ้าหากว่าตั้งใจอย่างนี้จะไปเจอเนื้อคู่ได้ยังไงแล้วอีกประการหนึ่งโอกาสจะพบกันเนื้อคู่ที่หมอดูทํานายทายทักเป็นไปไม่ได้อ่ะท่านอยู่เมืองไทยเจ้าสาวอยู่เมืองลาวนูน่นมันอยู่กันคนละประเทศคนละแผ่นดินจะไปเจอกันได้งไง หลวงปู่แหวนก็รับฟังคำทํานายจากหมอดูด้วยอารมณ์สนุกไม่ยึดถือเป็นเรื่องน่าสนใจจริงจังนะรู้แล้วก็แล้วไปแล้วก็ลืมสนิทพอเรียนมูลกระจายจบหลวงปู่แหวนก็ออกทุดงรูปเดียวเพื่อปฏิบัติสมถธรรมทําความเพียรทางจิตท่านรู้มาว่าฝั่งลาวนะมีป่าเขาอุดมสมบูรณ์เป็นที่กล่าวขานกันต่ อ, ตอมาว่าเป็นสถานที่ที่เหมาะสม สำหรับนักปฏิบัติเพื่อการหลุดพ้นเน่ะจะไปทุดงท่านก็เลยตั้งใจจะข้ามไ ป, ปบําเพ็ญเพียรฝั่งลาวกับเขาบ้างออกจากเมืองอุบลท่านก็มุ่งหน้าไปฝั่งลาวข้ามม่น้ําโขงไปนะสมัยนั้นการเดินทางผ่านเข้าลาวไม่ยุ่งยากแล้วก็เข้มงวดเหมือนสมัยต่อๆมาที่ลาวมีเหตุวุ่นวายทางการเมืองแล้วก็สงครามหลวงปู่แหวนก็ทุดงผ่านเวียงจันท์ปัดเข้าดงแห่งหนึ่งเขาเรียกดงเมือง คนดงเมืองแล้วก็ทะลุแม่น้ำเงึมข้ามแม่น้ำเงิมไปอีกไกลพอสมควรก็ถึงภูควายเทือกเขาภูควายเนี่ยเป็นป่าดงดิบอันสมบูรณ์มีหุบเหวมีถ้ำเยอะมีลานหินเหมาะสำหรับนักปฏิบัติที่ปรารถนาความวิเวกจะนั่งสมาธิภาวนาแล้วก็ห่างไกลาจากความพลุกพล่านของผู้คนที่เทือกเขาภูควายเนี่ยหลวงปู่แหวนก็บาเพ็ญเพียรภาวนาอย่างได้ผลนะ แล้วก็มีสัตว์ป่านานาชนิดชุกชุมสัตว์ดูร้ายก็มีเสือหมีงูเหา่างูจงอางก็เยอะทำให้เกิดสติตลอดเวลาไม่ประมาทหลวงปู่แหวนก็เล่าว่าการปฏิบัติธรรมที่ผูควายเนี่ยกะทำความเพียรทั้งจิตสงบง่ายใช้ปัญญาคิดค้นทำลายกิเลสทั้งหลายได้อย่างลึกซึ้งกว้างขวา ง, งแต่ว่าอย่าบำเพ็ญภาวนาอยู่ที่เดิมนานๆเพราะว่าเมื่อร่ที่จิตเริ่มคุ้นกับสถานที่ ท่านก็จะเคลื่อนย้ายไปยังแห่งใหม่ที่ไหนมีอันตรายมากที่นั่นจะทําให้การทําความเพียรได้ผลดีเพราะจะทําให้เกิดการระมัดระวังตัวอเป็นการสร้างสติด้วยเร่งความเพียรด้วยนะหลวงปู่แหวนรุกขมูลอยู่ที่ภูควายหลายแห่งจึงกระทั่งมาปักตร์โดดอยู่ใกล้หมู่บ้านนาสองหมู่บ้านนี้เป็นหมู่บ้านใหญ่พอสมควรคนลาวชาวท้องถิ่นที่อยู่หมู่บ้านนี้มีความแปลกอยู่อย่างหนึง่ง คือนิยมใส่บาตพระด้วยข้าวกับน้ำอ้อยน้ำตาลเพราะคิดว่าพระไม่ฉันเนื้อสัตว์หรือว่าอาหารอื่นหลุงปู่เล่าว่าการฉันข้าวกับน้ำอ้อยน้ำตาลในตอนแรกๆก็ฉันได้ดีแต่พอฉันซ้ํากันหลายๆวันเข้าก็รู้สึกเบื่อเหมือนกันวันหนึ่งใกล้จะค่ําแล้วลุงปู่แหวนไปสงน้ําที่ริมฝั่งแม่น้ํางึมตอนที่กําลังสงน้ําอยู่ก็ปรากฏว่ามีผู้หญิงสองคนแม่ลูกทอเรือมาตามลำน้ำํา หลวงปู่แหวนก็ชำระืองมองไปที่หญิงสาวผู้เป็นลูกโดยที่ไม่ตั้งใจพอดีกับที่สาวเจ้าก็ชำระลองมองมาเช่นเดียวกันทันทีที่สายตาประสานกันนี่ทั้งสองฝ่ายก็ตะลึงงนินอนุภาพเล้นลับอย่างหนึ่งก็ตรึงใจให้พระหนุ่มหญิงสาวจิตใจสัน่นสะท้านแรงปฏิพัทธ์ยากที่จะบรรยายได้หลวงปู่แหวนก็รีบหลบสายตาแล้วก็ขึ้นจากการสงน้ําทันทีขณะที่เดินกลับไปนั่น กลับไปที่กรดเนี่ยจิตใจจดจ่ออยู่กับผู้หญิงคนนี้อย่างไม่เคยเป็นมาก่อนพอมาถึงที่พักแล้วก็ย้อนคิดไปถึงคำทํานายของหมอดูว่าจะพบเนื้อคู่ที่ฝั่งลาวเป็นหญิงร่างสันทัดผิวขาวเหลืองใบหน้าเป็นรูปใบโพหญิงสาวที่ได้พบเมื่อสักครู่เนี่ยมีลักษณะเหมือนหมอพูดเปะ๊ะไม่มีผิดเลยท่านผู้ฟัง หลวงปู่แหวนตอนนั้นท่านยังเป็นหนุ่มหว้าวุ่นใจเหลือเกินจิตที่เคยควบคุมบังคับให้สงบนิ่งได้โดยง่ายก็เกิดปรนแปรไปจนไม่สามารถจะบังคับเหมือนเดิมความคิดคำหนึงก็คอยแต่จะโลดแล่นซัดสายไปหาผู้หญิงงามคนนี้เพียงอย่างเดียวทําให้หลวงปู่เกิดความหวาดกลัวตัวเองเป็นอย่างยิ่งจะขืนอยู่ต่อไปก็อาจจะพ่ายแพ้ต่อกิเลสเมื่อไหร่ก็ได้ดังนั้นหลวงปู่แหวนก็ตัดสินใจ อัถบริขารทั้งหลายเดินทางกลับเมืองไทยอย่างฉับพลันทันทีในคืนนั้นเมื่อข้าแม่น้ำโขงมาสู่แผ่นดินไทยแล้วก็มุ่งหน้าขึ้นไปทางอำเภอสีเชียงใหม่ระหว่างที่เดินพาเดินทางหนีภัยผู้หญิงซึ่งเป็นเนื้อคู่บุเพสนิวาสกันมาแต่ชาติปางก่อนเนี่จิตใจหลวงปู่ยังโลดแล่นไปหาสาวงามนี่เกือบตลอดเวลาเป็นความรู้สึกที่ฟุ้งซ่านรุนแรงร้ายกาศสุดะพรรณนาทีเดียว หลวงปู่แหวนเดินทางมาถึงพระบาทเนินกลุ่มหินหมากเป้งจึงหยุดยั้งอบรมตนอยู่ที่นั่นแล้วก็ที่เนี่ยก็เป็นวาสนาของหลวงปู่แหวนที่ได้พบกับพระอาจารย์มั่นภูริทัตโตซึ่งท่านได้ปลีกตัวออกจากหมู่คณะมาบำเพ็ญภาวนาอยู่บริเวณนั้นพอดีหลวงปู่แหวนดีใจเหลือเกินที่ได้พบกับพระอาจารย์ใหญ่การได้มาพักอบรมตนอยู่ใกล้พระอาจารย์มั่นก่อนเข้าพรรษาปีนั้น ทำให้หลวงปู่แหวนระงับความฟุ้งซ่านหลงได้ไม่น้อยแม้กระนั้นภาพของผู้หญิงงามคนนี้ก็ยังปรากฏเป็นครั้งคราวก็ทําให้ดวงจิตวันไหวอยู่เสมอแต่เมื่อเร่งภาวนายิ่งขึ้นภาพนั้นก็สงบระงับไปแต่ถ้าเผลอเมื่อไหร่ภาพสาวงามคนนี้ก็จะถูดขึ้นมาอีกหลังจากเข้าบรรชาแล้วหลวงปู่แหวนก็ตั้งใจปภาวณาความเพียรอย่างหนัก การเร่งความเพียรอย่างเต็มที่ทําให้จิตสงบอย่างรวดเร็วส่งตัวลงสู่ฐานสมาธิได้ง่ายไม่วุ่นวายฟุ้งซ่านอีกคล้ายกับจิตยอมสงบราบคาบแล้วแล้วก็เกิดอุบายทางปัญญาพอสมควรแต่หลวงปู่หารู้ไม่ว่ายิ่งเร่งความเพียรเอาจริงเอาจังหนักขึ้นเท่าไหร่ไอ้กิเลส ท, ที่สงบนิ่งก็เริ่มต่อต้านเอาจริงเอาจังมากขึ้นเท่านั้นคราวนี้แทนที่จะควบคุมจิตให้ดําเนินไปตามทางที่มันต้องการ กรับเตลิดโลดแล่นไปหาสาวงามที่บ้านนาสองริมฝั่งแม่น้ำเงิมแล้วบางครั้งนี่พลังของมันดูจะรุนแรงยิ่งกว่าเดิมหลวงปู่แหวนพยายามหาอุบายธทมต่างๆมาปราบเจ้า ต, ตัวความรักที่มันฟูขึ้นมาแต่ไม่สำเร็จหลวงปู่เล่าว่ายิ่งเร่งความเพียรดูเหมือนมันก็ยิ่งเอาเชื้อไปใส่ไฟก็ยิ่งกาเริบหนักเข้าไปอีกเผลอไม่ได้เผลอใจเป็นต้องแวบไปหาผู้หญิงคนนี้ทันที บางครั้งนี่มันหนีไปซึ่งซึ่งหน้ามันหนีไปหาผู้หญิงขณะที่คิดอุบายการพิจารณาอยู่จิตมันก็วิ่งออกไปหาผู้หญิงคนนั้นซึ่งซึ่งหน้าเลยทีเดียวโอ้เรื่องของความรักความใครน่นมันอันตรายถ้าหากเป็นบุพกรรมอันผูกพันร้อยรัตอยู่ด้วยบุพเพสนิวาสก็ไปอีกการเอาชนะยิ่งลาบากยากเข็นเป็นที่สุดเลยทีเดียว หลวงปู่แหวนไม่ยอมพ่ายแพ้ต่อพลังความรักครั้งนี้โดยเด็ดขาดอุบายการปฏิบัติธรรมทุกอย่างถูกนำมาใช้เพื่อต่อสู้กับกิเลสมารสุดชีวิตเช่นท่านไม่นอนเอาแต่นั่งเดินยืนเท่านั้นเพราะรูัว่านนอนแล้วจะต้องฝันจะต้องคิดมากมายหลวงปู่แหวนทรมานจิตอยู่หลายวันหลายคืนพร้อมกันนั้นก็พิจารณาดูว่าจิตใจเนี่ยมันยอมอยู่ใต้บังคับหรื อ, อยัง มันคลายความรักต่อหญิงงามคนนั้นแล้วหรือยังทําถึงอย่างนี้แล้วก็ไม่ได้ผลเผลอเมื่อไหร่จิตมันจะทะยานไปหาผู้หญิงคนนี้ตลอดเอาเอาใหม่เมื่อจิตมันรัดรึงอยู่กับผู้หญิงนี่ไม่ยอมปล่อยยอมคลายหลวงปู่ก็ตัดอิริยาบถนั่งกับนอนทิ้งไปเหลือเพียงยืนกับเดินจงกรมทําความเพียรอย่างนี้ทั้งวันทั้งคืน แต่จิตมันก็ยังแส่ายไปหาหญิงงามเมืองลาวนี่ไม่ยอมหยุดยิ่งทรมานมากเท่าไหร่ก็ดูเหมือนว่ามันจะดื้อรัน้นโตตอบมากขึ้นเท่านั้นคราวนี้เปลี่ยนวิธีใหม่อีกไม่ฉันข้าวละนะเหลือแต่ฉันน้ำอย่างเดียวถ้าจิตมันยังดื้อถือดียังทยานเข้าหากองกิเลสไม่ยอมเลิกราหลวงปู่ก็ตั้งเจตนาว่าตายเป็นตายให้มันรู้ไปว่า จิตพ่ายแพ้ต่ออำนาจความรักอย่างราบคาบแล้วแหวนเพ่งพิจารณาหาอุบายกำราบจิตใจใหม่โดยการเพ่งเอาร่างกายของผู้หญิงคนนี้ยกขึ้นมาแล้วพิจารณาเขาเรียกว่าตายคตาสติก็แยกอาการสามสิบสองออกทีละส่วนละส่วนโดยกลับไปกลับมาอนุโลมปฏิลมพิจารณาละเอียดแล้เห็นตามความเป็นจริงว่า อวัยวะแต่ละส่วนของผู้หญิงนั้นผู้ชายก็มีเหมือนกันเราก็มีเหมือนกันทุกอย่างจะผิดแปลกแตกต่างกันด้วยลักษณะแห่งเพศเท่านั้นเองหลวงปู่สมาธิพิจารณาอยู่อย่างนี้กลับไปกลับมาปัญญาพิจารณาไปถึงหนังถะลกหนังที่ห่อหุ้มเนื้อออกจนหมดความจริงก็ปรากฏทันทีเนื้อกายที่ปราศจากผิวหนังหุ้มห่ออยู่นี่มันดูไม่ได้เอาเสียเลยเหลือแค่เนื้อดังแดงเยิ้มไปด้วยน้ำเหลืองมีเส้นเลือดผุดพราวไปทั้งตัว ตัวรู้ก็บอกว่าหากว่าผู้หญิงสวยขนาดไหนแล้วแต่ไม่มีหนังหุ้มเหลือแต่ยังเนื้อดงแดงในไข่เราจะพิสวาดได้ลงคอนะคนเรามาหลงตรงอยู่ตรงหนังนี่แหละเป็นอันดับแรกปัญญาเพ่งพิษต่อไปอีกจนเห็นความเน่าเปื่อยแล้วก็สลายกลายเป็นกองเนื้อเน่าๆแล้วกองกระดูกเท่านั้นไม่มีอะไรตั้งทรงสภาพเดิมไว้ได้อีกไม่มีส่วนไหนจะคงอยู่ได้เลยปัญญาก็เพ่งต่อไปถึงปัสสาวะอุจจาระนะ มันเต็มไปได้วยความสกปรกเหม็นปัญญาก็ตั้งคำถามอีกว่ามือกินไม่ได้เอามาตะกองกอดก็ไม่ได้แล้วอันไหนที่ว่างามอันไหนที่สมควรแก่ความไฝ่ฝันที่ว่าดีจิตมันโดนปัญญาซักพอกอย่างหนักอย่างนั้นก็ตอบไม่ได้หาเหตุผลมาโต้แย้งไม่ได้จิตมันก็อ่อนลงเพราะจนด้วยเหตุผลข้องปัญญาต้องยอมรับความเป็นจริงจิตที่เคยโลดแล่นแสสายออกไปตามวิสัยความอยากของมัน พลันถึงความสงบไม่กำเริบเร่าร้อนอีกหลวงปู่แหวนก็ยังไม่ไว้ใจใจตัวเองท่านก็ทดสอบโดยส่งจิตคิดถึงหญิงงามบ้านนาสองริมฝั่งแม่น้ำเมือมนีหลายครั้งแต่จิตก็ไม่ยอมโลดแล่นออกไปอีกละเพราะจิตคงทรงอยู่ในความสงบเพราะว่าได้เห็นความเป็นจริงของธรรมะแล้วการอดอาหารและกระทำความเพียรอย่างยิ่งยวดเพื่อจะเอาชนะกิเลสมานของหลวงปู่แหวนครั้งนี้ ประสบความสาเร็จอย่างสมบูรณ์จิตของท่านรู้แจ้งเห็นจริงในภัยของสตรีอย่างทะลุปูโปรงแล้วก็สิ้นพยศตั้งแต่นั้นมาและจนตลอดไปจนกระทั่งหลวงปู่แหวนถึงแก่มรณภาพท่านผู้ฟังอันตรายจากมาตุก ข, ขามหรือว่าผู้หญิงที่สมณเพศทั้งหลายอาจจะต้องผเผชิญเนี่ยเป็นมหาภัยอย่างที่สุดถ้าหากาขาดสติขาดการสํารวมขาดปัญญาเมื่อไร เพศปรมจรันของท่านก็ย่อมจะมัวหมองทันทีแต่สำหรับพระอริยเจ้านั้นท่านมิได้เพียงแค่สงบระงับหรือว่าสำรวมมาไว้เท่านั้นแต่ท่านถึงขนาดตัดขาดอันตรายนี้ไปได้หมดไม่มีเยื่อใยแห่งกิเลสกองนี้อยู่ในจิตใจอีกต่อไปแล้วท่านดูฟังหลวงพ่อทวินจินนะทะธรรมโมวัดยางระหง เขาใบสีอำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรีเนี่ยเมื่อสมัยที่ท่านยังเป็นหนุ่มสมัยก่อนนั้นโรคภัยไข้เจ็บเยอะแถวแถวจันทบุรีเพราะว่าเป็นสวนเป็นป่าทางนั้นนะเสร็จแล้วหลังจากที่เป็นทหารแล้วเนี่ยนะ เป็นทหารแล้วเนี่ยก็กลับมาบ้านกลับมาอยู่บ้านตอนนั้นมาเป็นไข่สมัยก่อนนี้ต้องบุกป่าฝาดงเอานะนะมาจากกรุงเทพมาเมืองชนจากชนบุรีไประยองจากระยองก็ไปจันทบุรีนี่บุกป่าฝาดงไปทางนั้นแหละนะเสร็จแล้วพอกลับไปถึงบ้านนี่ยไข้ป่าจับนอนแบบเลยสมัยนั้นไข่ป่ามชุมเหลือเกิน ประกอบกับท่านเองก็อดอาหารเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าไปทั้งตัวตอนนั้นออกจากอาหารนะ่ะไข้ป่าขึ้นสูงเกือบตายตอนนั้นท่านพ่อรีธรรมธโรวัดอโศการามท่านมาดูอาการไข้แล้วก็เอายามให้กินครั้งละสองเม็ดเช้าสองเม็ดเย็นสองเม็ดอ่าทีนี้พอกินก็ไปแล้วเมายาตลอดเลยอยู่อย่างนั้นแหละหลายวันเอาในที่สุดก็หายไข้ป่านี่หลบหน้าไปเลยอ่าแพ้ยาหลวงพ่อรี หลังจากหายโรคหายภัยหายไข้ป่าแล้วพี่น้องทุกคนก็ลงมติว่าเออไหนไหนก็หายแล้วเพราะอำนาจคุณพระนะแล้วได้พระดีพระดังด้วยมาช่วยชีวิตไว้พวมีความประสงค์จะให้หนุ่มทวินเนี่ยบวชเป็นพระก็บอก หนุ er said, ่มถวิลบอกว่าบวชเป็นพระก็แล้วกันหนุ่มทวิลก็ตอบอย่างนิ่มนวลบอกว่าไม่บวชหรอกบวชธรมาโอแม่ก็เข้ามาปลอบโยนขอรองยกเหตุผลต่างๆนานาเข้ามาประกอบให้ลูกชายสละกายวาจาใจศึกษาประธรรมวินัยให้จงได้แต่ว่านายวิล ก็ยืนกระตายขาเดียวไม่บวชหรอกอทีนี้น้องชายก็เข้ามาพูดกับพี่มัง่งอาศัยหลักอะไรต่อะไรหวานล้อมด้วยายต่างๆยกแม่น้ําทั้งห้าไม่ยอมอะไรๆ ไ, ไม่ยอมบวชทั้งนั้นนะะไม่บวชหรอกเดี๋ยวเที่ยวก่อนค้าขายก่อนเอเราจะไปค้าอะไรก็ค้าอะไรที่มันรวยเร็วๆอ่ะฟินไงพ่อแม่พี่น้อง อ่อน อ, อกอ่อนใจไปตามตามกันก่อนจะหมดหนทางแก้ไขโยมแม่ก็นึกถึงท่านพอลีเวลานั้นภาษานั้นจำภาษาอยู่วัดครองกุ้งวัดป่าคลองกุ้งจันบรุรีก็เลยเข้าไปนมาัสาการหลวงพอลีขอร้องให้ท่านช่วยเหลือนะให้นําเจ้าหนุ่มทวินเนี่ยมาบวชเป็นพระภิกษุสงฆ์เลยเถอะได้รับคําอ้อนวอนอย่างนั้นท่านพอลีก็มีจดหมายเรียกตัวหนุ่มทวินโดยใช้คําสั้นๆว่าให้มาหาที่วัด หนุ่มทวินนี่มีความพอรบในท่านปอลีอยู่มากก็เลยไม่ขัดขืนอะไรเดินทางมาที่วัดป่าคลองกุ้งบังเอิญวันนั่นบรรดาญาติโยมมากันเต็มสลายยางก็นัดกันไวอาจารย์วินท่านเล่าให้โยมฟังบอกว่าพอไปถึงจะว่าอะไรก็ไม่ว่าแขกมากันเต็มหมดท่านไม่พูดกับเราเลยท่านปอลีไม่พูดเลยนั่งเฉยเวลาท่านมองเห็นอาตมาท่านก็ไม่พูดนะ จะนั่งเฉยๆจะไปก็ไม่เชิงจะอยู่ก็ไม่เชิงจนในที่สุดแขกที่มาหานั้นกลับนหมดนั่งก็พูดกับหันมาพูดบอกแกต้องบวชนะต้องบวชหนุ่มทวินก็บอกไปว่ามันจะบวชยังไงฮะอืมไม่มากก็น้อยต้องบวชก็เลยต้องฝืนรับปากไปรับปากอย่างฝืนๆ น, นั่นแหละเดินทางกลับไปบ้านทั้งแม่ทั้งญาติดีใจกันใหญ่เลยตอนนั้น ตอนที่หนุ่มถวิลรับปากกับท่านปรีหรือเวลาเพียงสามสี่วันจะขบันษาแล้วผ้าไตรที่จะเป็นเครื่องดุ้งห่มก็ยังไม่ครบเลยเพราะว่าช่วงนั้นช่วงสงครามเสื้อผ้าสินค้าหายากหาซื้อไม่ค่อยจะได้เพราะไม่มีบัตรการที่จะซื้อผ้าตราได้นะั้นต้องไปขอบัตรที่แหนมเภอนะแหนมเภออนุญาตแล้วถึงจะหาซื้อได้แล้วการที่หามาได้กวแสนจะลําเค็ญเพราะว่าสิ่งของก็แพงมากเหลือเกิน ความที่ไม่พร้อมในเครื่องบริการนี่เองนุ่มทวินก็เข้ากราบนบมรส ก, การท่านพอดีอ่าจะหาเรื่องไม่บวชหรือไงไม่รู้พอมาพบกวันท่านก็ถามนุ่มทวินนะ่ได้เครื่องพระไตรครบแลหรือยังหนุ่มทวินก็บอกว่ายังครับท่านพอดีก็คลำคลำไปในตู้ไดจิวันมาผืนหนึ่งสบองอีกฝืนก็หยิบมาให้เสร็จแล้วนุ่มทวินก็ลำพึงในใจว่าบวชก็บวชขอบวชเพียงสามเดือนก็ยังดี พอถึงวันอุปสมบทหนุ่มถวิลก็ได้รับความเมตตาจากท่านพ่อลีเป็นอุปชายอบวชแล้วงานบวชคราวนั้นก็มีชาวบ้านนำบุตรของตัวออกบวช ด, ด้วยเป็นจำนวนหลายรูปแต่และรูปก็ได้ถือประเพณีในการบวชเท่านั้นเองไม่ได้คิดจะอุทิศตัวเข้ามาในพระาศาสนาแต่ประการใดก็บวชกันตามประเพณีพรรษาแรกเนี่ยจันวินก็คิดอยากจะศึกเหมือนกันตั้งใจไว้ว่าจะขอบวชเป็นพระเพียงสามเดือนพอครบแล้วก็ตัวใครตัวมัน อ่าแต่ว่าด้วยบุญวาสนาบา ร, รมีครบสามเดือนเพื่อนพิกษุใหม่ทั้งหลายลาสิกขาไปหมดเหลือแต่อาจารย์ทวินนองเดียวก็เข้าไปกราบเรียนท่านพอลีขอลาสิกขาบทท่านพอลีท่านเล็งรู้ด้วยยานพระทวินตรงนี้เกิดมาเพื่อรับใช้พระพุทธศาสนาไม่มีวันศึกได้อย่างแน่นอนจะต้องอยู่ในขอบเขตพระสุศาสนาไปจนตาย ท่านก็แกล้งใช้อุบายบอกข้าเกลียดน้ำหน้าแค่จังไม่อยากเห็นหน้าเกลียดทุกันไปอะอะไรก็ไม่รู้พระอาจารย์ทวินอดทนทนไม่ไหวก็ผมขอลาศึกก็ครับไปบุกป่าซะก่อนเดินจงกรมนั่งสมาธิสองเดือนในป่าแล้วจะศึกค่อยมาลาใหม่ท่านว่าอย่างนั้นครับพระอาจารย์ทวินต้องเข้าป่าแล้ว ในป่าเนี่ยมันจะมีอะไรล่ะที่จะทำให้อาจารย์ถวินอยู่มาได้จนกระทั่งตลอดชีวิตสลงพ่อถวินนี่ถ้าเป็นพระสุปฏิปันโนเป็นพระปฏิบัติดีปฏิบัติชอบนะได้รับอุบายการปฏิบัติจากท่านพ่อลีธรรมทรุเมื่อสมัยไปอยู่ที่วัดป่าคลองกุ้ง ท่านปรีนี่เป็นอาจารย์องคแรกแล้วต่อมาอันดับสองไปอยู่ฝึกอบรมกับหลวงปู่มั่นภูริทัตโตที่บ้านหนองผือจังหวัดสกลนคร อ, อันดับที่สามไปอยู่วัดป่าภูทอนพิทักไปเรียนกับหลวงปู่ฟัน่นอาจาร و, จนสามารถเพ่งสติเป็นมหาสติปัฏฐานได้อย่างมั่นคงผีสางไม่กลัวอะไรทั้งนั้นแหล ะ, ะท่านก็ออกรีบเร่ง ปฏิบัติธรรมท่ามกลางป่าดงพงไพรทุ่มเทชีวิต จ, จิตใจเพื่อผลแห่งธรรมะต้องต้องทนสู้กับสภาพทุกข์ยากลำบากต่างๆนานาป่าดงพงพฤกสมัยนั้นคนที่จะเข้าไปอยู่แล้วก็อยู่แบบเหมือนจะอยู่บ้านของตัวเองมันไม่ใช่ของง่ายคนที่จะเข้าไปอยู่โดยเฉพาะพระสุดงกรรมฐานจะต้องอาศัยสติและกาลังใจเป็นสาคัญศีนต้องบริสุทธ พระวินัยต้องเคร่งครัดตัดขาดอารมณ์ทางโลกอย่างสิ้นเชิงนะหลวงพ่อทวินนันเคยเล่าให้ลูกศิษย์ฟังบอกว่าอาจจะมาปฏิบัติอยู่ในป่าระยะแรกๆใจก็วันวิตกอยู่บ้างเหมือนกันเพราะว่าสัตว์ป่าเนี่ยพูดถึงมันก็อดขนพองสยองกล้าวไม่ได้มันดูแล้วป่าดงดิบที่เต็มไปด้วยไข้ป่ามา เ, เรียนี่มันตาย ง, ง่ายช้างเสืออ่า แล้วก็มีสัตว์ที่สามารถจะทำลายชีวิตได้อย่างฉับพลันงูจงอางอะไรตอะไรพวกนี้เนะ่ะเจอเป็นตายนั้นนะว่างนันอันนี้ก็ดีไปอย่างเพระาะว่าสัตว์พวกนี้มาเป็นครูสอนเพิ่มสติให้เราว่าเราอย่าไปกลัวถ้าข้ามความกลัวได้ถึงจะผ่านได้เสร็จแล้วพระอาจารย์วิลเนี่ยหลังจากที่ฝึกกับหลวงปู่ฟัน เสร็จแล้วท่านก็เดินธุดงกลับมาทางจังหวัดจันทบุรีซึ่งเป็นตินเดิมของท่านท่านก็มาถึงตำบลเขาใบาสีซึ่งเป็นป่าทึบทึบมากเลยเวลานั้นอ่าเป็นบริเวณที่พระจาย์ทวีรสร้างวัดยางระหงปัจจุบันเนี่ยเดิมบริเวณนี้เป็นป่าที่เต็มไปด้วยไข้ป่ามาลาเรียโรคนี้พร่าชีวิตชาวบ้านในแถบนั้นมากมายแล้วยังมีสัตว์ป่าอ่าเช่นช้างเสือหมีหมูป่าควางเก้งเสือดาวอะไรยังไม่รู้เยอะแยะ ชาวบ้านโดยทั่วไปสมัยนั้นส่วนมากเป็นทานป่าก็เที่ยวล่าสัตว์หาของป่ามาเลี้ยงชีวิตหรือว่าแลกเปลี่ยนมาเป็นเงินเป็นทองชาวบ้านในะยังเป็นบุคคลที่ยังห่างไกลสอบพระธรรมคําคสั่งสอนอยู่มากเด็กรุ่นหนุ่มรุ่นสาวนะี่ยไม่ต้องพูดถึงขนาดอายุตั้งหกสิบปีแล้วยังไม่รู้เรื่องในพระศาสนาเลยทั้งนี้จะตําหนิชาวบ้านก็ไม่เป็นการสมควรแต่ว่าการเผยแพ ร, พร่ธรรมะตอนนี้ยังไม่ทั่วถึงขาดการดูแลขาดการศึกษาขาดผู้นําที่ดีนั่นเอง สมัยก่อนก็ไม่มีอะไรดีไปกว่าอยู่ไปวันๆเท่านั้นพระอาจารย์ถวินก็มาพบสถานที่เหมาะที่จะสร้างสำนักปฏิบัติพระกรรมฐานเพราะว่ามีความวิเวกป่าทึบไม่ค่อยจะมีผู้คนเข้าถึงโดยไม่จําเป็นนอกเสียจากพรานป่าเท่านั้นท่านก็เลยปักปลดอยู่ปฏิบัติธรรมต่อมาชาวบ้านป่าทั้งใกล้ทั้งไกลรู้ข่าวว่ามีพระคุ่ดงกรรมฐานมาปักปลดอยู่ใกล้ๆเขาก็เดินทางมานมัสการแถวนั้นเขาเรียกเขาแกร ะมานมัส ก, การบ้างมาขอของดีป้องกันผีป่าอผีป่าก็คือไข้ามาลาเรียนั่นแหละที่ชาวบ้านมีความเข้าใจว่าเป็นผีป่าเพราะว่าอาการไข้ป่านี้ถ้ามันเกิดกับใครนี่อาการหนาวสั่นยังกับผีเข้าเป็นอันว่าชาวบ้านมีสิ่งที่พอจะเป็นสิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจและเป็นเครื่องบรรเทาความหวาดกลัวไปได้บ้าง พระอาจารย์ถวินท่านเล่าให้ฟังบอกว่าเออคนเรานี่มันไม่รู้มันเกิดมาพร้อมกับความโง่มีอวิชชาติดตัวมาด้วยกันทุกคนโง่าทั้งทางโลกโง่าทั้งทางธรรมชีวิตมันถึงต้องวุ่นวายอ่านี่ละคนพวกชาบ้านเขามาบอกว่าพวกผีป่ามาอารวาสรุนแรงเหลือเกินหลวงพ่อปีหนึ่งปีหนึ่งผีป่ามันเอาชีวิตชาบ้านมากมายหลวงพ่อช่วยไล่ล้างไอ้ทีนะครับะ อ้าวก็ตกลงใจจะช่วยเขาก่อนจะเป็นหมอผีนี่เขาชาวบ้านเขก็ช่วยกันทำเพลิงพักเล็กๆให้อาตมาอยู่เพื่อจะหลบแดดหลบฝนได้บ้างาานะฉนัอย่างนั้นเสร็จแล้วท่านก็บอกว่าวันต่อมานะอาตมาก็ช่วยชาวบ้านปราบผีป่าคือบอกให้ชาวบ้านาชวนกันนำกำลังกันมาถางป่าที่เป็นป่าละเมาะมีต้นไม้จำพวกไม้เลื้อยเพราะว่าไอ้จาพวกไม้เลื้อยนี่มันทาให้ป่าหนาแ น, น่นพื้นดินชื้นแฉะ เป็นที่อับคุก็เป็นที่เพาะเชื้อไข้ามาลาเรียสิยุงป่ามันอยู่ทำการถากถางจนพื้นเตียนเอาไฟเผาทิ้งแต่ก่อนที่แดดมันเผาไม่ถึงพื้นดินอ่ะคันถางเตียนเก็บจนไม้ใหญ่ไว้แดดลงถึ ง, ถงดินทีนี่ดินมันก็แห้งอากาศทายเทสะดวกพื้นมันโล่งเตียนโยมแค่นี้ลับผีป่านะมันวิ่งแนวไปเลยหายไปเลยออไล่ผีด้วยการถางป่านี่เป็นคาถาดี ลองไปใช้สิโยมแต่อย่าไปตัดต้นไม้สิจะทำให้ร้อนระอุอยู่ไม่ไหวนะชาวบ้านก็สุขสบายขึ้นผีป่าก็ไม่มาอลวาว่าอีกเลยอันนี้เป็นงานเริ่มแรกของอาตมาเสร็จแล้วเวลาตอนเย็นก็เรียกให้มาสวดมนต์ทำวัดนั่งสมาธิภาวนาพุทโธหาอุบายต่างๆจนเข้ามาอยู่วัดกันมากขึ้นอาวแล้วจนที่ไม่ค่อยจะพอนั่งซะแล้วอตอนนี้คนรู้จักทำธรรมะนี่เป็นที่อยู่ที่อาศัยได้จริงๆ งาน แ, นกแรกๆต้องพัฒนาความเป็นอยู่แล้วก็พัฒนาจิตใจเขาซะก่อนเอาให้มันเหมาะมันควรเพราะว่าพวกเขายังเป็นพรานป่าอยู่ค่อยๆแก้ไขทีละน้อยละน้อยหลังจากที่อาจารย์ถวินได้ออกปราบผีป่าเป็นที่เรียบร้อยแล้วคือการปรับพื้นที่ทีนี้ก็ต้องการปรับจิตใจชาวบ้านบางคนนะจิตใจชาวบ้านเนี่ยตกต่ำ ม, มัวเมาโดยกิเลสตัณหาอุปาทานมากนะัก ยังชอบกระทําตัวให้ได้รับทุกข์มีอบายมุกต่างๆเช่นสุรายาเมาการพนันไพ่ถัว่วน้ำเต้าโปไฮโรถึงจะถือว่าเป็นประเพณีของชาวบ้านก็ตามทีแต่มันเป็นประเพณีที่มันผิดเนะ่ยท่านมีความตั้งใจจะช่วยดึงขึ้นมาจากเหวลึกในี่ให้จงได้ชาวบ้านเขาก็ถามว่าแล้วอาจารย์จะทำยังไงครับแสดงทำโปรดหรือทำยังไงจะเทศเดอโอเทศนะั้นลาบากหน่อยอะโยม ถึงจะพูดจนมันเป็นลมมันก็ฟังไม่รู้เรื่องหรอกโยมอ้าวแล้วอาจารย์จะทายังไงหรือว่าจะใช้อำนาจจิตบังคับอาจารย์ถวินไม่ตอบนะทีนี้เขาก็เลยไปถามแอบถามลูกศิษย์ท่านเขาก็เปิดเผยให้ฟังบอกว่าคืนหนึ่งฝนตกมากพระอาจารย์ถวินเข้าสมาธิถอดจิตไปถึงนายพรานป่าคนหนึ่งชื่อนายเมดนะวันนั้นนะฝนตกนายเมด ต, ต้องอยู่บ้าน ไม่ได้ออกไปล่าสัตว์ที่ไหนแต่ว่าในเม็ดแทนที่มีเวลาแล้วจะพักผ่อนเพื่อจะได้ไปทํางานทํามาหากินในเมธกลับไปนั่งเล่นไพ่สิตอนเช้าในเมดก็มาที่สํานักปฏิบัติเช่นทุกวันนะอจันทวินก็ถามว่าไอ้เมดเมื่อคืนฝนตกหนักนี่คงไม่ได้ออกป่ า, าล่าสัตว์ละสิเปล่าครับพ่อแล้วทําอะไรอยู่วะก็นอนนะครับพ่อแม่ฝนตกทั้งคืนอากาศเย็นนอนสบายไปเลยในายเมธโกหกพระไปแล้ว นอนจริงหรือเปล่าไม่ใช่อย่างนี้เหรอท่านพูดแล้วก็ทํามือเหมือนคนเล่นไพ่หยิบไพ่ขึ้นทิ้งลงไปส่วนในเม็ดรู้ว่าความแตกเพราะนั่งเล่นไพ่จริงๆก็แกลง้งโวยวายใครมากว้องหลวงพ่อวะผมเล่นไพ่อะเช้ามืดอย่างนี้ชาวบ้าน ย, ยังไม่มีใครมาวัดสักคนอาจจมานั่งอยู่บนกุฏินี่แหละแต่เห็นในเมทร์กาลังนั่งเล่นไพ่อ่ะอํานาจจิตของท่านนี่ชาวบ้านเริ่มรู้จักท่านมากขึ้น ส่วนในเม็ดนี่ไม่กล้าพูดปดอะไรกับท่านอีกเลยเพราะรู้ด้วยตัวเองในตอนเช้าวันนั้นก็ยิ่งเพิ่มความเคารพเกรงกลัวมากขึ้นเรื่องอิทธิปาฏิหาริย์ของอาจารย์ทวินเนี่ยยังมีอีกมากมายในเมดภูมิรินก็นําเรื่องนี้ไปบอกเล่าวความวิเศษของท่านไปในหมู่เพื่อนฝูงก็มีอยู่คนหนึ่งชื่อในใยใยนา ย, ายนี่ไม่เชื่อในา ย, ายคนนี้เป็นในช่างทํากุฏิอาจารย์ทวินอ่าเข้ามาต่อว่าในเม็ดเป็นการใหญ่ไอ้เมษมึงตื่นไปได้ อาจารย์ก็พระธรรมดาธรรมดาจะหูทิพตาทิพไปได้ยังไงกูไม่เชื่อฮะท่านก็ดาวส่งไปเองอ่ะกูไม่เชื่อวันหนึ่งในใ่คนนี้ต้องทำฝาประตูกุติของอาจารย์ทวินแต่ว่าเป็นการทำงานอยู่ที่บ้านของตัวก่อนทำประตูก็ได้ไปนั่งดื่มเหล่าเถื่อนกับเพื่อนๆซะก่อนดื่มไปเพลินก็ลืมที่ลืมงานที่ตัวจะต้องทำซะสนิทพอคิดได้ก็รีบนะรีบมาทาประตู ไอ้ความเมาอ่ะมันจะประณีดได้ยังไงอ่ะมันก็ไม่ประณีดอย่างที่เคยทํามีฝีมือขนาดไหนมันก็เละประตูมันก็บูดบูดเบี้ยวเบี้ยวไปตามกําลังเมาอ่าในใจก็นึกว่าถ้าหลวงพ่อไม่เอาเดี๋ยวไม่เป็นไรเดี๋ยวทําใหม่เช้าก็แบกประตูไปยังสํานักปฏิบัติของหลวงพ่อเช้านั้นพระจานทร์วิญญ์กำลังเดินจองกรมอยู่เหมือนจะเดินรอนยายใหญ่พอนยายใาญเดินไปใกล้ท่านก็บอกว่าเป็นไงช่างยหญ่ จะทำอะไรก็ควรจะตั้งใจให้ดีๆนะไอประตูน่ะมันจะช้านิดช้าหน่อยก็ไม่เป็นไรเอาความเมาเข้ามาทําด้วยแล้วของมันจะดีได้ยังไงอย่าคิดว่าถ้าหลวงพ่อไม่ชอบก็จะทําให้หม่ไอ้นั่นมันคิดสั้นมันไม่ดีเข้าใจไหมอาจารย์ทวินพูดยิ้มยิ้มนยายหเจอเข้าจังเบรอนี่หน้าหงายประตูกับตกไอความที่ไม่เชื่อเนี่ยบัดนี้ตาค้างเลย หลวงพ่อก็เห็นอาการตกตะลึงของนยายใหญ่ก็เลยบอกว่าอย่าตกใจไปประตูบานนี้แม้ว่าจะไม่เรียบร้อยอย่างตั้งใจแต่ก็ไม่เสียหายอะไรนี่นะเอาไปติดเถอะตั้งแต่นั้นมานยายใหญ่กับพวกชาวบ้านก็ต่างไม่กล้าตำหนิติเตียนพระอาจารย์ถวิลนี่เลยทุกคนก็มีความเชื่อศรัทธาอย่างแรงกล้าอาจารย์หวินพูดอะไรต้องเป็นไปอย่างนั้นทุกอย่างซะด้วยนะความจริงแล้วในเรื่องอิทธิปาฏิหาริ์ต่างๆซึ่งเป็นเรื่องของจิตเนี่ย ครูบาอาจารย์ในสายของหลวงปู่มั่นกับหลวงปู่เสาเหมือนจะถูกบังคับให้นํามาใช้แทบดุองเราจะเห็นได้ว่าการออกเผยแพร่ธรรมะกองทัพธรรมตั้งแต่ท่านพระอาจารย์สิงห์หลวงปู่อ่อนหลวงปู่ฟันหลวงปู่กงมาแล้วก็อีกหลายองค์ท่านก็เคยแสดงมาแล้วตรงนั้นแหละเพราะว่าอํานาจจิตอํานาจฤทธิ์นี้เท่านั้นที่จะปราบบุคคลที่มีทิฐิมานะสูงลงได้ เมื่อทำสิ่งอันปรากฏได้แล้วต่อไปจึงจะสอนธรรมะนะถ้าใจไม่เชื่อพูดไงก็ไม่เชื่อนะพูดยังไงก็ไม่เชื่อคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจานะ้านให้เข้าใจถึงฝูงชนทำไมอย่างนั้นจะดูว่ายากนักยากหนาทำให้เสียการอีกด้วยเป็นอย่างนั้นหลวงพ่อเต๋อคงทองนยังเคยพูดว่าทำสิ่ง เ, เ, เ, เ, เรื่องอิทธิปาฏิหาริย์เนี่ยที่พระจะแสดงเนี่ย คือท่านบอกว่ามันต้องมีไว้มั่งถ้าไม่มีมันนึกกับเหมือนเป็นชาวบ้านเหมือนกันนะ่ะเพียงแต่ว่านั่งหัวโลนเอาผ้าเหลืองมาหม่มนะไม่เห็นมีฤทธิ์เดชอะไรเหนือกว่าชาวบ้านเพราะฉะนั้นมันต้องมีไว้มั่งนะเพราะจะไปพู ด, ดเรื่องสําหรักตาราวิชาการอะไรมันก็ไปพูดกับคนที่เขาเก่งๆฉลาดฉลาดที่เขาพูดดีกับพระอีกนะเพราะฉะนั้นพระมันต้องมีหลายอย่างไม่ใช่ว่ามีเฉพาะเก่งกล้าวิชาการอย่างเดียว ต้องมีหลายอย่างหลวงพ่อชาสุพัฒโทวัดหนองป่าพงจังหวัดอุบล ร, ราชธานีท่านต้องสอนอยู่เป็นประจำบอกว่าการฟังธรรมเนี่ยผู้ฟังจะต้องน้อมกายวาจาใจให้ถึงพร้อมในธรรมยอมรับธรร ม, มะเปิดใจต้อนรับธรร ม, มะมันถึงจะเข้าถึงแต่ถ้าผู้ฟังไม่เปิดใจรับธรร ม, มะนะไม่มีความเชื่อไม่มีความศรัทธา ในตัวของพระที่เทศพระที่สอนคนพูดคนสอนนะไม่มีทางรู้อ่ะจะรู้ได้ยังไงมันปิดหูปิดตาหมดนะแล้วพอพระเทศคนฟังก็นั่งหลับคนเทศก็เหนื่อยนะพูดก็เหนื่อยก็เลยไม่รู้เรื่องกันเพราะฉะนั้นพระอาจารย์ทวินที่ว่าเนี่ยท่านก็มีความจำเป็นที่จะต้องใช้อ่านะ กิตยาคมของท่านเนี่ยในบางครั้งบางคราวทั้งนี้ก็เพื่อที่จ ะ, ะทำให้ประชาชนมีความศรัทธาเชื่อถือแล้วหลังจากนั้นแล้วเนี่ยท่านค่อยเอาธรรมะเข้ากล่อมเกลาจิตใจต่อไปครับสักครู่ครับท่านผู้ฟังคงจะเคยได้ยินชื่อหลวงพ่อเมียนพุทธสิริวัดโพกบเจ้าตำบลกบเจ้าอำเภอบางบานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา หลวงพ่อเมียนที่ว่าอ่ามีวิชารักษากระดูกเนี่ยโด่งดังไปทั่วประเทศไทยเลยล่ะะกระดูกหักกระดูกแตกแกหลกเล้วยังไงก็แล้วแต่ไปหาหลวงพ่อเมียนเถอะผู้ที่ประสบเคราะห์กรรมถึงขั้นกระดูกหักส่วนมากมักจะเป็นนักซิ่งสิงมอเตอร์ไซค์ซึ่งขับขี่เขาด้วยความประมาทขนองนกว่าจะรู้สํานึกถึงผลแห่งความผยอง ก็ลงไปนอนดิ้นอยู่กลางถนนเวลานั้นหลวงพ่อเมียนท่านจาบันษาอยู่ที่วัดโพกบเจ้าอาเภอบางบานันจังหวัดพระนครศิทธยาแล้วนอกจากจะช่วยรักษากระดูกหักกระยติโยมแล้วท่านยังมีชื่อเสียงเรื่องไล่ผีเรื่องวิญญาณพยาบาทรายนี้เริ่มขึ้นจากที่หญิงสาวชาวอายุทยาคนหนึ่งเนี่ยไปเที่ยวสุพรรณไปกับเพื่อน ในขณะที่ไปเที่ยวชมโบราณสถานแห่งหนึง่งผู้หญิงสาวคนนี้เกิดหายไปจากกลุ่มเพื่อ น, เ พ, อนเพื่อนก็แยกย้ายกันออกตามหาเป็นจ้าละวันในที่สุดไปพบนั่งซึมอยู่ตรงโคนต้นไม้ใหญ่ในปาะะ่าละเมอหลังวัดนั่นแหละมีกิริยาท่าทีผิดไปเป็นคนละคนเพื่อนก็เข้าไปดึงมือให้กลับออกมาด้วยกันแต่ว่าหญิงสาวคนนั้นกลับแสดงกิริยากราดเกี้ยวบอกว่ากูไม่กลับกูจะอยู่ที่นี่พูดยาหยาบคาย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 กลุ่มเพื่อนของผู้หญิงคนนี้ก็จำเป็นต้องช่วยกันมัดตัวแล้วก็อุ้มขึ้นรถพากลับพระนครสีอุทยาพอกลับมาถึงบ้านของผู้หญิงที่อยุธยาพ่อแม่ญาติพี่น้องก็พากันวิทตกร้านเป็นอย่างยิ่งเพราะว่าผู้ที่ถูกวิญญาณเข้าสิงไม่ยอมกินข้าวปลาอาหารแม้แต่น้ำก็ไม่แต่ต้องนั่งซึมลืมตาโพงไม่หลับไม่นอนทั้งวันทั้งคืน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 ห, หญิงสาวซึ่งถูกวิญญาณสิงนี่จ้องตาประสานกับท่านอย่างไม่เกงรงกลัวในตาคู่นั้นขุนกวางเหมือนเป็นในตาของคนที่กําลังตกอยู่ในอารมณ์โกรธแค้นมากหลวงพ่อเมียนก็บอกให้ยกแค่นําหญิงสาวเข้ามาใกล้ๆเสร็จแล้วท่านก็พูดด้วยน้ําเสียงอันอ่อนโยนอธิบายให้วิญญาณซึ่งสิงอยู่ในร่างของหญิงสาวได้รู้ว่าการมาเบียดเบียนมาสิงมาทํำร้ายคนอื่นอย่างนี้ไม่ผิดกับการสร้างบาปเวรให้แก่ตัวเองเพิ่มเข้าไปอีก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 ก็ข้าบอกแล้วนะข้าไม่ได้รักทองไปมันควรจะฟังคําขบังมันไม่ฟังมันไม่มีเมตตาปราณีเขาเลยมันทําร้ายข่าจนตายคามือคราวนี้ถึงทีกขาบังน่ะขาจะให้มันอดข้าวอดน้ํำทรมานมันจนกว่ามันจะตายเหมือนข่าใครอย่ามาห้ามเจ๊ยากหลวงพ่อเมียนรับฟังวิญญาณทาตุที่อาคาตพยาบาทข้ามภพข้ามชาติอย่างรุนแรงถึงกับรอคอยจนกระทั่งหัวหน้าทาตุน่ะมาเกิดใหม่แล้วมาเป็นผู้หญิงคนนี้ ท่านเล็งเห็นว่าถึงจะใช้เวทบนคาถาขับไล่วิ ญ, ญญาณที่สิงออกไปได้ก็จริงแต่ว่าวิ ญ, ญญาณดวงนี้มีความอาฆาตพยาบาทรุนแรงนักคงจะไม่ยอมเลิกราง่ายๆอาจจะออกไปแต่ว่าได้โอกาสก็จะเข้าสิงอีกและหากเป็นเช่นนั้นถ้าแก้ไขไม่ทันท่วงทีคราวนี้ผู้หญิงคนนี้ตายแน่หลวงพ่อเมียนถึงได้ใช้วิธีนุ่มนวลชี้ให้วิญ ญ, ญาณอาฆาตได้เห็นถึงบาปบุญคุณโทษ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 ตองอยู่อย่างอดอดอยากอยากหิวโหยตากแดดตากฝนทนหนาวทนร้อนตลอดมาก็เพราะไอ้ทสะพยาบาทเนี่ยหากเจ้าอาโหสิกรรมต่อคู่แคนของเจ้าวันนี้เขาก็จะทําบุญใส่บาตรอุทิศส่วนกุศลให้เจ้าทุกวันอาตมาเองก็จะแผ่เมตตาอุทิศส่วนกุศลให้เองไปสู่สุคติพบอีกคนนึงหลังจากวิญญาณธาตรับฟังหลวงพ่อชี้แจงแสดงให้เห็นถึงบาปบุญคุณโทษนานพอสมควร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 หลวงพ่อเมียนก็ให้หญิงสาวไปสุพรรณและกรีดเลือดให้วิญญาณอาฆาตกินตามที่ขอหลังจากที่ทําทุกอย่างแล้วหญิงสาวก็มีสติรู้สึกตัวเป็นปกติเหมือนเดิมแสดงว่าวิญญาณอาฆาตได้รักษาสัจวาจาของตัวเช่นเดียวกันครับหลวงพ่อเมียนวัดโพกบเจา้าเป็นผู้ที่มีกุศิยาคมสูงมากชื่อเสียงของท่านโด่งดัง เมื่อปี2517หลวงพ่อจรัยทิตธรรมโมได้รับอราราธนานิมนต์จากพระครูสุวัชนาพิบาลเจ้าคณะอาเภอศรีสํารงจังหวัดสุขโขทยัยไปในงานพุทธาพิเศษเที่วัดโพธารามสุขโขทยัยในงานนี้นอกจากหลวงพ่อจรัยจะร่วมในพิธีพุทธาพิเศษแล้วก็ยังได้รับนิมนต์ไปแสดงธรรมนะก็ว่า เป็นการปลุกเสกประชาชนที่มาในงานให้เกิดความขลังในคุณธรรมความดีซึ่งสามารถเพิ่มพูนให้แก่ตัวเองได้ทุกคนเมื่อหลวงพ่อจรัญไปถึงวัดโพธรรารามเจ้าหน้าที่ของวัดก้นิมนต์ให้ท่านพักผร อ, อที่อาสนะซึ่งจัดเตรียมไว้ในงานนี้ก็มีคณาจารย์จากภาคเหนือภาคอีสานมาหลายรูปมาถึงก่อนหลวงพ่อจรัญแล้วระหว่างนั่งคอยกำหนดเวลาเข้าพิธีพุทธาภิเศษ ก็มีโยมคนหนึ่งหลวงพ่อจรันท่านก็จําชื่อไม่ได้อายุประมาณหกสิบปีเศร็จอยู่บ้านเหนือวัดโพธารามเข้ามาสุนทรากับท่านด้วยกิริยาวาจานอบน้อมเรียบร้อยโยมผู้นี้ก็เล่าให้ฟังว่าเขามีอาชีพทํานากับทําไร่ยาสูบแล้วเวลาเดียวกันก็ช่วยรักษาคนที่เป็นโรคประสาทเสียสติหรือว่าเข้าขั้นวิกลจริตอ่าเป็นบ้าให้หายได้ด้วยยาหมอ้อพวกสาวแก่แม่ไม้ที่เลือดทําพิษปั่มปั่มเป๋า เป็นบ้าเป็นบอไปนั้นเขาก็รักษาให้หายมานักต่อนักแล้วหลวงพ่อจรัญรับฟังโยมผู้นี้เล่าท่านก็เกิดความสนใจแต่ว่าเวลานั้นจะต้องไปทากิจตามที่รับนิมนต์ไว้ก็ตั้งใจว่าเมื่อมีเวลาก็จะพูดคุยสนทนากับโยมที่รักษาคนบ้าเนี่ยให้ละเอียดแล้วก็หากไม่มีอะไรเป็นที่ขัดข้องท่านก็จะขอจดชื่อตัวยารักษาโรคบ้านี้นาไปช่วยเหลือสงเคราะห์ญาติโยมต่อไป กระทั่งมีเวลาว่างพอสมควรหลวงพ่อจารันก็เรียกโยมคนนี้มาอ่ที่ว่ามียาดีรักษาโรคบ้าได้ท่านก็ถามว่าโยมที่โยมคุยว่ารักษาโรคบ้าหายมาหลายคนแล้วอ่ะโยมเป็นหมอหรือเปล่าผมไม่ได้เป็นหมอหรอกครับหลวงพ่อแต่พ่อผมเป็นเป็นหมอแผนโบราณผมเรียนจากพ่อเล็กๆน้อยๆแต่ก็ไม่ได้รักษาใคร แล้วทำไมโยมมีชื่อเสียงในทางรักษาโรคบ้าได้ล่ะออผมได้ตำราจากผีพระมาเข้าฝันครับผีพระครับผีพระมาบอกยาแก้โรคบ้าเป็นพระจากสิงห์บุรีอ้าวพระมาจากบ้านฉันด้วยสิหลวงพ่อเจรันก็ถามว่าจะจดตัวยาให้ท่านได้หรือเปล่า เพราะว่าอาจจะนำไปรักษาหลวงพ่อญาติยาโยมได้บ้างโยมก็อึกอักอึกอักอเดี๋ยวแล้วโยมก็บอกว่ากระผมก็อยากจะจดตัวยาให้หลวงพ่อนะครับจะได้ให้เป็นทานต่อไปแต่ว่าบบราณเขาห้ามไว้ว่าถ้าเป็นยาผีพระบอกเนี่ยหากเอาไปบอกต่อก็จะไม่ขลังจะหมดความศักดิ์สิทธิ์หวังว่าหลวงพ่อคงจะเห็นใจกรบผมที่ถวายให้ไม่ได้จริงๆ หลวงพ่อจรัย์ท่านเห็นว่าโยมมีข้อขัดข้องดังกล่าวก็ไม่ได้ว่าอะไรเพียงแต่ซักถามรายละเอียดต่างๆโยมเมื่อกลาบเรียนเล่ารายละเอียด เ, เรื่องอถวายหลวงพ่อว่าคืนหนึ่งโยมเขานอนหลับแล้วฝันไปในฝันนะ่ะว่ากำลังไปเลี้ยงควายแล้วก็ดูแลไร่ ย, ยาสูบก็มองเห็นพระภิกษุสูงไวยรูปหนึ่งรูปร่างสูงใหญ่อายุประมาณสัก เจ็ดสิบปีเห็นจะได้เดินไปเดินมาด้วยท่าทางเหนื่อยอ่อนกระวนกระวายที่น่าแปลกอีกอย่างก็คือสบงจีวรที่พระภิกษุรูปนั้นห่มครองอยู่นิคาดวิ่งกระล่องกระแล่งดูไม่ได้ไม่ทราบว่าเหตุะไหนท่านถึงได้อัตคัดขาดส น, นึงเพียงนี้แล้วพระรูปนั้นก็เดินมานั่งใกล้ๆกับโยมแล้วก็พูดขึ้นว่าเออพ่อทิดเอ้ยหลวงพ่อหิวน้ําจังเลยขอบินธบาตน้ําหน่อยได้ไหมล่ะ โยมก็รีบไปตักน้ำถวายพระภิกษุสูงวัยก็รับน้ำไปฉันอย่างกระหายพออิ่มแล้วก็โยมก็ชวนพูดชวนคุยหลวงพ่ออยู่ที่ไหนล่ะครับหลวงพ่อมาทำอะไรที่นี่อครับเฮ้ยไอ้ทิศเอ้ยออที่มานี่ก็มาทวงนี่เขาบ้านหนึ่งเขาขอยืมมาหนึ่งช่างอีกสองบ้านเขายืมมาสองช่งยืมแล้วก็ไม่ยอมใช้คืน หลวงพ่อเคยทวงหนี้เขาเขาก็ไม่ให้ตอนหลังๆเนี่ยคนที่เป็นลูกหนี้หลวงพ่อไม่รู้ว่าหายไปไหนก็เลยต้องเดินวนเวียนตามหาอยู่แถวนี้นานแล้วหลวงพ่อชื่ออะไรอยู่ที่ไหนล้วครับท่านก็บอกอย่างชัดเจนว่าท่านชื่อหลวงพ่อข๋มอยู่วัดเสาทงทองบ้านแป้งไทยแล้วก็ท่านยังบอกละเอียดต่อไปอว่าบ้านเกิดของท่านอยู่เยื่อวัดชลอน มีท่าควายใหญ่อยู่เหนือวัดอัมพวันท่านเป็นท่านักเทศได้ปัจจัยติดกันเทศสะสมไม่มากทีเดียวเมื่อมีเงินจำนวนมากแทนที่จะบริจาคออกไปเพื่อบำรุงเสนาสนะในวัดวาอารามที่ตัวเองปกครองดูแลหรือว่าสร้างสาธารณกุศลให้เกิดประโยชน์ต่อส่วนรวมก็เกิดความเสียดายกลับคิดแบบคารวะเห็นเงินทองเป็นของมีค่าเป็นสมบัติของตัวก็ตั้งหน้าตั้งตาสะสมปัจจัยเอาไว้ด้วยความโลภ ญาติและเพื่อนพ้องของญาติทราบว่าหลวงพ่อขำ ม, มีเงินเก็บงินมาไว้ก็เข้ามาเจราจาขอกู้ไว้ทําทุนทําไร่ยาสูบที่อำเภอศรสีสมรํมพงโดยยินดีจะจ่ายดอกเบี้ยให้ตามระบบกู้ยืมเงินหลวงพ่อขำเห็นว่าการให้เขากู้ยืมแล้วก็มีดอกเบี้ยอย่างนี้เป็นวิธีทําให้เงินงอกขึ้นมากกว่าเดิมก็ยอมให้ญาติและพวกพ้ อ, องของญาติกู้เงื่ายืมเงินของท่านไปพวกที่กู้เงินหลวงพ่อขำอุปยบโยกย้ายมาทำไร่ยาสูบที่อำเภอศรสีสํมพง์จริงๆ แต่ว่ารายได้จากการทำไร่เนี่ไม่งดงามมากมายเหมือนกับที่คาดหวังเอาไวต้ตอนแรกๆก็เลยรวบรวมเงินคืนหลวงพ่อขำไม่ได้ก็จำเป็นต้องเจรจาขอผลัดพรเรื่อยมาจนกระทั่งหลวงพ่อขำมรณาภาพพวกที่เป็นลูกหนี้หลวงพ่อขำก็เลยสบายไปไม่ต้องใช้ทั้งต้นทั้งดอกโยมคนนั้นก็ถามหลวงพ่อขำอีกว่าหลวงพ่ออยู่ยังไงล่ะครับโอ้ยหลวงพ่อก็เดินอยู่แถวนี้แหละเออ หลวงพ่อตายไปห้าสิบกสิบปีแล้วก็ยังมาวนเวียนตามทวงหนี้ไม่มีพักหลวงพ่อเห็นพ่อทิ์มานานสังเกตดูก็รู้พ่อทิ์เป็นคนอัตริยาศัยดีใจบุญใจกุศลให้ยังมีแก่ใจอุตสาเอาน้ำมาให้หลวงพ่อฉันหลวงพ่อก็จะตอบแทนพ่อทิ์บ้างเมื่อครั้งที่อยู่ที่วัดสาวทงทองหลวงพ่อเป็นหมอรักษาโรคบา้า หลวงพ่อจะบอกชื่อตัวยาให้มีอยู่สามสิบสองอย่างเอามาต้มเป็นยาหม้อใหญ่จากนั้นหลวงพ่อขำก็บอกชื่อตัวยาสมุนไพรให้จนครบโยมคนนั้นก็จำได้หมดเพราะว่าเคยเป็นลูกมือของพ่อซึ่งเป็นหมอแผนบบราณก็คล่องในชื่อสมุนไพรต่างๆนอกจากหลวงพ่อขำจะบอกตัวยารักษาโรคบ้าให้แล้ว ท่านก็ยังรำพึงรำพันด้วยความเสียใจที่เห็นผิดเป็นชอบขณะที่มีชีวิตแล้วก็บอกย้ำกับโยมมาว่าพ่อทิดเอ้ยเป็นเวรเป็นกรรมก็ลงพอ่อเหลือเกินตอนที่เป็นเจ้าอาวาสวัดเสาท่งทองหลวงพ่อเป็นทั้งนักเทศเป็นพระอุปชาบวชนาคไม่มีหยุดปัจจัยก็ได้มาเรื่อยเรื่อย หลวงพ่อตายแล้วเขาทำศพให้เราจนห0 6สิบกสิบปีผ่านไปนี่ยังหาที่เกิดไม่ได้ได้แต่คอยตามทวงหนี้วนเวียนอยู่อย่างนี้ทุกทรมานเหลือเกินมีแต่ความอดอยากหิวโหวยทุกขณะจิตข้าวก็ไม่มีจะฉันน้ำก็ไม่มีจะฉันหิวแล้วหิวอีกจนน้าลายไหล ย, ยืดถ้าไม่เจอพ่อทิตก็คงจะหิวน้ำต่อไปไม่สิ้นสุดจาไว้นะพ่อทิดนะ เวลามีเงินมีทองก็หมัน่นทบุญทำทานเอาไว้บ้างข้อสำคัญอย่าให้ใครกกู้ยืมเงินไปเลยไม่งั้นจะเป็นอย่างหลวงพ่อต้องคอยตามทวงหนี้จนสมบงจีวรขาดดุ้งริ่งร้งรองแรงอยู่ก็อย่างเงี้ยหลวงพ่อเจรันจะฟังโยมเล่าก็รู้สึกเชื่อครึ่งไม่เชื่อครึ่งคนนึกในใจว่าจะต้องสอบสวนหาความจริงให้ได้พอดีอ่าคนนึกได้ว่า หลวงพ่อขำในฝันเนี่ยได้บอกไว้ว่าสมภารรูปปัจจุบันที่วัดนั่นนะ่ะพระศรีสัมพงชื่ออาจารย์พวงอ่าก็ได้ตำรายานี้ไปจากท่านเหมือนกันแล้วก็รับรักษาโรคบ้าอยู่นะก็นมัส ก, การกราบเรียนถามหลวงพ่อจรันว่าเออหลวงพ่อครับพระสาทรงทองกับวัดอัมพวันอยู่ใกล้กันไหมครับเจ้าว่าอยู่ใกล้กันก็ได้นโยมเพราะวัดอยู่ในเขตอำเภอรพรมบุรีเหมือนกัน ถ้าอย่างนั้นหลวงพ่อไปขอยากับอาจารย์พวงเจ้าวาดวัดเสา ท, ทองทองนะครับกับผมเองก็อยากจะจดตัวยาให้หลวงพ่อเหลือเกินถ้าจดแล้วก็กลัวจะไม่ครั้งครับอกลับมาจากพุท ธ, ธาพิเศษหลวงพ่อจรรย์ก็ไปวัดเสา ท, ทองทองหลวงพ่อพวงเป็นเจ้าวาดพอไปถึงวัดว ก, ก็พบกับหลวงพ่อพวงเขาก็กราบเรียนถ า, ถามถึงอุปนิสัยของหลวงพ่อขำว่าเป็นยังไงหลวงพ่อพวงเขาก็หัวเราะบอกว่าหลวงพ่อขำน่นเป็นอาจารย์ของท่านเองละ่ะ ไอ้เรื่องขี้เหนียวจะต้องยกให้หนึขี้เหนียวเป็นที่หนึ่งญาติโยมถาวายอะไรท่านเก็บเอาไว้จนแน่นกุฏิไม่ยอมแบ่งให้ใครนมกระป๋องที่เก็บเอาไว้จนแข็งเสืออ่อนเป็นมัดมัดเปื่อยยุ่ยหมดทุกผืนร่มไม่รู้กี่คันตดว ก, กี่คันเก็บไว้จนผุเมื่อท่านบวรนาภาพแล้วกรรมาการวทดกค้นเจอเงินที่ท่านเก็บซ่อนไว้จํานวนมากก็ได้เงินจํานวนนี้แหละนํามาสร้างศาลา บ, บํารุงวัดหลวงพ่อจารันกราบเรียนถ า, ถามถึงยารักษาโรคบ้า หลวงพ่อพวง ก, ก็บอกว่าหลวงพ่อขำนั้นมียาดีจริงๆตัวท่านเองก็ได้รับถ่ายทอดมาแล้วก็รับรักษาต่อเนื่องจากครูบาอาจารย์มาเพื่อสงเคราะห์ญาติโยมให้ผ่อนคลายความทุกข์แล้วก็หลวงพ่อพวงยังได้จดตัวยาทั้งสามสิบสองชนิดให้หลวงพ่อจรัญพร้อมกับยาสมุนไพรแก้เลือดลมไม่ดีด้วยนะแต่ว่าหลวงพ่อจรัญไม่ได้นํายารักษาโรคบ้ามารักษาใครเวลาผ่านไปหลายปีโยมชาวอําเภอศรีสํารงจังหวัดสุโขทัยเข้ามาที่วัดอัมพวัน พร้อมกับลูกมากราบนมัสการหลวงพ่อให้ท่านเมตตาพาไปวัดเสาถุงทองท่านก็พาไปหลวงพ่อพวงท่านก็เล่าเรื่องที่ตัวได้สํารายาผีพระเข้าฝันบอกหลวงพ่อพวงก็สอบถามว่าตัวยาทั้งสามทุกสองชนิดมีอะไรบ้างโยมที่ว่ามาจากศรีสํมพงเขาบอกได้ครบถ้วนแล้วก็ยังบอกละเอียดลงไปว่าตัวยาแต่ละอย่างหนักเท่าไหร่ซึ่งหลวงพ่อพวงก็ยอมรับว่าถูกต้องทุกอย่าง ก็จึงเป็นอันว่าสิ้นความสงสัยเรื่องหลวงพ่อข๋มอดีตเจ้าวาดวัดสาวทองทองมรณภาพแล้วไปผุดเกิดเป็นเปรตเพราะอาคุศุลกรรมอันเนื่องจากความโลภจนได้รับความทุกขเวทนาอดอยากหิวโหยอย่างน่าสังเวชนะอันนี้ก็เรียบเรียงมาจากเรื่องของเปรตหลวงพ่อข๋มโดยพระเดชพระคุณหลวงพ่อจรันทิตาธโม วันนั้นเป็นวันศาสตร์ไทยอยู่ในช่วงธําบุญเดือนสิบนะครับย่ยเผาในอยู่บางสำโรง อ, อำเภอธาตุาวุงจังหวัดลบบุรีทายเรือมาที่ตลาดปากบางจะมาซื้อของจะไปกวนกระยาศาสตร์กระยาศาสตร์ก็คือขนมที่ทำด้วยถั่วงาข้าวเมาเข้าวตอกกวนกับน้ำตาลแต่เขาจะทำกินกันเฉพาะในเทศกาลศาสตร์เท่านั้นแหละยยเผาก็เทียบเรือเข้าไปจ่อริมตลิ่ง ซึ่งมีต้นไม้ใหญ่ร่มครึมโดยที่ไม่รู้ว่าไอ้ที่ต้นไม้ต้นนี้มีคนจีนแก่ๆคนหนึ่งมาผูกคอตายใหญ่เผ า, ยาผูกเรือเสร็จขึ้นบนตะลิ่งจะไปตลาดปรากฏว่าไม่ได้ไปอ่ะลม้มลงดินพลาดพลาดส่งเสียงพูดเป็นภาษาจีนไม่ขาดปากทั้งๆที่หญ่เผ า, ยาเป็นคนไทยแท้ๆไม่รู้ภาษาจีนสักคาเดียวชาวบ้านร้านตลาดก็พากันมามุงดูเย่เผ า, ยาถูกผีเข้ากันแน่นไปหมดต่างคนต่างก็ไม่รู้จะทํายังไงดี จนกระทั่งมีคนได้สติก็บอกให้ไปอราราธนานิมนต์หลวงพ่อจารันที่วัดพรมบุรีมาช่วยสงเคราะห์ชาบ้านคนหนึ่งก็วิ่งตื้อไปนิมนต์หลวงพ่อมาหลวงพ่อจารันทราบเรื่องผีเข้าใหญ่เผาท่านก็มาดูให้แต่พูดจะไม่รู้เรื่องรู้ความเพราะว่าใยเาผาแกพูดแต่ภาษาจีนลงเลงลงเล ง, ล ง, เลงอยู่ตลอดเวลาหลวงพ่อจรันก็เลยให้คนเอาเรือไปตามลุงเขยของท่านมาลุงเขยจะเป็นคนจีนชื่อแป๊ะเลียงเกียบเป็นคนจีนแท้เลยอ่ะ พูดไทยได้พอจะแปะเลี่ยงเกียกมาถึงก็สอบถามยายเผาตามที่หลวงพ่อจรันเน้ให้ถามก็ได้ความว่าผีหรือว่าวิญญาณที่มาเข้ายายเผาเนี่ยเป็นคนจีนชื่อนายเล่งหวยผูก้อตายตาเล่งหวยเล่าว่าอาศัยอยู่กับหลานสาวชื่ออาเจียมีอาชีพทำขนมขายตัวแกเองติดฝิ่นงอมเงมต้องกินยาฝิ่นวันหนึ่งห้าบาททุกวัน โดยการแลกเปลี่ยนกับการตักน้ํามาให้หลานสาวทําขนมวันไหนไม่ตักน้ําหาบน้ํามาให้อเจียก็ไม่ให้เงินไปกินฝินก็ทำให่อยากฝิ่นทรมานมากแต่ไม่มีใครเห็นใจซ้ํายังถูกดูหมิ่นด่าว่าเป็นพวกขี้ยาพวกติดยาเสพติดพวกสังคมรังเกียจตะเล่งห่วยเสียใจน้อยใจมานานจกนกระทั่งถึงขีดสุดก็ตัดสินใจผูกคอตายก็นึกว่าตายไปแล้วจะได้สบายสักทีที่ไหนได้ กลับทุกทรมานยิ่งกว่าตอนที่มีชีวิตอยู่ไม่รู้กี่เท่าต่อกี่เท่าหลวงว่อรันก็ถามตาเล่งหวยว่าทําไมถึงมาเข้าใหญ่เผาตาเล่งหวยก็บอกว่าวันโกนวันผ้าเข้าไว้หยุดงานอั้วเลยหนีมาขึ้นเรือยายเผาเข้ายายเผาอ่ะอยากจะมาบอกเล่าอะไรให้ลูกแล้วตอนนี้ลรืออยู่ที่ไหนอ่ะอ้วอยู่ใกล้ๆวัดพมบุรีนี่ละ่ะอยู่กับหวยเสียเทาอ่า ขุยเสียเท่าเป็นใครแล้วทำไมถึงได้ไปไปอยู่กับ้วยเสียเท่าอ่ะขุยเสียเท่าชื่อหลวงตาหมดเคยเป็นเจ้าอาวาสวัดกลางพรมนคร อ, อยู่เหนือตลาดปากบางเนี่ยอ่าตอนนี้ตายไปแล้วก็ไปอยู่ด้วยกันอ้วก็อยู่กับุ้ยเสียเท่าหมดเนี่ยสองคนเขาให้ขุดดินผมถนนทุกวันถ้าไม่ขุดก็โดนตี้วยเสียเท่าก็ขุดดินด้วย หลวงพ่อจรันก็สอบถามคนแก่คนเฒ่าชื่อตาเฮงอยู่ในตลาดปากบางเรื่องหลวงตามดก็ได้ความว่ามีจริงๆชื่อหลวงพ่อมดอยู่วัดกลางพรมนครเป็นเจ้าอาวาสอุตสาสะสมปัจจัยไว้จะสร้างโบสถ์ถูกมักทา ย, ยกโกงเอาเงินไปจนหมดสมหานมดเสียใจขาดสติผูกคอตายอย่างอนาถเมื่อประมาณสักห้าสิบกว่าปีที่แล้วหลวงพ่อจรัก็ถามต่อไปอีกว่า อ, อ, อยู่ตรงไหนนะ่ะ ทำงานทำอะไรกันอยู่ตรงไหนตาเล่งห่วยในร่างเยาเภาก็ชี้ไปที่รกร้างข้างทางเดินไปบ้านเหนือบ้านใต้อ้วกอยู่ตรงเนีธธนนนน้ยกุดถนนทําถนนเยาเกบห่วยเสียเท่าตรงเนี้ยอ้วเห็นเรือทุกวันลือเดินไปอ้วกก็ทักเรือว่าเรือไปไหนแต่เือไม่พูดกับอ้วอ้าวก็อ้วกไม่เห็นเรื อ, อว่าจะไปพูดกับเรือได้ยังไงแล้วมีอะไรกินกันล่ะอ้วกเกาห่วยเสียเท่าไปกินตามกองขยะที่เขาเอาเสศษทหารมาทิ้งกินกันนอนอ้าว ล้วดีๆทำไมไม่กินไม่มีใครให้กินมีอีกพวกหนึ่งขุดถนนเหมือนกันแต่ว่าเขามีข้าวกินพวกวิญญาณเหมือนกันพวกอั้วไม่มีข้าวกินต้องไปกินที่มันเหลือๆถึงจะกินได้เลือดไปบอกหลานสาวอั้วนจื่ออาเจียนนะบอกว่าไม่ต้องทําบุญไปอ่ะอ้วไม่ได้รับอ่ะถ้าอยากทําบุญให้อ้วนะะอ่ออั น, นอ้วถึงจะได้รับนะเพื่อจะเทำมดเป็นคนบอกอืม แล้วทำไมห้วยเสียเท่าบวชเป็นสมภารเจ้าวัดทำไมไม่เจริญกรรมฐานมาผูกคอตายทำไมห้วยเสียเท่าไม่เคยนั่งกรรมฐานเน่ะต้องขุดดินทั้งวันทั้งคืนพอถึงวันโกนวันพระถึงจะหยุดที่มาเข้าสิงยายเผาได้ก็เพราะเป็นวันหยุดไม่ต้องทํางานเลยถือโอกาสหนีมาแล้วเดี๋ยวต้องรีบกบลับเดี๋ยวผู้คุมจับได้โดนตีพอบอกเล่าจนหมดความประสงค์และวิ ญ, ญญาณตาเล่งหวยก็ออกจากร่างยายเผา กลับไปสู่ห่วงแห่งอากุศลกรรมของของแกอย่างเก่าส่วนหายเผาก็เหมือนกันหมดสติไปชั่วขณะเมื่อรู้สึก่รู้สึกตัวก็ได้แต่งงงวยที่มีคนมามุงดูนั่นขนาดซ้ายังมีหลวงพ่อจรันมาอยู่ข้างหน้าหลวงพ่อจรันไม่แน่ใจว่ายายเผานี่พูดจีนได้หรือเปล่าก็ลองถามใยายเผาเป็นภาษาจีนง่ายๆที่เคยได้ยินได้ฟังกันบ่อยๆก็คําว่าเจ้าปึงคำว่าห่อยายเผาไมารู้เรื่องอะไรสักคำ จนเป็นที่แน่ใจว่าวิญญาณตาเล่งหวยมาเข้าสิงหรือว่าทาร่างใหญ่เผาจริงๆหลวงพ่อจรรยเวทนาตาเล่งหวยที่ทนทุกทรมานอยู่ในภพภูมิน่าสังเวช ท, ท่านก็ไปพบกับหลานสาวเขาที่ชื่ออาเจียเนี่ยเพื่อเล่าเรื่องวิญญาณตาเล่งหวยมาเข้าใหญ่เผาให้ฟังแล้วก็ตาเล่งหวยบอกว่าถ้าจะได้รับบุญกุศลก็โดวยวิธีเดียวคือเจริญกรรมาฐานเท่านั้น แต่เจียหริญสาบอกหาว่าเป็นเรื่องบ้าบอคอแตกไปซะอีกก็นับเป็นเวรกรรมของตาเล็งหวยที่จะต้องทนทุกทรมานต่อไปอีกตามยาถากรรมพระเดชพระคุณหลวงพ่อเจรันท่านได้บอกถึงเรื่องปิดอบายภูมิว่าตายแล้วไม่ต้องไปเป็นมีสภาพอย่างนี้บอกว่าญาติโยมเอ้ยโปรดได้ทราบไว้เถอะว่าบุญกรรมมีจริงอนะจิตใจคนเรานี้เป็นผู้จดจดทุกวันนะจดลงบันทึกบาปบุญคุณโทษ พอวิญญาณออกจากร่างไปมันก็ขยายออกมาใช้กรรมไปถ้าเราทำดีก็ไปบังเกิดในสวรรค์ทาชั่วก็ลงนรกไปแบบนี้จเจริญวิปัสสนากรรมฐานให้แก่ตนเองเถอะตั้งพิจารณาเดินนั่งนอนจะลุกจะนั่งก็ให้นึกอยู่ตลอดเวลาเขาเรียกว่าทำกรรมฐานโยมไม่ไปเกิดในนรกเป็นเปรตเป็นอสุรกายสัตว์เดรัจฉานแน่นอนปิดประตูอบายได้เลยนะ อย่างคนกำลังโลภในี่ตายไปก็เป็นเปรตคนกำลังมีโทวัสตตายไปก็ลงนรกนะคนมีความหลงมากก็ต้องไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานแน่นอนถ้ามีสติปัาสีมีสติสัมชัญญะดีไม่ต้องลงหลอกนรกปิดนรกเปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานได้เลย สำนักสงฆ์บ้านคูหาสวรรค์ตำบลบ้านด่านอำเภอโของเจียมจังหวัดอุบลราชธานีซึ่งอยู่ติดพรมแดนไทยลาวคือสถานที่จำพรรษาตลอดชีวิตเป็นช่วงสุดท้ายของหลวงปู่คำคนิงจุลมณีครับหลวงปู่คำคนิงผ่านประสบการณ์บำเพ็ญเพียรเพื่อค้นหาโมกขธรรมโมกขธรรมคือธรรมที่ทำให้หลุดพ้นนิพพานท่านค้นหามาอย่างฉกาจกันและกล่าวได้ว่าเกือบครึ่งหนึ่งของชีวิต ท่านจะริกไปในป่าเขาลำเนาไพรของราชาอาณาจักรลาวโดยตลอดเหมือนกับฤาษีนักพรตก่อนที่ท่านจะก้าวเข้าสู่ร่มกาสาวพัทซึ่งเจ้ามหาชีวิตของชาวลาวคือสมเด็จพระเจ้าสีสว่างวัฒนาทรงเป็นองค์ประธานจัดพิธีอุปสมบทให้ท่านขอนำเอาเรื่องราวของหลวงปู่คำคนิงมาแสดงไว้โดยยอ่อว่าหลวงปู่คาคนิงนเนื่งเกิดที่บ้านหนองบัวแขวงคาม่วน ประเทศลาววันพุธเดือนสี่ปีกุลพุทธศักราช2437โยมพ่อชื่อนายดินทนโนราชโยมแม่ชื่อนุน่นพออายุ18ปีท่านก็มีครอบครัวมีบุตรสองคนแม้ว่าจะครองชีวิตแบบชาวโลกแต่ว่าจิตใจของท่านกลับฝักใฝ่ทางสงบทางหลุดพ้นจากกองกิเลสตลอดเวลากระทั่งขออนุญาตภรยาบวชเป็นสามเณร เมื่อลาศิกขาจากสามเณรกลับมาอยู่บ้านได้ไม่นานท่านก็กลับไปอยู่ที่วัดรักษาศีลแปดอย่างเคร่งครัดแล้วก็ไม่ยอมกลับคืนครอบครัวอีกเลยระหว่างที่อยู่วัดทราบข่าวว่ามีพระอาจารย์สีทัตที่อยู่เมืองท่าอุเทนเก่งทางกรรมฐานหลวงปู่คาคนิงกับเพื่อนผู้ฝักฝ่ายในธรรมอีกสองคนก็เดินทางไปหาอาจารย์สีทั์เพื่อขอฝากตัวเป็นศิษย์ แต่อาจารย์ศรีทัตแนะนำให้ไปฝากตัวเป็นสิทธิ์อาจารย์เหมยจะดีกวา่าเพราะว่าอาจารย์เหมยนี่เป็นครูบาอาจารย์ของท่านเองหลวงปู่คําคนิงและเพื่อนสองคนก็เดินทางไปหาอาจารย์เหมยก่อนอาจารย์เหมยจะรับตัวเป็นสิทธิ์ก็ได้บอกกับสามคนว่าถ้าจะมาเป็นสิทธิ์ของท่านหนึ่งในสามคนนี้จะต้องตายคนหนึ่งมีใครกลัวตายหรือเปล่าเพื่อนสองคนยอมรับว่ากลัวตายมีแต่หลวงปู่คําคนิงที่บอกว่าไม่กลัวตายเป็นตาย อาจารย์เหมยก็ยอมรับหลวงปู่คำคนิงเป็นศิษย์เพียงคนเดียวการเรียนกรรมาฐานกับอาจารย์เหมยถูกเขี่ยกรมการฝึกจิตยอย่างหนักอาหารมีแต่ข้าวตากเวลานอนต้องหนุนลูกมะพร้าวแห้งนอนถ้าหากเผลอหลับขาดสติหัวก็จะถลายลงมากระแทกพื้นทันทีแต่ว่าหลวงปู่คำคนิงก็สู้ไม่ถอยศิษย์คนหนึ่งในสานักอาจารย์เหมยนั่งสมาธิแล้วเกิดตายไปดื้อ อาจารย์เหมยก็บอกให้หลวงปู่คำคนิงแบกศพสิทธ์ร่วมสำนักตามเข้าไปในป่าแล้วก็มัดศพไว้กับต้นไม้สั่งให้พิจารณาศพตลอดคืนหลวงปู่ก็ปฏิบัติตามคำสั่งนั้นไม่ยอมหลับยอมนอนทั้งคืนเหมือนกันเช้า ว, วันรุ่งขึ้นอาจารย์เหมยก็ให้หลวงปู่คำคนิงเอามีดชำแหละศพออกดูทีละส่วนแล้วพิจารณาด้วยอสุภกรรมฐานจะได้รู้ถึงเนื้อแท้ของรูปกายสังขารว่าเป็นยังไง การฝึกกรรมาฐานอย่างฉกาจฉกันกับอาจารย์เหมยพอจบแล้วก็เริ่มออกจาริกเข้าไปในป่าดิบดงลึกเพื่อค้นหาโมกะธรรมด้วยตัวเองโดยที่ยังเป็นคารวะแต่ว่ารักษาศีลเหมือนกับพระภิกษุหลายปีผ่านไปหลวงปู่คำคนิงหรือว่าฤาษีคำคนิงก็เดินทางไปถึงตอนใต้ของนครจัมปาสักได้ช่วยสงเคราะห์ชาวลาวที่ได้รับทุกขเวทนาจากอาการเจ็บป่วยเป็นจานวนมาก ปรากฏชื่อเสียงเป็นที่ร่ําลือขจรขจายกระทั่งทราบถึงพระเนตรประกันของพระเจ้าสีสว่างวัฒนาเจ้ามหาชีวิตของชาวเราพระเจ้าสีสว่างวัฒนาทรงมีรับสั่งให้นิ ม, มนต์ฤาษีคําคนิงเข้าเฝ้าหลังจากนั้นพระองค์ก็ทรงประวารณาจะจัดพระราชาพิธีอุปสมบทให้หากฤาษีคําคนิงไม่ขัดข้องพระราชาพิธีอุปสมบทจัดขึ้นที่วัดหงเมืองเก่าแขวงจําปาสัก มีประชาชนมาร่วมพิธีมืดฟ้ามัวดินหลังจากอุปสมบทเป็นพระพิสุแล้วได้จำพรรษาบำเพ็ญธรรมอยู่ที่ภูอีด่างระยะหนึ่งจากนั้นพระคำคนิงก็ปลีกตัวออกจากริกฐุดงไปเงียบๆ เ, เนื่องจากมีศรัทธาญาติโยมขึ้นเขามารบกวนไม่ขาดระยะก็ทําให้ท่านแทบไม่มีเวลาปฏิบัติธรรมเอาซะเลยหลวงปู่เดินทุดงไปตามป่าเขาแทบจะทั่วทุกภาคของลาวเป็นเวลานานกระทั่งข้ามแม่น้ําโขงมายังฝั่งไทย แล้วก็มาตั้งสำนักสงฆ์ที่ถ้ำคูหาสวรรค์อำเภอขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีซึ่งท่านได้จำพรรษาที่สำนักสงฆ์แห่งดีจราบจนท่านละสังขารห่วงเวลาอันยาวนานที่หลวงปู่คำคนิงจาริกตุดงไปตามลำนาสงบตังัดห่างไกลชุมชนไร้ผู้คนอาศัยท่านได้พบเห็นแล ะ, ะเผชิญภาวะเหนือโลกเหนือธรรมดามากมายหลายครั้ง โดยเฉพาะพวกวิญญาณเร่ร่อนซึ่งวนเวียนอยู่สถานที่ที่ตัวได้สิ้นชีวิตลงไปแต่ว่ายังไปผุดเกิดกำเนิดตามวิถีกรรมของตัวไม่ได้ก็กลับกลายเป็นสัมภเวสีอสุรกายและเปรตบ้างได้รับความทุกข์ทรมานเพราะว่าจิตถูกน่วงเอาไว้ด้วยกิเลสแรงกล้าก่อนที่จะดับจิตไปก็ทำให้ไปไหนไม่รอดอสุรกายบางตนเมื่อครั้งยังเป็นมนุษย์มีพื้นฐานสันดานดุร้ายใจทมิน เวลาจะตายก็ตกอยู่ในอารมณ์โทสะแรงกล้าครั้นวิญญาณหลุดจากร่างก็ไปผุดเกิดเป็นอสุรกายที่มีจิตมืดมัวด้วยโทสะตลอดเวลามีเจตนาหมายประทุสร้ายต่อผู้อื่นเป็นสำคัญอสุรกายประเภทนี้มักจะดุร้ายเป็นที่หวาดกลัวของผู้คนที่บังเอิญผ่านไปพบไปเห็นคนบางคนมีความละโมบโลกมากอย่างแรงกล้าเข้าทานองทรัพย์ของคนอื่นอยากได้จะทรัพย์ของตัวไม่ยอมให้กระเด็นหลุดมือ ตั้งหน้าตั้งตากอบโอยเก็บทรัพย์สมบัติเอาไว้ไม่รู้จักอิ่มจักพอมีจิตลุ่มหลงหวงแหนในทรัพย์สมบัติที่ตัวสะสมไว้ชนิดไม่ยอมปล่อยวางเมื่อถึงเวลาจะตายก่อนสิ้นลมหายใจอารมณ์ยังผูกพันเหนียวแน่นอยู่กับทรัพย์สมบัติเพราะฉะนั้นเมื่อดับจิตก็เลยไปปุดเกิดเป็นเปรตวนเวียนคอยเฝ้าสมบัติไปไหนไม่รอดอีกในพื้นที่ซึ่งเป็นป่าดงพงไพร ไม่มีร่องรอยผู้คนอาศัยมาก่อนนั้นใช่ว่าจะเป็นป่าดิบดงลึกที่ไม่มีมนุษย์เคยย่างกรายผ่านเสมอไปเพราะการเวลาอันเนิ่นนานผ่านมาเป็นร้อยเป็นพันปีอาจจะมีเผ่าพันธุ์มนุษย์เข้าไปสร้างบ้านแปลงเมืองอยู่อาศัยเป็นชุมชนใหญ่น้อยมาแล้วต่อมาเกิดความเสื่อมความวิบัติาศาสสั์เข้าส่ชุมชนทั้งหลายกระทั่งล่มสลายผู้คนล้มตายหรือว่าต้องละทิ้งบ้านเรือนแยกย้ายหนีหายจากกันไป ไม่ว่าจะด้วยสาเหตุใดสาเหตุหนึ่งสถานที่ซึ่งเคยเป็นบ้านเมืองจึงปรักหักพังลงจมดินพืชพันใหญ่น้อยก็งอกงามปกคลุมทับถมจนไม่เหลือเขารอยแห่งอดีตให้เห็นอีกต่อไปร่องรอยหลักฐานซึ่งบ่งว่าณนะสถานที่นี้เคยเป็นที่อยู่อาศัยของผู้คนก็สูญสิ้นไปหมดแล้วแต่ที่ยังเหลืออยู่ก็คือวิญญาณของคนตายบางคนบางหมู่ ซึ่งวนเวียนไม่ยอมไปไหนไม่มีทางไปผุดไปเกิดในภพภูมิอื่นวิญญาณเหล่านี้ไม่มีการเวลามาเป็นข้อจำกัดไม่มีภาวะอื่นใดเคลื่อนย้ายหรือว่าผลักดันให้เขาจากไปได้เพราะว่าวิญญาณดังกล่าวนี้ทรงสภาพอยู่ด้วยอำนาจกรรมของตัวจะทนทุกขเวทนามากน้อยแค่ไหนก็เนื่องจากผลแห่งกรรมของตัวเองเหมือนกันจากสาเหตุนี้พระตูดงกรรมฐานซึ่งจาริกแสวงหาวิเวกยึดเอารุกขมูลเป็นวัด ย่อมจะหลีกหนีประสบการณ์ทางวิญญาณในป่าดิบ ด, ดงดอยไม่ค่อยพ้นเพียงแต่ท่านไม่ได้นํามาเล่ากล่าวอ้างให้เป็นที่รับรู้อย่างแพร่หลายเท่านั้นเนื่องจากเห็นว่าไม่ได้เกิดประโยชน์อะไรต่อผู้รับฟังซ้ําร้ายหากผู้รับฟังไม่เชื่อไม่ยอมรับว่าเป็นเรื่องจริงก็อาจจะเกิดโทษได้สําหรับเรื่องที่หลวงปู่คาคณิิงจุลมณีได้ประสบกับวิญญาณบนเส้นทางทุดงเรื่องนี้คุณพักดีซึ่งเป็นลูกศิษย์คนสา ค, คัญคนใกล้ชิดกับหลวงปู่ได้เขียนเล่าไว้ ว่าครั้งนั้นหลวงปู่คำคนิงจาริกธุดงอยู่ในแผ่นดินลาวทางภาคเหนือซึ่งพื้นที่เป็นป่าเขาอุดมสมบูรณ์ตามชายป่าชายดงมีชุมชนหมู่บ้านอยู่น้อยมากหมู่บ้านแต่ละแห่งมีอยู่ไม่กี่หลังคาเรือนแล้วก็อยู่ห่างไกลเหลือเกินชาวลาวในยุคสมัยนั้นดำรงชีวิตอย่างเรียกง่ายสมถะอาชีพส่วนใหญ่คือทาไร่ทานาพอมีพอกินแม้ว่าชาวลาวจะนับถือศาสนาพุทธโดยทั่วไป แต่ก็ยังมีพวกที่นับถือผีและสิ่งศักดิ์สิทธิ์อีกไม่น้อยกระนั้นชาวลาวโดยทั่วไปไม่ว่าจะเป็นกลุ่มที่นับถือพุทธนับถือผีต่างก็มีจิตใจใฝ่บุญใฝ่กุศลพอๆกันมีความยินดีต่อการบริจาคทานเมื่อมีโอกาสดังนั้นพระตุดงกรรมฐานชาวไทยซึ่งจาริกไปฝั่งลาวจึงมีคนใส่บาตรเกื่อหนุนให้ท่านพอยังชีบดำรงทั้งขานเพื่อปฏิบัติสมณธรรมโดยตลอดรอดหวัง หลวงปู่คาคนิงจาริกมาถึงหมู่บ้านเล็กๆเชิงเขาชื่อบ้านกลัวท่านก็หยุดยั้งปักปลดโปรโดญาติโยมพร้อมกันนั้นท่านก็ทราบมาว่าเลยจากหมู่บ้านนี้ขึ้นไปทางภูเขาที่โอบล้อมอยู่มีถ้ำอยู่ถ้าหนึ่งเป็นสถานที่สปายะเหมาะสมต่อการบําเพเ็ญเพียรเป็นอย่างยิ่งซึ่งท่านตั้งเจตนาจะขึ้นไปภาวนาที่ถ้านั้นทั้นบอกกล่าวแก่ชาวบ้านกลัว ว่าท่านประสงค์จะขึ้นไปที่ถ้ำที่ว่าเนี่ยก็ไปไม่ถูกอยากจะขอแรงญาติโยมที่รู้จักที่ตั้งตำแหน่งของถ้ำนำทางขึ้นไปชาวบ้านกลับสแสดงกิริยาอาการประวัติท่านใจรีบกราบเรียนถวายหลวงปู่คำคนิงด้วยความห่วงใยว่าที่ถ้ำนั้นนะ่ะมีอันตรายร้ายแรงแอบแฝงอยู่มีพระทูดงกรรมฐานหลายรูปเคยขึ้นไปบำเพ็ญสมณธรรมที่ถ้ำแห่งนั้นมาแล้ว แต่ละรูปแต่ละองค์ก็ให้มีอันเป็นไปต่างๆนานาบางรูปถึงกับมรณาภาพอยู่ภายในถ้ำบางรูปก็เกิดอ า, าพาธแทบจะเอาชีวิตไม่รอดต้องรีบลงมาจากถ้าก่อนที่จะรักษาชีวิตเอาไว้ไม่ได้เนื่องจากมีผีหลวงตนหนึ่งสิงสู่อยู่ภายในถ้ำนั้นได้กระทําการประทุสร้ายด้วยฤทธิอ์อนาจเหตุนี้จึงไม่มีพระทูดงกรรมฐานมาบําเพ็ญธรรมที่ถ้าบ้านกลัวนิมานานแล้วชาวบ้านกลัวเล่าเรื่องอันตรายในถ้ำถวายแล้วก็พากันกราบไหว้อ้อนวอน ให้ท่านเปลี่ยนความตั้งใจเถอะอย่าขึ้นไปปฏิบัติธรรมที่ถ้ำนั้นเลยเพราะอาจจะเกิดเพศภัยถึงชีวิตได้หลวงปู่คำคนิงรับฟังเรื่องราวผีหลวงสิงอยู่ในถา้ากลัวตลอดจนที่ชาวบ้านแสดงความห่วงใยท่านก็ยังยืนยันเจตนาเดิมพร้อมกับอธิบายให้ทุกคนรับทราบว่าการที่ท่านจะขึ้นไปจเจริญภาวนาที่ถ้ำก็เพราะว่าเห็นว่าน่าจะเป็นสถานที่เหมาะสม สำหรับปฏิบัติกิจของธรรมณะและการปฏิบัติกิจเช่นนี้มีเป้าหมายสุดท้ายคือการตัดขาดจากวัฏฏะสงสารอันเป็นกิจสำคัญสูงสุดของภิกษุทั้งหลายสำคัญยิ่งกว่าความเป็นความตายหากจะต้องเสียชีวิตถึงแก่มรณะภาพโดยฤทธิ์ผีหลวงก็ถือว่าคงจะเป็นเพราะมีกรรมผูกพันกันมาซึ่งท่านก็ยินดีที่จะยอมรับวิบากนั้นให้หมดสิ้นไปชาวบ้านกลัวเห็นหลวงปู่ยืนยันตั้งมั่นอย่างนี้ ก็รู้ว่าเกินกําลังจะทัดทานห้ามปรามเอาไว้ได้ก็จําใจต้องยินยอมนําทางท่านขึ้นไปที่ถ้ำท่ว่าเมื่อไปถึงถ้ำแล้วชาวบ้านก็นมาสการลากลับลงมายังหมู่บ้านของตัวด้วยความเป็นห่วงเป็นใยพระธุดงกรรมาฐานว่าท่านจะรักษาชีวิตรอดได้สักกี่วันหลังจากชาวบ้านกลับไปหมดแล้วหลวงปู่ก็ได้เดินสํารวจไปทั่วบริเวณนอกถ้ำในถ้าก็รู้สึกพอใจสถานที่ที่เป็นสับปะย่นี่อย่างยิ่ง คือภายในถ้ำนี้ไม่ลึกมากมีลมโกรกเข้าไปทำให้อากาศเกิดการถ่ายเทตลอดเวลาความอับชื้นไม่มีส่วนภายนอกถ้ำก็สงบถ้ำกลางแมกไม้นานาพันธ์ปราศจากสรับรปะสําเนียงของกิเลสทั้งหลายที่จะมารบกวนแล้วก็นอกจากเสียงร้องของนกป่าและสัตว์สัต์ทั้งหลายที่ดำรงชีวิตของมันตามธรรมชาติแล้วก็ไม่มีอะไรอย่างอื่น วันแรกที่หลวงปู่คำคนิงภาวนาที่ถ้ำบ้านกล้วก็เป็นไปอย่างดีไม่ปรากฏรูปเงาหรือว่าการแสดงอย่างหนึ่งอย่างใดจากผีหลวงซึ่งชาวบ้านยืนยันว่าสิงสู่อยู่ที่ถ้ำแห่งนี้ขั้นถึงเวลาเช้ามืดได้อรุณหลวงปู่ก็จะลงจากเขามาบินธบัติที่หมู่บ้านกล้วตามข้อวัดปฏิบัติเมื่อชาวบ้านน้มาสการเรียนถามว่าท่านถูกผีหลวงรบกวน ร, รังควานหรือเปล่า หลวงปู่ก็ได้แต่ยิ้มยิ้มไม่ตอบต่อย่างใดชาวบ้านกลัวก็พากันโล่งอกโล่งใจกระทั่งเวลาผ่านไปได้สามสี่วันธาตุขันซึ่งเป็นปกติมานานของท่านก็เริ่มออกอาการของโรคเก่าที่เป็นโรคประจำตัวคือเจ็บปวดในท้องในทํานองเป็นแผลในกระเพาะอาหารอันที่จริงโรคนี้หายไปนานแล้วแต่ว่าหวนกลับมากาเริบขึ้นอีกอย่างกระทันหันแล้วก็ดูจะมีอาการเพิ่มมากขึ้นทุกขณะ ไม่เพียงจะเจ็บปวดในท้องเป็นที่ทรมานอย่างสาหัสเวลาไปถ่ายถึงก็มีเลือดสดๆไหลออกมาด้วยฉันอะไรเข้าไปเขอแทบว่าสิ่งนั้นจะขับถ่ายออกมาในลักษณะเดิมแสดงว่าระบบย่อยอาหารไม่ยอมทำงานเอาซะเลยแม้จะฉันยาซึ่งนำติดตัวมาด้วยก็ไม่ได้บรรเทาลงซ้าอาการของโรค ก, กลับกำเริบกล้าหนักขึ้นกว่าเดิมหลวงปู่คาคนิงก็หวนิดไปถึงคาพูดของชาวบ้านกลัว ที่บอกเล่าแก่ท่านว่ามีพระธุดงคขึ้นมามรณภาพที่ถ้านี้หลายรูปแล้วเห็นทีจะเกิดอาการอาภาษอย่างที่ตัวท่านกำลังประสบอยู่เป็นแน่อาการอาภาษอย่างฉับพลันทันทีและมีความรุนแรงทวีคูณขึ้นมาเรื่อยๆ อ, อย่างนี้จะบังเกิดขึ้นเพราะโรคาภยาที่เบียดเบียนหรือเนื่องจากมิจฉาทิฏฐิอานาจของพูดผีกันแน่ท่านก็ไม่รู้ หลวงปู่คำคนิงก็ตัดสินใจไม่หวังพึ่งพายารักษาโรคอะไรอีกต่อไปแต่จะใช้ธรรมโอสถบำบัด ร, รักษาธาตุขันน้องตัวเองหากอาการอาภาษยังไม่บรรเทาหรือกำเริบหนักยิ่งกว่านี้ก็จะขอจบสิ้นชีวิตไม่ดิ้นรนหลีกหนีความตายไปที่ไหนอีกยินดียอมทอดร่างเป็นศพอยู่ในถ้ำกลัวแห่งนี้อีกศพหนึ่งตั้งปณิธานตัดสินใจอย่างนี้ หลวงปู่คำคนิงก็เข้าที่ภาวนารวมจิตเข้าสู่สมาธิพิจารณากายสังขารและเวทนาด้วยปัญญาเป็นลำดับตั้งแต่ทบทุ่าจนกระทั่งครึ่งคืนผ่านไปจึงรู้สาเหตุแห่งทุกข์ของาธาตุขันเมื่อรู้แจ้งตลอดอย่างนี้แล้วเวทนาคือความทรมานทั้งหลายก็ดับไปเป็นอัศจรรย์รั้นถอนจิตขึ้นมาสู่ระดับอุปจารสมาธิ จิตก็สว่างออกนอกกายไปเห็นร่างของอะมนุษย์ตนหนึ่งยืนระงานสูงเลยทะลุเพดานถ้าขึ้นไปอีกร่างที่อยู่เบื้องหน้าในผิวกายดํามืดหน่ากลัวในมือถือตะบองเหล็กใหญ่ยาวเกินสองหวาสแสดงกิริยาจะเข้ามาประทุษร้ายในบัด น, นั้นแม้ว่าจะประจักษ์กายหยาของวิญญาณเจ้าของถ้ากลัวหรือว่าผีหลวงอย่างนี้หลวงปู่ท่านก็ยังมีจิตตั้งมั่นอยู่ในความสงบไม่ได้หวาดหวั่นวูบไหวไปกับภาพอันน่ากลัว แม้ว่าผีหลวงจะลาบเท้าก้าวตึงตึงมายืนค้ำอยู่เพียงไม่กี่วา่าท่านก็ยังระงับอารมณ์เอาไว้ได้แล้วผีหลวงก็คำรามสนัน่นแล้วก็บอกว่าถ้าไม่ไปจากที่นี่แล้วก็จะไปทบให้จมดินอยู่ตรงเนี้ยหรือถ้ายัางอวดดีดือ้อรั้นจะอยู่อีกจะฆ่าเร้ตายท่านก็กำหนดจิตโตต่อไปว่าอาตมามาอาศัยทำนี้เพียงเพื่อปฏิบัติสมณธรรม ไม่ได้มีเจตนามุ่งหมายจะยึดครองเป็นที่อยู่ที่อาศัยอะไรหรอกแล้วอาตมาก็ไม่ได้กระทำความเดือดร้อนเบียดเบียนต่อใครแล้วทำไมถึงจะมาทำร้ายหมายชีวิตอาตมาด้วยเราผีหลวงก็สวนกลับมาว่าเขาเป็นใหญ่อยู่ที่นี่มีอำนาจและหน้าที่ดูแลรักษาป่าเขาเตือนถ้ำทุกแห่งผู้ใดจะล่วงละเมิดเข้ามาไม่ได้เมื่อสั่งให้ใครออกไปก็ต้องไปถ้าสั่งแล้วยังไม่ไปยังอวดดือ้อถือดีจะอยู่ต่อ ก็เท่ากับโอ้อวดว่ามีฤทธิ์อำนาจเพราะฉะนั้นก็จะต้องแสดงให้ดูว่าเขานี่แหละคือผู้มีฤทธิ์เหนือกว่าหลวงปู่ท่านก็แย้งว่าที่ผีหลวงอวดอ้างว่ามีฤทธิ์อำนาจสูงสุดนั้นสามารถใช้ฤทธิ์อานาจของตัวประหารกิเลสได้หรือไม่ละ่ะผีหลวงก็ยอมรับว่าทําไม่ได้หลวงปู่คาคนิงก็เห็นช่องที่จะกล่อมกราววิญญาณผีหลวงให้หลุดพ้นจากความมืดมัวของโมหะโทสะซึ่งครอบงําอยู่ท่านก็เทศให้ ฟ, หฟังโดยมีเนื้อความว่า อิทธิฤทธิ์อันวิเศษสุดในสามโลกนี้แม้จะเอาชนะทุกสิ่งทุกอย่างได้แต่ไม่สามารถเอาชนะกิเลสซึ่งครอบงำสัตว์โลกทั้งหลายได้หรอกมีเพียงพระบรมศาสดาเอกของโลกพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเท่านั้นที่ประหารกิเลสจนหมดตัวท่านเองซึ่งเป็นพุทธสาวกมุ่งมั่นบำเพ็ญเพียงตามรอยพระบาทก็เพื่อกำจัดกิเลสให้หมดสิ้นในชาตินี้จึงไม่มีความโลภโกรธหลงย้อมใจให้มเมามัวอีกต่อไป การที่ผีหลวงมีเจตนาประทุสร้ายท่านจนถึงแก่ชีวิตนั้นท่านไม่ได้อะไรใยดีต่อชีวิตเลยพอถึงยังไงท่านก็ต้องถึงวันที่จะต้องตายเข้าทักวันหนึ่งจนได้ซึ่งเป็นเรื่องปกติธรรมดาของสัตว์โลกเป็นห่วงก็แต่ผีหลวงเท่านั้นที่จะต้องเสวยกรรมหนักในนรกอเวจีไม่มีวันที่จะได้ไปผุดไปเกิดในภพภูมิอันประเสริฐอีกนานแสนานานเนื่องจากประหารสมณะผู้ประพฤติในธรรมอันบริสุทธิ์ระหว่างที่หลวงปู่คําคนิง แสดงธรรมผีหลวงก็ยืนจางานแบกตะบองเหล็กพาดไว้บนบาไม่กระดุกกระดิกรับวางหลวงปู่ชี้ทางเห็นผิดชอบชั่วดีโดยสงบตั้งแต่ต้นจนจบครั้นหมดเนื้อหาสาระให้สติอมนุษย์อมนุษย์ก็ยอมลงนั่งวางตะบองเหล็กด้วยท่าทีสิ้นพยศแล้วร่างอัปลักษณ์มหฮือมาก็พันแปรเปลี่ยนเป็นมานพหนุ่มวัยชกัน สวมใส่อาพรแบบคนบุราณพนมมือนำ้ำมศการหลวงปู่คำคนิ่งอย่างนอบน้อมก่อนที่จะเลือนหายไปและนับตั้งแต่วันนั้นอาการอาภาษของหลวงปู่ก็หายขาดเป็นปลิดทิ้งตลอดเวลาที่ท่านบําเพ็ญเพียรภาวนาไม่เคยปรากฏว่ามีสิ่งใดมาปรากฏรบกวนท่านอีกกลาบกระทั่งถึงวาระที่หลวงปู่ลงจากถ้บ้านกลัวออกจากริกูดงต่อไปตามวิถีทางธรรมของท่าน ครับนี่คือประสบาการณ์ทางวิญญาณบนเส้นทางธุดงครั้งหนึ่งของหลวงปู่คำคนิงผู้ซึ่งละสังขารล่วงไปแล้วเมื่อปีพุทธศักราช2528ครับหลวงปู่ที่เป็นลูกศิษย์ของพระอาจารย์มั่นเนี่ยมีหลายรูปเยอะเลย หลวงปู่แหวนหลวงปู่ชอบในจำนวนนี้ก็มีหลวงปู่สีโหเป็นสิทธิ์รุ่นเดียวกับพระอาจารย์ฟัน่นหลวงปู่ขาวอนารโยหลวงปู่แหวนหลวงปู่สิบเนี่ยหลวงปู่สีโหเนี่ยเป็นพระโยคาวจรพึงพอใจ ต่อการจาริกทุดงไปตามป่าชาป่าเขาที่ห่างไกลผู้คนผู้ปัานไม่ปรารถนาคุกคลีอยู่ในวัดวาอารามตลอดชีวิตประมาณปี2474เจ็สพระอาจารย์มั่นก็ปรารพให้พระอาจารย์สิงขันตยาขโมเป็นหัวหน้านำภิกษุสามเณรออกไปเผยแผ่ธรรมะตามอำเภอในจังหวัดต่างๆของภาคอีสานเวลานั้นมีพระเถระผู้ทรงคุณธรรมแยกย้ายนสิทธิ์ออกไปเผยแผ่หลายองค์ อาทิเช่นพระอาจารย์ฟัน้นอาจารโรไปเผยแผ่ธรรมที่อำเภอชนบทพระอาจารย์อ่อนญานาเสริไปเผยแผ่ธรรมที่อำเภอบ้านไผ่พระอาจารย์สีโหนี่ไปเผยแผ่ธรรมที่อำเภอมัญจาคีรีหลวงปู่ศีโหเวลานั้นยังเป็นพระหนุ่มแต่ว่าได้รับการยกย่องว่าเชี่ยวชาญในสมถะวิปัสสนากรรมฐานมาก ท่านน้อมรับคําสั่งแล้วก็เดินทางไปปักหลที่ป่าช้าของหมู่บ้านแห่งหนึ่งในเขตอําเภอมันจาเคีรีสมัยนั้นชาวอีสานชนบทห่างไกลไม่เลื่อมใสนับถือพระพุทธศาสนาเท่าไหร่นักหากให้ความเคารพศรัทธาพูดผีทั้งหลายเป็นสารณะยิ่งกว่าอื่นใดทั้งยังไม่พอใจที่พระธุดงกมาฐานสายท่านพระอาจารย์หลวงปู่มั่นจะริกมาอยู่ในพื้นที่หมู่บ้านตําบลของตัวเนื่องจากพระธุดงกสายนี้ไม่เคารพนับถือผี ทั้งยังทำลายสารผีปูตาไปมากมายแล้วก็อบรมสั่งสอนให้หันมานับถือพระพุทธศาสนาแทนที่หมู่บ้านซึ่งหลวงปู่ศรีโหรนำคณะของท่านไปปักหลัอยู่ในป่าชาชาวบ้านนี่นับถือผีกันอย่างงมงายเพราะว่าผีปูตาประจำหมู่บ้านนี่ดุร้ายแล้วก็เหี้ยนนักชาวบ้านต้องระมัดระวังตัวกันแจเพื่อไม่ให้ผีปู่ตาคุนเคืองอะจะเข้าไปไปป่าไปเก็บเห็ดเก็บผักหรือหาของป่า จะลืมบอกกล่าวผีปู่ตาไม่ได้จะป่าเสวะผิดที่ผิดทางก็ไม่ได้อีกเหมือนกันกระทั่งหักฟืนหักกิ่งไม้ทาให้บอกกล่าวเป็นเรื่องแน่ผีปูตาหมู่บ้านนี้เป็นผีขี้โมโหเจ้าทัวะอย่างรุนแรงหากกระทําผิดจะโดยเจตนาหรือไม่ก็าตามจะถูกผีปู่ตาลงโทษทันทีทําให้เจ็บป่วยหรืออาจจะทํำจนถึงตายชาวบ้านก็เลยกลัวกันนะัก ชาวบ้านต้องเส้นสูงต้องเวยด้วยหัวหมูไก่ต้มแล้วก็อาหารคาวหวานพร้อมด้วยเหล้าไม่ได้ขาดก็ทําสืบเนื่องกันมาหลายชั่วอายุคนเมื่อหลวงปู่สีโหมาพักในป่าชาของหมู่บ้านแล้วก็รับรู้ความเฮี้ยนของผีปู่ตาอีกทั้งยังเห็นชาวบ้านไม่ว่าผู้หญิงผู้ชายประพฤติปฏิบัติห่างไกลศีลธรรมเป็นอาจินดื่มสุรายามเมาสมุนหัวเล่นการพานันมีเรื่องทะเลาะวิวาทฟันแทงบาดเจ็บล้มตายกันไม่ได้หยุด เพราะว่าได้รับการสั่งสอนให้ดำเนินชีวิตผิดผิดโดยยึดถือความเก่งกล้าทั้งนักเลงอันถาลเป็นสิ่งที่น่ายกย่องดังนั้นชาวบ้านก็มีจิตใจห ย, ยาบกระด้างโหดเหี้ยมวันแทบทุกคนหลวงปู่ศรีโหก็รู้สึกสลดสังเวช ท, ที่เห็นชาวบ้านหมู่นี้หลงผิดในการเชื่อสิ่งที่ไม่ควรนับถือนั่นก็คือการนับถือผีแต่ละคนอยู่ด้วยความหวาดกลัวต่ออำนาจซึ่งไม่ให้คุณต่อชีวิตและยังทำบาป ด้การฆ่าหมูฆ่าไก่ไปเส้นทั้งเวอบ่อยไปบ่ อ, บอไม่มีการอบรมสั่งสอนให้รู้ดีรู้ชั่วสิ่งใดควรประพฤติสิ่งใดคว ร, ร, ะควรละเวน้นดังนั้นท่านก็เลยตั้งใจจะช่วยฉุดรั้งให้ชาวบ้านเหล่านี้หันกลับมาสู่วิถีทางที่ถูกที่ควรเสรียทีสิ่งแรกที่หลวงปู่ศีโหลงมือทําก็คือพาพระเนนไปที่ศาลปู่ตาซึ่งชาวบ้านเคารพนับถือแล้วก็เกงรงกลัวแล้วก็สั่งให้รื้อศาลลงมาจนทลายราบไม่มีชิ้นดี เป็นการแสดงให้เห็นว่าผีปู่ตาไม่ได้มีอิทธิฤทธิ์เหนือกว่าพระรัตนตรยัยคือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ชาวบ้านทราบข่าวว่าพระทุดงไปรื้อสารปู่ตาพังราบหมดแล้วต่างก็โกรธแค้นแล้วก็หวาดกลัวว่าผีปู่ตาจะมาอรารวาดทำอันตรายพวกเขาซึ่งในคืนนั้นก็ปรากฏบรรดาพูดผีทั้งหลายแสดงฤทธิ์อรารวาจริงๆกล่าวคือมีเสียงกึกก้องเหมือนกับว่ามีวัวควายเป็นร้อย เป็นฝูงห่อตะบึงเข้ามาในหมู่บ้านเสียงประหลาดแต่ไม่มีตัวตนอย่างเนี้ยวนเวียนอยู่ในหมู่บ้านจนชาวบ้านไม่เป็นอันหลับอันนอนผู้คนแต่ละครัวเรือนเนี่ยซุกตัวอยู่แต่ในบ้านของตัวด้วยความตื่นกลัวชนิดหวั่นหนีดีฟอ่อไปตามตามกันนอกจากจะมีเสียงคลื่นครันสั่นสะเทือนไปทั่วหมู่บ้านแล้วยังมีเสียงกรีดร้องโหยหายดังระงมเยือกเย็นเซ็งแซ่ สประสำเนียงเหล่านั้นบ่งบอกให้รู้ถึงความเศร้าโศกเสียใจของผู้พลัดพรากไม่มีที่อยู่อาศัยเสียงโหยหวนหวีร้องหน้าสยองใจดังระงมอยู่ตลอดคืนจนกระทั่งเช้ามืดได้อารุณจึงแผ่วหายไปเช้า ว, วันรุ่งขึ้นชาวบ้านซึ่งเป็นชายชะกันมีอาวุธครบมือทั้งปืนแก๊ปทั้งมีดดาบส่วรวมตัวกันเป็นกลุ่มแต่ละคนก็มีความโกรธแค้นพระธุดงกรรมฐานที่ไปทาลายสาร ผีปู่ตาพวกเขาอย่างที่สุดจะหลังจากนั้นก็พากันยกกำลังมาที่ป่าชาซึ่งหลวงปู่สีโหแล้วก็คณะของท่านพักอยู่ด้วยความตั้งใจแน่วแน่ว่าจะประหารพระทูดงทุกรูปไม่ให้เหลือเมื่อถึงป่าชาเวลานั้นหลวงปู่กับพระเนนกำลังทำวัดชาชาวบ้านชายชกันซึ่งมีโทสะครอบงำก็รายร้อมคณะสงฆ์ไว้แล้วก็ประทับปืนเล็งไปที่ผู้สงศิล ซึ่งสงบสัมรวมเป็นปกติจากนั้นกนเหี่ยวไกลปืนดังกราวพร้อมกันแทนที่จะมีเสียงตึกกล้องกำมนาตกระสุนทะลวงก็าหาเป้ากลับมีแต่เสียงนกสับกระทบกับไม่มีปืนกระบอกไหนลั่นกระสุนเอาไปได้เลยแม้ว่าปืนจะด้านยิงไม่ออกแทนที่คนเหล่านั้นจะได้สติกลับบันดาลโทสะยิ่งขึ้นไปอีกพวกที่มีมีดมีดาบติดตัวมาก็กระชับอาวุธไรวิ่งเข้าหาพระเนนเพื่อจะฟันแทงให้ตายคามือ แต่พอวิ่งเข้าไปได้ไม่กี่ก้าวแข้งขาก็เกิดอาการชาวูบหมดความรู้สึกแต่ละคนหัวทิ่มล้มลงไปนอนกลิ้งเกลือกอยู่กับพื้นไม่มีเรียวมีแรงจะลุกขึ้นมาได้แม้แต่คนเดียวพวกใจบาปหยาบช้ามัมีสภาพเหมือนตายไปครึ่งตัวแข้งขาหมดแรงไร้ความรู้สึกจากฤทธิ์อภิญญาของหลวงปูส่สรีหูคราวนี้จิตที่แข็งกระด้างไม่รู้ดีรู้ชั่วก็เหลืออยู่แต่ความกลัวต่อฤทธิอ์อานาจของพระภิกษุที่อยู่เบื้องหน้า ต่างคนต่างก็กระเสือกกระสนกราบกรานอะ้ อ, อนวอนขอร้องให้ท่านเมตตาช่วยเหลือกันระงมไปหมดลุงปู่ศีโหเห็นคนเหล่านี้มีใจสิโรราบลงแล้วท่านก็ใช้โอกาสนี้กล่าวคำสั่งสอนอบรมให้เกิดสำนึกในทางธรรมอันถูกอันควรแต่พอสังเขตแล้วจึงกําหนดถอนกระแสจิตอันเนื่องจากฤทธิ์อภิญญาสลายไปสิน้นชายชะการเหล่านั้นก็รู้สึกตัวพร้อมกันเป็นปกติดังเดิมแต่และคนก็ก้มกราบ น, นมันสการด้วยความพะรักศรัทธายอย่างสูง แล้วก็น้อมรับคําอบรมสั่งสอนจากท่านอย่างสนิทใจในวันนั้นหลวงปู่ศีโหก็ให้ชาวบ้านมาประชุมพร้อมเพียงกันแล้วท่านก็ได้แสดงธรรมน้อมนําจิตใจคนทั้งหลายให้มายึดถือคุณแห่งพระรัตนตรยัยแทนการหลงงมงายเชื่อถือพูดผีดังแต่กอนจากนั้นก็ให้ชาวบ้านทั้งหญิงทั้งชายรับใจสรณะคมประกาศตนเป็นพุทธมามะกะโดยท่วนหน้า สำหรับความบาดกลัวที่ชาวบ้านยังหวาดสยองต่ออำนาจผีร้ายอยู่นั้นหลวงปู่สีโห่ก็ให้ไปขนทรายมาให้ท่านเสกแล้วก็ให้นำทรายเสกไปหว่านให้ทั่วหมู่บ้านนับจากนั้นก็ไม่เคยปรากฏมีผู้ผีใดๆมาอารวาดอีกเลยแล้วชาวบ้านหมู่บ้านนี้ก็เริ่มเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นเรื่อยๆประพฤติปฏิบัติอยู่ในศีลในธรรมตามควรแก่อัตภาพของตัวโดยตลอดมา ท่านบุฟังวันนี้ผมมีเรื่องแปลกๆจะเล่าให้ท่านูุฟังได้รับฟังบ้านยางเครือครับเป็นหมู่บ้านที่เต็มไปด้วยเถาวันป่าไมา้กรกคลึ้มไปหมดสมัยนั้นการคมนาคมยังไม่สะดวกบ้านยางเครือนี่อยู่ห่างจากอำเภอจตุรัสไปประมาณสักหกกิโลเมตรวัดบ้านยางเครือก็เป็นวัดที่อยู่ติดกําลำห้วยเป็นวัดที่ปลูกสร้างด้วยเสาตะเคียนใหญ่ใหญ่ขนาดคนโอบรอบ รวมถึงโรงธํรมด้วยประมาณสัก24ต้นเป็นที่น่าอัศจรรย์อยู่อย่างคือทุกวันพระเสาตะเคียนแทบจะทุกต้นนี่จะพากันตกน้ำมันตอนดึกๆจะแววเสียงเหมือนผู้หญิงร้องไห้บงังเสียงพูดคุยกันเป็นเชิงถามอะไรตอนมีอะไรเนี่ยซึ่งดังออกมาจากเสาตะเคียนแววๆพระที่อยู่ที่วัดจะได้ยินกันบ่อยส่วนมากจะอยู่ได้เฉพาะพระเก่าเท่านั้นนะ ส่วนพระใหม่ๆก็อยู่ได้น้อยรูปเพราะว่ากลัวผีะครับพระอาจารย์สีอโศกเถระหรือว่าหลวงปูส่สีชาวบ้านรู้จักดีท่านเป็นผู้มีวิชาตบ่าแก่กล้าไม่กุยโอ้โอวดเป็นผู้สำรวมชาวบ้านนับถือมากแล้วก็ท่านจำวัดอยู่ที่วัดบ้านอย่างเครือนี่แหละเทศกาลออกพรรษาผ่านไปทีนี้ก็ถึงฤดูน้ามากน้าก็ไหลเออล้นลาห้วยขึ้นมาถึงใต้ถุนวัด น้ำจะไหลาจากทิศเหนือของวัดลงสู่ทิศใต้ซึ่งมีโบสถ์อันเก่าแก่อยู่ติดลําห้วยวันดีคืนดีจะมีงูเหลือมขนาดใหญ่มานอนขดอยู่ในโบสถ์ชาวบ้านที่พบเห็นต่างก็กล่าวขานกันว่าเป็นงูเจ้าที่หรือว่างูผีขอนตะเกียนขนาดใหญ่สองคนโอบในมีอายุเป็นร้อยปีความยาวของขอนตะเกียนประมาณสิบสี่ซอกเมื่อตอนน้ําลดนี่ยังคงนอนสงบนิ่งอยู่ในลําห้วยหน้าโบสถ์ครั้นพอน้ํามา หอ น, นี้ก็กลับลอยขึ้นมาสงบนิ่งอยู่หน้าโบสในตอนกลางวันโดยไม่ไหลไปตามกระแสน้ําเหมือนกับไม่รู้ไม่ชี้ชาวบ้านก็ให้ฉายาว่าหอนตะเคียนผีหรือว่าเรือผีตะเคียนไม่มีใครกล้าขึ้นไปเล่นเพราะว่าทุกคนรู้ประวัติมันดีทุกๆปีที่น้ํามากและก่อนที่น้ําจะลดนี่จะต้องมีคนหรือไม่ก็วัวควายจมน้ําตายในลําห้วยแห่งนี้ซึ่งสภาพที่เห็นก็จะไม่ต่างกันคือศพจะขาวซีดตรวจ ด, ดูจะ เหมือนกับไม่มีเลือดอยู่ในตัวเลยชาวบ้านกลัวนักกลัวหนาบางก็ว่าโดนเงือกดูดพอตะวันโผลเพลแล้วความมืดก็ปกคลุมไปทั่วบริเวณวัดก็จะมีแต่แสงจันทร์จิ้งหรีดเอรายส่งเสียงร้องระงมบางมันคนจะตื่นเต้นกับสายน้ำนะครับบางตัวที่ถูกน้ำท่วมรูมัจะลอยขึ้นมาเหนือผิวน้ำแล้วก็ไต่าตามเสาขึ้นมาบนวัดส่งเสียงร้องจีดจ๊ดจีด๊ด เสียงน้าที่หน้าวัดก็ไหลาซาซาและพอสงัดคนสักหน่อยก็จะได้ยินเสียงน้ําแตกกระจายโครมครามครวมครามเหมือนมีใครลงเล่นน้ําตอนกลางคืนยิ่งนานก็ยิ่งดังแรงฟังเหมือนเสียงจอระเค้ฟาดถังแล้วหนักๆเข้าก็จะมีเสียงโครวมครามโครวมครามปนกับเสียงร้องโอก๊โกโขกโขกสลับกันไปเสียงดังไปไกลชวนให้หน่ากลัวชาวบ้านกลุ่มหนึ่งก็อดรนทนฟังเสียงประหลาดนี้ไม่ไหวก็ชวนกันมาที่วัด พอขึ้นไปบนกุฏิวัดก็เห็นพระเนนอยู่กันพร้อมหน้าทั้งหมดที่มาก็เข้าไปกราบหลวงปู่ศรีชาวบ้านคนนึงก็บอกกับหลวงปู่ศรีว่าหลวงปู่ครับได้ยินเสียงอะไรหรือเปล่าครับพวกผมกลัวเสียงอะไรหลวงปู่ผมอยากจะรู้ครับหลวงปู่ก็บอกว่าได้ยินพระเนนในวัดก็ได้ยินอยากจะรู้เหรอครับอ่าอยากรู้จะพาไปดู หลวงปู่พูดพร้อมกับลุกขึ้นเดินลงกุฏิไปพระเนนและชาวบ้านก็ติดตามไปพอถึงหน้าโบสถ์ริมฝั่งห้วยสิ่งที่ทุกคนอยากรู้อยากเห็นอ่าทุกคนมาได้รู้ได้เห็นแล้วถึงก็ยืนตัวสันงันงกกันเลยขอนตะเคียนขนาดใหญ่ที่สงบนิ่งอยู่หน้าโบสเมื่อตอนกลางวันตอนนี้กําลังร่าเริงอยู่กลางลําห้วยท่ามกลางสายน้ําไหลมันหมุนตัวพลิกไปพลิกมาปลุบปลุบปลบโล و, เหมือนกระ ท, ทาไทยแล้วเสียงโกโกโกกดังติดจนสามสี่ครั้งทุกคนก็อุทานว่าขอนตะเกียรรองได้ไว่าอย่างนั้นครัวที่น่าสิดเลยบางคนถอยหลังออกมาห่างๆหงลวงปู่ศรีก็ยืนสงบอยู่เหมือนเดิมไม่มีอะไรเกิดขึ้นแล้วแล้ว ล, วลวมาร้องได้ไงอะปู่ฮะปู่มาร้องทำไมอะมันลองดีมั่งใครลองดีของปู่ นางตะเกียนทุกคนได้ยินชัดเจนนิ่งเลยต่างคนต่างนิ่งจ้องดูขอนตะเคียนไม่กระพริบตาเดี๋ยวหนึ่งขอนตะเกียนค่อยๆสงบนิ่งและมันก็กําลังจะสําแดงอาสำแดงเดชต่อมันค่อยๆหันหัวทวนน้าเหมือนจะมีใครบังคับผังเสือเรืออย่างนั้นแหละมันค่อยๆลอยทวนกระแสน้ํามุ่งหน้าสู่ทิศเหนือหลวงปู่ศรีก็หันหลังกลับก้าวเดินเสร็จแล้วก็ท่านก็บอกว่า อา้าวใครอยากรู้ว่านางตะเกียนมันจะไปเที่ยวไหนเอ็งตามไปดูสิชวาวบ้านก็ไม่มีใครทําตามหลวงปู่บอกอ ะ, อะวิ่งกลับกัน น, ะนั้นนะ่ะส่งเสียงเจ้าเจ้าไม่เอาแล้วเรื่องอะไรรุ่งเช้าข่าวเรื่องขอนตะเกียนเล่นน้ำแพร่สะพัดไปวันนั้นชาวบ้านทาบุญกันหนาตาแล้วก็อยู่ๆเสียงชาวบ้านคนหนึ่งก็ดังขึ้น ไอ้ขอนตะเคียนกลับมาแล้วขอนตะเคียนกลับมาแล้วทุกคนก็วิ่งกรูลงมาจากวัดมาที่ท่าน้ําปรากฏว่าขอนตะเคียนกลับมาแล้วจริงๆมันลอยตามน้ามาเรื่อยๆแล้วก็มาแวะเข้าเทียบที่หน้าโบสถ์ที่เก่าก็แล้วงบนิ่งเหมือนกับไม่มีอะไรเป็นที่อศัศจรรย์ใจของผู้พบเห็นยิ่งนักหลังจากพระฉันอาหารเช้าแล้วชาวบ้านก็ต่างปรึกษาแล้วลงมติกันว่าควรจะเอาโซ่เนี่ยล่ามขอนตะเคียนไว้ดูซิว่ามันจะมีฤทธิ์เดชอีกไหม ก็นำความประสงค์นี่ไปเล่าให้หลวงปู่ศรีฟังหลวงปู่ท่านก็เห็นด้วยก็ให้หาโซ่มาพ ร, อร้อมกับกุญแจแล้วก็ทําการคล้องโซ่ล็อกกุญแจติดขอนปลายโซ่ก็เอามาล็อกติดกระสาบเขื่อนไม้อย่างแน่นหนาเสร็จแล้วหลวงปู่ก็กลับขึ้นกุฏิไปฝ่ายทิศสอนไอ้หมอนี่ปากดีอ่าปรากฏว่าไอ้ทิศสอนยืนฉี่รถหัวขอนปากก็พูดว่าแกนแนก่เลยอีตาเกียนเป็นไงเย็นสบายดีไหมตุ๊ย พอตกค่ำทิศสอนมีอาการชักตาตั้งโดยไม่รู้สาเหตุเสร็จแล้วก็ตายในที่สุดยังไม่ทันไรทิศจอยบ้านข้างวัดก็มีอาการสั่นนั่งตัวแข็งทื่อหลับตาไม่พูดไม่จาเอาแต่นั่งสั่นท่าเดียวฝ่ายในอ่วมเห็นท่าจะไม่ดีก็ไปหาหลวงปู่ศรีและเล่าให้ฟังหลวงปู่ก็คล้องผ้าแล้วเดินตามในอ่วมมาดูพอหลวงปู่ขึ้นไปบนบ้านปรากฏว่าไอ้เจ้าทิศจอย พูดออกมาเป็นเสียงผู้หญิงบอกมาแล้วไรตัวการแกรู้หรือเปล่าแกทําอะไรลงไปแกเก่งแน่ใช่ไหมหลวงปู่ได้ยินอย่างนั้นก็รู้อะไรเป็นอะไรก็บอกดีนางตะเคียนนี่แกจะกําแหงมากไว้หน่อยแล้วนะพระเจ้ายังไม่เว้นคิดจะลองดีหรื อ, อยังไงโอใช่สิถ้าข้าไม่แน่ข้าไม่มาถึงนี่อะไอสอนน่นมันตายเพราะใครฮ ะ, ฮะข้านี่แหละเอาชีวิตมันโทษที่มันบังอาจไปเยี่ยวรถหัวข้าไม่เคารพข้ามันสมควรตาย ให้จ่อยกับพวกก็เหมือนกันที่มันเอากล้าเอาโซ่ไปผูกเรือข้ารวมนั้งแกด้วยมันชี้หน้าด่าหลวงปู่ศรีโดยไม่เกรงใจเลยหลวงปู่ศรีบอกหน่อยนะอนยนังตักเคียนแกจะกำเริบหนักไปแล้วชาวบ้านก็เดือดร้อนไม่ใช่เพราะแกเหรอทุกๆปีที่คนต้องจมน้ำตายนี่แกบอกข้าสิเพราะอะไรเออก็แน่ละหลวงปู่ข้าเอาพวกมันไปเป็นบริวารเพราะถินนี้เป็นถินข้าทุกคนต้องเคารพข้า พวกแกมันรวมหัวกันเดี๋ยวข้าจะสั่งสอนพวกแกมันพูดแล้วก็ทะลึ่งพรวดขึ้นมาหมาจะบีบคอหลงปู่หลงปูระวังตัวอยู่แล้วก็ยกนิ้วชี้ข้างขวาจิ้มหมับก็ให้ที่หนาา้าผากไอ้จ่อยเสียงร้องกรี๊ดแสบก้วหูเลยแล้วร่างที่จ่อยก็ล้มตึงทีนี้เสียงนางัะเคียนก็ดังขึ้นอีกแกจะได้เห็นดีกับข้านะแกคอยดูนะไอ้พระแก่อย่าคิดว่าแกเอาเอ า, เอาโซ่ล่ามข้าได้นะฝากไว้ก่อนเถอะ ร่างที่จอยกระตุกสามสี่ทีก็ได้สติญาตพี่น้องช่วยปในพยาบาลเป็นการใหญ่หลวงปู่ก็เสกได้ที่จ่อยคล้องคอยังไม่ทันเท่าไหร่เหตุการณ์ไม่คาดฝันก็เกิดขึ้นเสียงน้ําที่หน้าโบสถ์ดังสนั่นเสียงโซ่กระทบกันเอี๊ยดอี๊ยดเอี๊ยดเสียงเสาเขื่อนหักเปะอ่าหักระฟ้าใส่น้ําดังตูมหลวงปู่บอกมันเล่นงานอีกแล้ว เสร็จแล้วท่านก็ก้าวลงบันไดมุ่งไปสู่ท่าน้ําหน้าโบสถ์ทันทีชาวบ้านที่ใจกล้าคนเดินตามหลวงปู่ไปสิ่งที่ทุกคนเห็นก็แทบชอ็อกเสาโซ่ขาดเสาเขื่อนหักซึ่งมันไม่น่าจะเป็นไปได้จริงๆทุกคนตาไม่ฝาน่ะบัดนี้ขอนตะเคียนไปหมุนคว้างอยู่กลางน้ําเหมือนกับเยาะเ ย, ะเยะ้ยหลวงปู่หันหลังกลับเดินขึ้นกุฏิไปชาวบ้านต่างก็แยกย้ายกันกลับอย่างชนิดอกสันหวั่นหายเลยทีเดียว คืนนั้นผีนางตะเคียนก็ปรากฏกายที่ห้องหลวงปูส่สีแต่ว่าหลวงปู่เตรียมการต้อนรับไว้แล้วผีนางตะเคียนก็ทําอะไรไม่ได้รุ่งเช้าหลวงปู่คิดว่าควรจะจัดการกับนางตะเคียนสักทีเพราะถ้าหากขืนปล่อยไว้คงไม่ดีแน่หลวงปู่ก็ถือขันน้ำมนต์พร้อมกับได้สายศิลมาที่ท่าน้ำหน้าโบสแล้วก็จัดการผูกสายศิลเข้ากับโซ่ที่ยังติดอยู่กับขอนตะเคียนแล้วก็โยงมาผูกกับต้นไม้ใกล้ๆฝั่งหลวงปู่ก็เอาน้ำมนต์พรมที่หัวขอนสามครั้ง ยืนบริกรรมสักพักแล้วก็กลับท่ามกลางเสียงวิภาควิจารของชาวบ้านเพราะตกคํำสิ่งที่ไม่น่าเชื่อก็ต้องเชื่อเพราะตลอดทั้งคืนไม่มีเสียงที่ชวนวหวาดผวาสายน้ำไหลเป็นปกติขอนตะเคียนยังสงบนิ่งไม่เล่นน้ำเหมือนกับแต่ก่อนนี้รุ่งเช้า ว, วันใหม่หลวงปู่ศรีก็บอกชาวบ้านในทำบุญแผ่มเมตตาให้นางตะเคียนบ้างทุกคนก็ปฏิบัติตามหลายวันผ่านไปก็ไม่มีเหตุการณ์อะไร ในคืนหนึ่งผีนางตะเคียนก็มาเข้าฝันหลวงปู่บอกว่านางมาขอลาไปสู่ที่แห่งใหม่จะไม่รบกวนใครอีกสิ่งใดล่วงเกินก็ขอกราบอภัยในแต่ละปีหากถึงฤดูการน้ำมากให้จัดทำเรือไฟในล่องไปให้ด้วยแล้วนางก็ก้มกราบหลวงปู่ก่อนที่จะจากไปนับตั้งแต่นั้นมาก็ไม่มีใครจมน้ำตายอีกไม่มีเหตุการณ์ดังแต่ก่อนขอนตะเคียนต้นนั้นก็เป็นขอนตะเกียนธรรมดาขีเล่นได้ เสาตะเคียนที่เคยตกน้ํามันทุกวันพระบนเสาบนสลาก็ค่อยๆจางหายไปขอนตะเคียนนี้เมื่อปี2527ยังคงเหลือซากอยู่พอมาปี2533ไม่ทราบว่าซากของมันไปไหนปัจจุบันวัดบ้านยางเครือคือวัดอําพรวันแล้วก็ได้สร้างใหม่เสาตะเคียนที่วัดยังมีอยู่แต่ว่าต้นไม่ใหญ่แล้วแต่ความศักดิ์สิทธิ์ยังคงมีอยู่หากมีการละเล่นมรดกต่างๆ ถ้าไม่จุดทู่บอกเจ้าที่ก่อนมรสพ น, น, นั้นก็จะเล่นไม่ได้ต้องมีเหตุขัดข้องปัจจุบันหลวงปู่ศรีท่านมรณภาพแล้วเมื่อท่านมีอายุได้แปดสิบปีส่วนบุคคลที่เอ่ยชื่อมาทั้งทิศจอยทั้งใครต่อใครเนี่ยนะครับก็ตายหมดแล้วล่ะครับคุณสมบูรณ์เป็นคนเล่าเรื่องนี้ให้ฟังครับเพราะว่าเหตุการณ์เนี่ยมันเกิดขึ้นที่บ้านของแกที่อยู่ติดกับวัดนี้เลยทีเดียวละ่ะ เมื่อไม่นานมานี้มีเรื่องแปลกๆกเกิดขึ้นที่วัดป่าเจริญธรรมหรือว่าบ้านสันขยอมตำบลยุ่าอำเภอสันป่าตองจังหวัดเชียงใหม่ท่านจเจ้าอาวาสวัดนี้ชื่อหลวงพ่อจำปีสัทธายุตโตครับเป็นพระเถระฝ่ายธรรมยุทธ์ท่านเคยเป็นสิทธิหลวงปู่ตื้ออ จ, จะละธรรมโมแล้วก็หลวงปู่แหวนนับได้ว่าเป็นพระสายปฏิบัติฝ่ายวิปัสนาธุระโดยตรง ที่วัดป่าเจริญธรรมแห่งนี้เคยมีเรื่องอัศจรรย์เกิดขึ้นโดยมีผีหรือว่าวิญ ญ, ญาณเนี่ยเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยเรื่องของเรื่องมีว่ามีโยมท่านหนึ่งนําเอาถ้วยชามจานจํานวนมากมาถวายให้หลวงพ่อจําปีเพื่อให้เป็นสมบัติของวัดมีถ้วยชามใส่ถุงปุ๋ยใบใหญ่มาสามถุงประมาณสามร้อยใบจานรับประทานอาหารอีกหนึ่งกระสอบใหญ่แล้วก็กระทะอีกสามสิบใบ หลวงพ่อจำปีท่านก็รับถวายแล้วก็ให้เอาไปเก็บไว้ในโรงครัวห้องเก็บถ้วยชามเครื่องใช้ในโรงครัวก็มีกุญแจใส่มั่นคงแข็งแรงแล้วก็มีคนของวัดเฝ้าอยู่สามคนคือในไพยในจันทร์แล้วก็ในตุม่มเวลาผ่านไปไม่นานนักปรากฏว่ า, ถ, วาถ้วยชามจานของโยมที่นำมาบริจาคซึ่งจัดใส่เค็งเอาไว้อย่างเป็นระเบียบหายไปหมดเกลี้ยงทุกใบ ตอนแรกก็พากันสงสัยว่าจะต้องมีขโมยเข้ามาลักเอาไปแต่ห้องเก็บของก็ใส่กุญแจเรียบร้อยแล้วก็ไม่มีรอยงัดแงะเป็นช่องโหว่ช่องว่างให้มุดก็ไปขนถ้วยชามได้แล้วที่น่าสงสัยยิ่งกว่าอะไรก็คือถ้วยชามจานจํานวนมากมายขนาดนั้นมันมีน้ําหนักชนิดทีคนคนเดียวนี่หมดปัญญาจะเอาไปได้นอกจากจะใช้คนถึงห้าหกคนช่วยกันแบกหามแล้วก็จะต้องขนใส่รถปิกอัพเท่านั้นถึงจะเอาไปได้ไกล แต่โรงครัวก็มีคนเฝ้าถึงสามคนในหัวขโมยจะหลุดรอดสายตาไปได้ย่งไรหลวงพ่อจำปีท่านรับทราบว่าถ้วยชามของวัดหายท่านก็เพียงแต่บอกญาติโยมว่าอุบาสกอุบาสิกาอ่าทุกท่านนะช่วยช่วยดูด้วยอ่าว่ามีข่าวคราวว่าใครเอาไปถ้ามีข่าวก็ช่วยมาบอกท่านเพื่อจะได้ตามไปเอามาคืนไม่ได้คิดถือโทษโกรธเคืองคนลักขโมยเอาไปแต่อย่างใด แต่ว่าไม่ปรากฏว่ามีข่าวคราวว่าใครใจบาปหยาบช้าแอบก็มาขโมยถ้วยชามวัดเพราะถ้ามีหัวขโมยหรือว่าบางอาจจะมาขนถ้วยชามไปจริงๆแสดงว่าไอ้หมอนี่กับพวกจะต้องติดยาเสพติดพวกของมึนเมาเหล่ากัญชายาบ้ามาอย่างใดก็อย่างหนึง่งและคนประเภทนี้ก็คงจะไม่ขโมยถ้วยชามหลายร้อยใบเอาไปใช้ใส่อาหารกินแน่นอนนอกจากขโมยเอาไปขายแลกเงินมาซื้อสิ่งเสพติดมาเสพ ซึ่งการนำถ้วยชามจำนวนมากๆไปขายอย่างนี้ไอ้เรื่องจะเก็บเป็นความลับก็คงทำไม่สำเร็จยิ่งเอาไปขายให้กับวัดวาอารามที่อื่นเนี่ข่าวก็จะยิ่งกระจายออกไปอย่างรวดเร็วจากปากแม่ครัวหรือว่าอุบาสกอุบาสิกาแน่นอนแต่ก็ไม่มีข่าวเรื่องถ้วยชามที่หายไปจากวัดป่าเจริญธรรมเอาซะเลยดังนั้นเมื่อเวลาผ่านไปทุกคนก็เลยลืมลืมเรื่องนี้ไปกระทั่งเวลาผ่านไปได้หนึ่งมันษา ถึงเดือนพฤศจิกายนเจ้าหน้าที่ของวัดประจําโรงครัวคือนายไพ่นจันนายต้มสามคนเนี่ยก็หน้าตาตื่นมารายงานหลวงพ่อจําปีบอกว่าถ้วยชามที่หายไปนะกลับมาอยู่ในโรงครัวเรียบร้อยแล้วถ้วยชามทั้งหมดมาวางไว้ที่เดิมเรียบร้อยครบถ้วนทุกใบแล้วก็น่าประหลาดที่สุดก็คือถ้วยชามเหล่านี้ไม่รู้ว่าใครขนมาคืนแล้วก็ขนเข้าไปในห้องเก็บของไนดะ้ยังไงเพราะประตูก็ใส่กุญแจเอาไว้หน้าต่างก็ปิดลงกรอนแน่นหนา ไม่มีช่องทางอื่นจะเล็ดลอดเข้าไปในห้องได้ทุกกรณีอีกทั้งไม่มีใครรู้ใครเห็นว่ามีคนแปลกหน้ามาที่โรงครัวของวัดเลยการหายไปของถ้วยชามจำนวนมากแล้วถ้วยชามเหล่านั้นได้กลับคืนมาวางไว้ที่เก่าครบถ้วนโดยไม่มีร่องรอยว่าใครเป็นคนเอาไปอย่างนี้เป็นเรื่องแปลกประหลาดเป็นที่น่าอัศจรรย์แล้วก็ไม่มีใครให้คาอธิบายได้ว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นเพราะอะไร แม้แต่หลวงพ่อจำปีก็ไม่สามารถจะเฉลยข้อสงสัยนี้ได้ท่านก็บอกสั้นๆแต่เพียงว่าเมื่อไม่มีคนเอาไปก็เป็นไปได้ไหมว่าผีจะมาขอยืมเอาไปสำหรับผีที่น่าจะมายืมถ้วยชามวัดเนี่ยผู้เฒ่าผู้แก่เขาก็คาดเดากันว่าคงจะเป็นผีที่อยู่ที่หนองน้ำโบราณใกล้วัดหนองน้ำแห่งนี้เป็นหนองน้ำใหญ่มีปลาซุกชุมมากเพราะไม่มีชาวบ้านไปจับเอามากิน แม้แต่เดินเฉียดใกล้ก็ยังไม่มีใครอยากจะเข้าใกล้เนื่องจากที่หนองน้ำเนี่ยผีดุเหลือเกินบริเวณหนองน้ำใหญ่นี้ถูกปล่อยให้รกเรือด้วยต้นไม้พงหญ้าแล้วก็หนองก็ตื้นเขินมากขึ้นทุกทีกระทั่งทางเทศบาลมาดำเนินการขุดลอกหนองน้ำพัฒนาขึ้นมาใหม่คนก็พูดกันว่าเป็นไปได้ไหมที่พวกผีซึ่งสิงสู่อยู่ที่ของอ่าหนองน้ำปิติยินดีเนื่องจากหนองน้ำสะอาดขึ้น ก็เลยจัดงานฉลองกันแล้วก็มายืมถ้วยชามของวัดไปใช้พอเสร็จสิ้นงานฉลองก็นํามาคืนไว้ที่เดิมอย่างครบถ้วนครับเรื่องผียืมถ้วยชามที่วัดบ้านสันขยอมหรือว่าวัดป่าเจริญธรรมเนี่ยยังเป็นที่กล่าวขวัญกันมาจนกระทั่งทุกวันนี้ว่าเป็นเรื่องแปลกหาสาเหตุความเป็นมาเป็นไปไม่ได้เลยครับ วัดสามก่ออําเภอเสนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยาครับเป็นวัดเก่าแก่โบราณตั้งแต่กรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานีวัดวาอารามที่ผ่านการสมัยมานานอย่างนี้ย่อมมีสิ่งเร้นลับแฝงเร้นอยู่และสิ่งเร้นลับดังกล่าวก็มีพลังเหนือโลกเกินกว่าที่ผู้ใดจะคาดเดาได้เช่นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับหลวงปู่พ่วงจเจ้าอาวาส รูปหนึ่งของวัดสามกอแห่งนี้สมัยหลวงปูป่พ่วงเป็นเจ้าอาวาสวัดสามกอเสนาสนะภายในวัดนี้ชำรุดสุดโซมแทบทุกอย่างพระเนนและศรัทธาญาติโยมซึ่งคอยดูแลอุปถัมภ์อุปถากวัดต้องช่วยกันซ่อมแซมให้คงสภาพเดิมอยู่เสมอโดยเฉพาะที่โบสถ์นั้นสุดโทมเหลือกำลังหลวงปูป่พ่วงจึงดาริจะซ่อมโบสถ์ให้ดีกว่าเดิม อันที่จริงดําริของหลวงปูป่พวงนั้นเป็นดําริที่ชอบแล้วเพราะเป็นความประสงค์ในทางที่ถูกต้องมีเจตนาจะบุรณะปฏิสังขรณ์โบสถ์ให้มีสภาพที่ดีกว่าเดิมแต่หลวงปู่ลืมจุกคิดไปว่าภายในวัดสามกอยังมีสิ่งเร้นลับแอบแหฝงอยู่สิ่งเร้นลับนั้นก็คือเจ้าที่หรือว่าพระภูมิซึ่งเป็นเทวดาในระดับหนึ่งทําหน้าที่ดูแลรักษาโทรณีสง์และาศาสนวัตถุทั้งหลายภายในขอบ เขตพัทสีมาทั้งหมดหลวงปูป่พ่วงตั้งใจจะซ่อมโบสถ์ก็ตต่สินใจปุ๊บปั๊บสั่งให้รื้อหลังคาโบสถ์ทันทีไม่มีการบอกกล่าวประกาศเจตนาว่าจะทำอะไรต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือว่าเจ้าที่เจ้าทางผู้ดูแลวัดเทวดาหรือว่าพระภูมิเจ้าที่นั้นแม้จะเป็นจิตวิญญาณของผู้ที่ประกอบกุศลความดีมาไม่น้อยและด้วยเหตุแห่งกุศลความดีนั้นเป็นปัจจัยส่งผลให้ เมื่อตายไปจากโลกมนุษย์แล้วก็มาผุดเกิดในกำเนิดของเทวดามีหน้าที่รักษาวัดวาอารามในพระพุทธศาสนาแต่กระนั้นเทพหรือ ว, ว่าเทวดาก็ใช่ว่าจะต้องขาดจากกิเลสหมดสิน้นจิตของเทวดาก็ยังมีโลภมีโทสะมีโมหะอยู่เมื่อหลวงปู่พ่วงสั่งหรือโบทโดยไม่ได้บอกกล่าวใดๆทั้งสิน้นหลวงปู่ก็เลยเจอเข้า กับอิทธิฤทธิ์ของเทวดาเข้าเต็มที่นั่นก็คือยังไม่ทันจะรื้อโบสถ์สำเร็จเสร็จสิ้นหลวงปู่พ่วงก็เกิดไม่สบายกระทันหันมีอาการแน่นหน้าอกหายใจไม่ค่อยออกคล้ายๆอาการน้องคนเป็นโรคขืนหายใจหอบสูดลมเข้าปอดแทบจะไม่ได้ตอนแรกก็ยังพอนอนได้ต่อมาอาการหอบกพกลับทวีมากขึ้นจนนอนราบไม่ไหวต้องลุกขึ้นมานั่งกอดโอ่์ยึดโอค ง, งไว้เป็นหลัก เวลาผ่านไปอาการหอบก็ยิ่งหนักข้าทุกทีคราวนี้นั่งไม่ได้ต้องยืนลูกเส์ ต, ต้องเอาเชือกผูกกับคือลงมาเพื่อให้หลวงปูพ่พวงยืนโหนเชือกหายใจหอบอย่างหน้าเวทนามาถึงขั้นนี้แล้วหลวงปูพ่พวงก็ทนไม่ไหวเพิ่งฉุกคิดขึ้นมาได้ว่าอาการไม่สบายของตัวเองคงจะมีสาเหตุจากการรื้อโบสถ์เป็นแน่ก็เลยบอกพระลูกวัดไปอาราธนาขอความเมตตาจากหลวงพ่อปานโสณัฐวัดบางนมโคมาด่วน เมื่อหลวงพ่อปานทราบเรื่องหลวงปูป่พ่วงจากพระลูกวัดสามกอท่านก็รีบมาช่วยแก้ไขให้มาถึงวัดสามกอแล้วหลวงพ่อปานก็ได้สั่งให้ปลูกสิ่งสังเวยเทวดาอย่างนั้นก็เจริญสมาธิติดต่อโอปติกะคือเทวดาที่รักษาบทอัญเชิญให้มาสถิต ท, ที่ศาลเพียงตาแล้วก็นิมนต์พระมาสวด อาการหายใจหอบของหลวงปู่พ่วงก็ค่อยๆทุเลาลงจนกระทั่งหายไปในที่สุดแสดงว่าเทวดารักษาโบสถ์ได้สลายอิทธิฤทธิ์อันเนื่องจากโทสะไปแล้วเมื่อหลวงปู่พ่วงหายเป็นปกติหลวงพ่อปานก็ได้ตักเตือนท่านว่าวัดสามกอเนี่ยเป็นวัดเก่าแก่บบราณมีอาถรรพ์แรงนักอีกทั้งปูมดวงวัดก็กล้าแข็งโอปาติกะหรือว่าเทวดารักษาวัดมีฤทธิ์มากถ้าจะทําอะไรก็ควรจะบวงสรวงบอกกล่าว ตามประเพณีโบราณซะก่อนจึงจะสำฤทธิ์ผลแล้วก็ประสบความเจริญรุง่งเรืองแต่ถ้าคิดจะทำอะไรตามอําเภอใจหรือไม่สุจริตอย่างหนึ่งอย่างใดจะประสบภัยอันตรายรุนแรงอย่างคาดไม่ถึงทีเดียวหลวงปู่พ่วงท่านก็รับฟังด้วยความเชื่อถือแล้วก็รับปากจะไม่ทำอะไรนอกลูก่นอกทางอีกครั้นเวลาล่วงไปเกิดมีหมอเสยศาสตร์ไปได้ลายแทงขุมทรัพย์จากทางเหนือมา ในลายแทงระบุว่ามีทองคำฝังไว้ในวัดสามกอก็มาชักชวนหลวงปู่พ่วงขุดเอาทองคำอันที่จริงหลวงปู่พ่วงควรจะบอกกล่าวห้ามปรามไม่ให้หมอศยศาสตร์คิดล่วงและเมื่อรัพ์ซึ่งมิใช่ของตนและประการสำคัญยิ่งกว่าอื่นใดก็คือ อ, อิทธิฤทธิเดช ข, ของเทวดาหรือว่าเจ้าที่วัดเนี่ยหลวงปู่พ่วงก็ได้ประจักษ์แก่ตัวเองมาแล้วจนแทบจะเอาชีวิตไม่รอด ท่านถูกหมอเศยศาสตร์พูดจากล่อมเกล้าวประเล่าประโลมให้ร่วมมือกันขุดเอาทรัพย์ที่ฝังซ่อนอยู่ในดินขึ้นมาแบ่งกันหลวงปู่พ่วงก็เกิดความโลภเห็นดีเห็นงามตามไปด้วยทั้นเมื่อตกลงปรงใจอย่างนี้หลวงปู่พ่วงกับหมอไศยศาสตร์ก็จัดแจงหาคนมาช่วยกันขุดหาทองคําทันทีและจุดที่ลายแทงระบุว่ามีทองคําฝังอยู่ก็คือบริเวณด้านหลังศาลเพียงตาที่หลวงพ่อปานได้จัดให้สร้างขึ้น แล้วก็อัญเชิญพระภูมิเจ้าที่มาสถิตรับเครื่องเส้นสังเวียนนั่นเองขุดค้นหาทรัพย์มีค่าใต้ดินยังไม่ทันได้พบแม้แต่เศษทองหลวงปู่พ่วงก็เกิดไม่สบายมีอาการหายใจหอบเหมือนเดิมอีกแลอาการหายใจหอบที่ว่าในดูเหมือนจะกำเริบกล้าอย่างรวดเร็วหลวงปู่พ่วงก็ล้นลานให้พระลูกวัดรีบไปนิมนต์หลวงพ่อปานมาช่วยอีกหลวงพ่อปานนั่นก็รีบมาแล้วก็จัดพิธีขอคมา มีดอกไม้ทูกเทียนและหัวหมูซ้ายขวาเป็นเครื่องเส้นสังเวยทว่าการทำพิธีขอขมาลาโทษต่อพระภูมิเจ้าที่ครั้งนี้ไม่ได้ผลอาการหอบของหลวงปู่พ่วงไม่ยอมผ่อนเพลาทุเราลงแม้แต่น้อยอีกไม่กี่ชั่วโมงตอม่อมาอาท่านก็ถึงแก่มรณภาพส่วนหมอไสยศาสตร์ที่เป็นตัวต้นเหตุก็หนีหายไปด้วยความกลัวเมื่อประจักษ์ต่ออิทธิฤทธิ์ของเทวดาพระภูมิเจ้าที่วัดสามกอ ที่กระทําแก่หลวงปู่พ่วงถึงขั้นดับชีวิตสิ้นลมหายใจในลักษณะทุกทรมานน่าเวทนาหลวงพ่อปานเองก็เสียใจที่ท่านไม่อาจจะช่วยชีวิตหลวงปู่พ่วงเอาไว้ได้เพราะเทวดาหรือพระภูมิเจ้าที่ไม่ยอมให้อภัยอีกที่เกิดเหรุนแรงถึงชีวิตอย่างนี้ก็เนื่องจากหลวงปู่พ่วงละเมิดศีลทําผิดเสีเองทั้งที่ควรรู้ว่าทรัพย์ใต้ดินนั้นมีเจ้าของถือครองอยู่ถึงแม่เจ้าของจะเสียชีวิตไปนานแสนานานแล้วก็ตาม แต่วิญญาณเจ้าของทรัพย์ที่ยึดมั่นยึดติดอยู่ในทรัพย์สมบัติอย่างเหนียวแน่นย่อมไม่อาจจะไปผุดไปเกิดในกำเนิดที่กวรจะเป็นไปแต่กลับเป็นวิญญาณทรมานมาวนเวียนเฝ้าทรัพย์ของตัวด้วยความหวงซึ่งมักจะเรียกว่าหลวงปู่าว่าปู่โสมเฝ้าทรัพย์หากมีใครมาขุดค้นเพื่อหวงอังจะนำทรัพย์นั้นไปก็จะแสดงฤทธิ์ปกป้องทรัพย์สมบัติของตัวทุกวิถีทางด้วยความโกรธ หรืออีกในกรณีหนึ่งวิญญาณเจ้าของทรัพย์ไปผุดเกิดในกำเนิดตามกรรมของตัวแล้วทรัพย์นั้นมีวิญญาณอื่นก็มาช่วยดูแลรักษาไว้เพื่อจะรอคอยให้เจ้าของเดิมกลับมารับคืนแต่เมื่อมีผู้อื่นมาขุดค้นเพื่อจะยึดครองทรัพย์นั้นทั้งที่ตัวเองไม่มีสิทธิ์โดยชอบธรรมวิญญาณที่เฝ้าดูแลรักษาก็อาจจะหัดหวังทำร้ายเอาถึงตายได้สำหรับทองคําทรัพย์ในดินที่หมอเศรศาสตร์ไปได้ลายแทงมานั้น เชื่อแน่ว่าต้องมีเจ้าของแต่จะเป็นวิญญาณของเจ้าของทรัพย์เดิมหรือเป็นวิญญาณที่เฝ้าดูแลรักษาแทนนี่ย่อมยากจะชี้ชัดลงไปได้การที่หลวงปู่พ่วงผลีพผลมร่วมลงมือกุดาเจตนาเอาทรัพย์นั้นโดยพราการก็เท่ากับผิดศีลข้ออธินาคือเบียดเบียนลักขโมยทรัพย์ของผู้อื่นเป็นความผิดขั้นร้ายแรงสาหรับพระภิกษุถึงขั้นต้องอบัติป ร, ราศิษขาดวามเป็นพระในบรดล เหตุนี้หลวงพ่อปานแห่งวัดบางนมโคจึงหมดทางช่วยชีวิตหลวงปู่พ่วงเอาไว้ได้ครับนี่ก็เป็นเหตุการณ์อีเหตุการณ์หนึ่งที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับเรื่องของจิตวิญญาณครับ ท่านผู้ฟังเคยได้ยินชื่อหลวงปู่ดูปรมปัญโยวัดสแกตำบลธนูอําเภออุทัยจังหวัดพระนครศรีอยุธยาไหมครับเรื่องที่ผมจะเล่าให้ฟังวันนี้เป็นเรื่องของวิญญาณที่เข้ามาเกี่ยวข้องกับหลวงปูด่ดูแม้ว่าเรื่องนี้จะไม่ใช่ประสบการณ์ของท่านตอนที่เดินทุดง แต่ก็เป็นเรื่องของวิญญาณของคนที่ตายไปแล้วแต่ยังวนเวียนคาบเกี่ยวอยู่ในระหว่างโลกมนุษย์และโลกวิญญาณแต่ด้วยอํานาจแห่งโมหะคือยังหลงอยู่ในกิเลสตัณหาไม่รู้ว่าตัวเองได้ตายไปแล้วเรื่องของเรื่องมีว่ามีครอบครัวหนึ่งอยู่อํเาเภอนครหลวงจังหวัดพระนครศรียุธยาครอบครัวนี้อยู่ด้วยกันมาด้วยความปกติสุขจนกระทั่งวันหนึ่งลูกสาวคนหนึ่งไปทุรนนอกบ้าน พอกลับมาถึงบ้านก็ล้มฟุบลงเหมือนกับคนหมดสติกระทันหันพ่อแม่ญาติพี่น้องก็พากันตระนกตกใจก็รีบเข้ามาประถมพยาบาลกันเป็นโกลาหลขั้นลูกสาวฟื้นคืนสติกลับมีลักษณะท่าทางผิดแปลกไปจากเดิมเหมือนกับคนละคนแววตานี้ขุ่นขวางน่ากลัวเวลาเอ่ยปากพูดออกมาน้ำเสียงก็เปลี่ยนเป็นแหบหารวมทั้ง้อยคาวาจา ก็เป็นคนอื่นพูดมีการเรียกเอาอาหารสดอาหารขาวมากินอย่างมูมามเหมือนกับอดอยากหิวโหยมาช้านานพ่อแม่เห็นลูกสาวมีกิริยาวาจาผันแปรไปอย่างกระทันหันอย่างนี้อีกทั้งยังพูดกันไม่รู้เรื่องไม่รู้ความเหมือนกับคนเสียสติก็รู้แน่ว่าคงจะมีวิญญาณร้ายมาเข้าสิงก็เลยออกไปตระเวนหาหมอผีผู้มีวิทยาคม มาขับไล่วิญญาณที่เข้าสิงนี่ให้ออกไปเมื่อหมอผีมาถึงบ้านแล้วก็เริ่มทําพิธีไล่ผีด้วยวิชาอาคมผีที่เข้ามาสิงลูกสาวก็รีบถอนถอยหนีออกไปง่ายๆก็ทําให้พ่อแม่ญาติพี่น้องโล่งอกโล่งใจก็คิดว่าเหตุร้ายคงจะยุติลงเพียงแค่นี้ที่ไหนได้อีกไม่กี่วันต่อมาวิญญาณร้ายหรือว่าผีตัวเก่าเนี่ยก็มาเข้าสิงลูกสาวอีก คราวนี้ถึงกับประกาศว่ามันคือวิญญาณของผู้ชายคนหนึ่งที่ถูกยิงตายบริเวณหลังวัดใกล้ๆบ้านเมื่อลูกสาวเจ้าของบ้านรายนี้เดินผ่านไปมันก็เกิดความพอใจรักใคร่ต้องการจะได้ไปเป็นเมียอตั้งใจจะเอาไปเป็นเมียให้ได้คราวนี้พ่อแม่ญาติพี่น้องเขาก็ยิ่งตื่นตกใจเพราะถ้าผีตายโหงที่มาเข้าสิงถึงขั้นจะเอาลูกสาวตัวไปเป็นเมียอย่างนี้ก็เท่ากับวิญญาณร้ายนี่มีเจตนาจะทำให้ถึงตายแน่แน ผู้เป็นพ่อแม่พยายามพูดจาอ้อนวอนกับวิญญาณผีไตห่วงที่สิงร่างลูกสาวให้ละเว้นเจตนาซึ่งเป็นทุจริตคิดร้ายนิสียแต่ว่าวิญญาณผีไตห่หงไม่สนใจใหญ่ดียังคงยืนกรานตามความประสงค์ของมันไม่เปลี่ยนแปลงพ่อแม่หญิงสาวก็ต้องตะเวนหาหมอผีผู้มีสยเว้นอาคมขังมาขับไล่วิญญาณร้ายให้ออกไปจากร่างลูกสาวหาไปทั่วทิศ แต่ก็ไม่มีใครทำสำเร็จเด็ดขาดแม้แต่รายเดียวหมอผีบางคนที่วิชายังไม่แก่กล้าวิญญาณผีต้ยหงตัวนี้ก็ยิ่งไม่ยำเกรงแม้แต่น้อยจะเสกคาถาอาคมศาสตร์น้ำมนต์เข้าใส่ยังไงมันก็วางเฉยจนฝ่ายหมอผีนี่ต้องพ่ายแพ้ไปเองถ้าหมอผีคนไหนมีพลังวิชาอาคมเข้มขัังวิญญาณร้ายก็จะรีบถอนออกจากร่างหญิงสาวที่มันปรารถนาจะได้เป็นเมียไปไง่าย ทำทีเหมือนกับเกรงกลัวอำนาจเหลือหลายแต่พอหายไปสักพักมันก็จะย้อนกลับมาสิงใหม่ที่น่าประหลาดก็คือแม่หญิงสาวจะมีพระเครื่องของขังได้สายสินลงอาคมติดตัวเต็มคอเต็มแขนเพื่อจะคุ้มครองป้องกันตัวยังไงวิญญาณผีร้ายตนนี้ก็ยังเข้ามาสิงยนได้แล้วก็น่าเวทนาหญิงสาวเคราะห์ร้ายรายนี้ที่วิญญาณเจ้าผีไตหงตนนี้จับจ้องหมายปองชนิดไม่ยอมเลิกรา ก็ทำให้เธอเทบจะเสียสติด้วยความหวาดกลัวเพราะไม่รู้ว่ามันจะมาเข้าสิงอีกเมื่อไรเวลาที่ถูกผีสิงในหญิงสาวจะมีอาการเหมือนจะเป็นลมหมดสติไม่รู้สึกตัวว่าได้ทำอะไรลงไปบ้างตราบกระทั่งวิญญาณผีไตห่วงถอนออกไปเมื่อไรเมื่อนั้นแหละสติสัมปชัญญะถึงจะกลับคืนมาเป็นปกติเหมือนเดิมเป็นเวลา น, านานถึงสามปีเต็ม ที่หญิงสาวนี่ถูกวิญญาณผีร้ายนี่เข้าสิงไม่ขาดระยะสภาพของเธอเนี่ยไม่ผิดอะไรกระตกเป็นธาตุผีใต้หงที่มันจะมารังควานเป็นพักๆชนิดไม่มีทางหลบหนีไปไหนเพราะไม่ว่าจะแอบซ่อนอยู่ที่ไหนหนีไปอยู่บ้านญาติวิญญาณร้ายก็จะติดตามไปเข้าสิงจนได้กระทั่งผู้หญิงคนนี้วหวาดภวาไม่เป็นอันกินอันนอนร่างกายผายผอมสุดซมลงอย่างน่าใจหาย แล้วก็ภาวะที่น่ากลัวเนี่ยได้กดดันบีบขั้นครอบครัวนี้ให้เผชิญกับความทุกข์ทรมานใจอย่างแสนสาหัสผู้เป็นพ่อนิโกรธแค้นวิญญาณผีไตหงที่ตามรังควานลูกสาวไม่ยอมเลิกถึงกับระเบิดโทษะออกมาคู่ว่าจะยิงผีร้ายให้แหลกกระจายขามือแทนที่วิญญาณซึ่งมาเข้าสิงลูกสาวจะหวาดหวัน่นพ่านพึงมันกรับย่ะเย้ยท้าทางให้ยิงมันได้เลย เพราะถ้ายิงมันก็เท่ากับยิงลูกสาวตัวเองลูกใครจะกล้าทำการที่วิญญาณผีไตรหงมาเข้าสิงหญิงสาวอย่างต่อเนื่องเป็นเวลายาวนานอย่างนี้โดยไม่มีอำนาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์ใดๆมาขัดขวางมันได้อาจจะเป็นเพราะวิบากที่เธอผู้นี้กับวิญญาณคดชายผู้ซึ่งถูกยิงตายเนี่ยมีกรรมพัวพันต่อ ก, กันและถึงวาระจะต้องชดใช้จึงไม่สามารถสกัดกัน้นหรือว่าหยุดยั้งในทุกกรณีแล้วถ้าหากมาได้รับ ความช่วยเหลือให้ผ่อนคลายให้ผ่านพ้นวิบากนี้ก็เชื่อได้เลยว่าผู้หญิงคนนี้คงจะต้องถึงแก่ชีวิตอย่างแน่นอนหรือว่าเหตุที่เกิดนี้อาจจะเนื่องจากวิญญาณผีไตหงเพราะถูกผู้อื่นยิงตายเนี่ยโดยสิ้นชีวิตหรืกรรมมาตัดรอนก่อนถึงอายุไขวิญญาณก็กลายเป็นผีเร่ร่อนไม่รู้จะไปทางไหนจิตของมันยังหลงมัวเมาอยู่ในกามตัณหามีความอยากในกิเลสราคะรุนแรงจนไม่อาจจะแยกผิดชอบชั่วดี ไม่รู้ว่าผู้หญิงกับตัวในอยู่เปนคนละพบคนละภูมิมีอัตภาพที่แตกต่างกันครั้นมีความปรารถนาในหญิงสาวที่ตัวพึงพอใจก็กระทําทุกวิถีทางที่จะครอบครองเอามาเป็นของตัวแม้กระทั่งพยายามเบียดเบียนถึงขนาดจะเอาชีวิตผู้หญิงคนนี้เสียแต่ว่าสนากรรมดีของผู้หญิงคนนี้ยังมีอยู่อวิญญาณผีตายโหงก็เลยยังทําลายล้างชีวิตของเธอไม่ได้แล้วเหมือนกับจะเป็นวาระ ที่เธอจะหลุดพ้นจากเงื่อเงาของวิญญาณรายก็มีคนรู้จักกับพ่อของผู้หญิงคนนี้มาบอกว่าควรจะไปขอความเมตตาจากหลวงปูด่ดูพรหมปัญโยวัดสแกเธอเพราะว่าท่านเป็นพระที่มีจิตตานุภาพสูงมากอาจจะช่วยขจัดปัดเป่าวความทุกข์ทรมานที่ย่ำยีบีทาลูกสาวผู้เป็นพ่อก็ตกลงใจเดินทางไปวัดสแกทันที วันที่พ่อของผู้หญิงที่ถูกวิญญาณผีไโหงเข้าสิงไปถึงวัดสแกหลวงปู่ดูกำลังพูดคุยอยู่กับลูกศิษย์คนหนึ่งของท่านพอพ่อของผู้หญิงคนนี้ไปถึงก็ไปกราบน้ำสการท่านหลวงปู่ก็ทักทายปราัสถามไถ่ว่าอยู่ที่ไหนละ่ะมีเรื่องอะไรถึงได้มาที่นี่ชายผู้แบกทุกเรื่องลูกสาวก็เล่าถวายเนื้อความที่มีวิญญาณผีไตหงตามรังควานลูกสาวให้ท่านฟังโดยละเอียด ลงท้ายด้วยการขอความเมตตาจากท่านช่วยกรุณาปเปลื้องทุกข์ให้ด้วยหลวงปู่ดูท่านคนนั่งรับฟังเงีย บ, เ, ยบเมื่อทราบจุดประสงค์ของผู้เป็นพ่อท่านก็หันไปบอกลูกศิษย์ที่นั่งอยู่ใกล้ๆบอกว่าเ อ, อ้ยแกช่วยเขาตีตัวเขาบุญลูกศิษย์ของท่านผู้นี้เป็นผู้ปฏิบัติธรรมทําความเพียรทางจิตอยู่กับหลวงปูด่ดูมานานพอสมควรเป็นที่ไว้วางใจของหลวงปู่เขาก็ประนมมือรับคําหลวงปู่ พ่อของผู้หญิงก็รีบ น, นมัศการเรียนถามหลวงปู่ว่าจะให้นําตัวลูกสาวมาที่วัดนี้หรือเปล่าหลวงปู่ก็บอกว่าไม่ต้องจากนั้นหลวงปู่และสิทธิ์ของท่านก็นั่งหลับตาเจริญสมาธิสงบจิตพร้พรอมๆกันที่ตรงนั้นแหละไม่ได้เคลื่อนย้ายไปที่ไหนหรือว่าให้จัดเครื่องสกสาระบัตรพรีมาประกอบพิธีอย่างใดแม้แต่ดอกไม้ธูปเทียนก็ไม่มีแม้แต่สิ่งเดียว พ่อของผู้หญิงคนนั้นก็แอ บ, บคิดลังเลสงสัยว่าเออหลวงปู่ดูจะช่วยลูกสาวให้พ้นจากอำนาจผีร้ายได้ยังไงเพราะไม่เห็นมีทำพิธีกรรมอะไรสักอย่างไม่เหมือนพวกหมอผีมีวิชาอาคมที่เขาทำกันมาเวลาผ่านไปไม่ถึงอึดใจหลวงปู่ดูท่านก็พูดขึ้นบอกกับลูกศิษย์สองท่านบอกว่าเออเรียกวิญญาณมันมารับบุญหลวงปู่ทวดแล้วก็มารับบุญค่า ให้โมทนาซะจะได้ไปดีเป็นผีก็ไปเอาเมียผีสิไม่ใช่จะเอาเมียคนรับบุญไปมันจะได้ไปได้เมียนางฟ้านนท์นางฟ้ามีเยอะแยะเออแล้วดูด้วยนะว่าผีมันรับแล้วหรือยงังลูกศิษย์ของท่านนั่งสงบนิ่งอยู่ในสมาธิเพื่อจะติดต่อกหลวงปู่ดูโดยจิตจากนั้นหลวงปู่ก็บอกกันอีกบอกว่าเออรับแล้วใช่ไหมไปเกิดซะเออเอาะ่ะหมดเรื่อง พ่อของผู้หญิงที่ถูกวิญญาณผีไตหงเข้าสิงเนี่ยแม้ว่าจะเคารพศรัทธาหลวงปู่ดูแค่ไหนก็ยังไม่วายลงเลลังเลสงสัยว่าเอ๊ะบา ร, รมีหลวงปู่นี่จะช่วยลูกสาวให้พ้นอำนาจผีได้ยังไงเพราะไม่เห็นท่านประกอบพิธีที่ชวนให้เกิดความขลังได้อย่างไดอีกทั้งลูกสาวก็อยู่ไกลถึงอำเภอนครหลวงซึ่งท่านก็ไม่รู้ว่าบ้านเรือนตั้งอยู่ที่ไหนกิริยาอาการที่วิญญาณผีไตหงเข้าสิงลูกสาวเป็นยังไงท่านก็ไม่รู้ แล้วก็ท่านไม่รู้ได้ซ้ําว่าเป็นลูกสาวคนไหนเพราะของตัวที่ถูกผีสิงเพราะมีตั้งหลายคนเมื่อเป็นอย่างนี้นะ่ะผีไตโหงมันจะกลัวหลวงปู่ถึงก็ยอมพะละหนีไปจากลูกสาวง่ายๆได้ยังไงเมื่อหลวงปู่ดูแล้วสิทธิ์ถอนจิตจากสมาธิเสร็จแล้วสิทธิ์ของท่านก็บอกกับพ่อผู้หญิงคนนั้นบอกว่าเออนาตอนนี้เขาไปเกิดแล้วละ่ะผีเป็นเหตุน่ากลับบ้านไปลองดูนะ ถ้าลูกสาวไม่เป็นอะไรก็แสดงว่าหายพ่อของหญิงสาวก็ก้มกราบหลวงปู่ดูด้วยความยินดีแล้วก็นำมาสการกราบลากลับไปบ้านตัวที่อำเภอนครหลวงเวลาผ่านไปเกือบเดือนผู้ชายคนเดิมเนี่ยก็เดินทางมาที่วัดแล้วก็เข้าไปกราบนมาสการหลวงปู่ดูด้วยสีหน้าอิ่มเอิบแจ่มใสแล้วก็รายงานบอกว่าเออลูกสาวผมหายดีแล้วครับหลวงปู่ครับตั้งแต่วันนั้นไม่มีอาการผีสิงอีกเลย เพราะหลวงปู่เมตตาไว้แท้ๆเลยบารมีธรรมของหลวงปู่ดู่พรมบรญโยเรื่องวิญญาณผีไตหงเข้าสิงผู้หญิงที่อยู่อำเภอนครหลวงเนี่ยเป็นการแสดงให้เห็นถึงจิตตานุภาพเป็นอัศจรรย์ของผู้บำเพ็ญธรรมระดับสูงแล้วก็บ่งชี้ให้รับรู้อีกประการหนึ่งนั่นก็คือวิญญาณของผู้ตายที่ตายไปในลักษณะไม่ปกติ ตายเพราะมีกรรมมาตัดรอนกอนที่จะถึงอายุไขวันตายของตัวย่อมไปผุดไปเกิดในภพภูมิอื่นต่อไปไม่ได้ต้องวนเวียนทุกทรมานอยู่ในมิติของวิญญาณที่คาบเกี่ยวกับโลกมนุษย์อีกทั้งยังมืดมัวด้วยกิเลสตัณหาหลงอยู่ในโมหะอวิชชาไม่ยอมรับรู้ตามความเป็นจริงไม่รู้ว่าตัวเองตายไปแล้วอัตภาพก็ผิดแผกแตกต่างจากมนุษย์ไม่อาจจะสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับมนุษย์ได้ในทุกกรณี เหตุนี้เมื่อกิเลสกรรมฟูขึ้นมากับหญิงสาวที่ตัวหมายปองจึงได้ตามรังควานสร้างความทุกข์แก่ผู้อื่นนานถึงสามปีหลวงปู่ดูนี้ท่านเป็นชาวอายุธยาโดยกำเนิดท่านเกิดเมื่อวันที่สิบพฤษภาคมปีพุทธศักราชสองพันสี่ร้อยสี่สิบเจ็ดครับวันศุกร์ขึ้นสิบห้าค่ำเดือนหกปีมะโรงซึ่งเป็นวันเพ็ญ ว, วันวิสาขะพอดี ท่า น, นเกิดในตระกูลหนูสีเกิดที่บ้านเข้าเม่าตำบลเข้าเม่าอําเภออุทัยจังหวัดพระนครศรีอยุธยาโยมพ่อชื่อโยมพุทธโยมแม่ชื่อโยมพ่วงท่านมีพี่สาวร่วมบีดามานดาสองคนท่านเป็นคนที่สามและเป็นบุตรคนสุดท้องอาชีพของโยมพ่อโยมแม่เป็นชาวนามีฐานะไม่ร่ำรวย เมื่อหมดหน้านาโยมทั้งสองก็จะช่วยกันทำขนมไข่มงคลออกเร่ขายหาไรายได้อีกทางหนึง่งไข่มงคลนี้ก็คือขนมไขเ่เฮียนั่นเองนะครับแต่คาว่าเฮียนี่มันไม่เป็นมงคลเพราะฉะนั้นเขาก็เรียกขนมไข่มงคลขณะที่ท่านยังเป็นทารกอยู่ก็เกิดเหตุอัศจรรย์กับตัวท่านครั้งหนึ่งปีนั้นเป็นฤดูน้ำหลากน้ำเหนือก็ไหลทะลักเข้าท่วมพื้นที่ราบลุ่มแถบอยุธยาแทบทั้งหมด ก็เป็นที่รู้กันแล้วครับว่าหน้าน้านํำนี่อยุธยาในเจิงเป็นทะเลเลยท้องนาแหละบ้านเรือนที่อยู่อาศัยก็มีแต่น้ําเจิงนองไปทั่วบ้านของหลวงปู่ดูก็ถูกน้ําท่วมเหมือนกันวันนั้นโยมแม่ก็เอาเหมาะเหมาะนี่ก็คือเบาะนั่นแหละนะครับแต่ว่ า, าเป็นเบาะสําหรับใช้รองรับเด็กทารกโดยเฉพาะเลยเขาเรียกเหมาะอจะบ้านก็เรียกอย่างนั้นเอาเหมาะที่ท่านนอนเนี่ยไปวางตรงกลางนอกชั้น นอกชานก็ไม่มีระเบียงกันเพราะว่าโยมแม่เห็นว่าเป็นที่โล่งโปร่งลมพัดเย็นชวยตลอดเสร็จแล้วโยมแม่ก็ไปช่วยโยมพ่อทอดขนมไข่มงคลในครัวตอนที่โยมทั้งสองกำลังงว่วนอยู่กับการทอดขนมก็ได้ยินเสียงหมามันเห่าตรงนอกชานแล้วมันก็วิ่งเข้ามาเห่าในครัวโดวยท่าทางลุกลี้ลุกลนเสร็จแล้วมันก็วิ่งพล่านออกไปอีกไปเห่าตรงนอกชานอีก โยมเห็นหมามันแสดงกิริยาแปลกๆก็ออกจากห้องครัวมาดูมองไปที่เมาะลูกชายปรากฏว่าหายไปก็ตกใจสุดขีดก็วิ่งถะลันไปที่สุดนอกทานมองหารอบติดก็เห็นเมาะนี่ล่นจากชานเรือนลงมาในน้ําที่ชั่วท่วมเจิงอยู่ข้างล่างแล้วก็ลอยไปติดอยู่ที่ริมรั้วกลางเมาะนั้นลูกชายตัวน้อยๆร้องอ่อแอ๋อ่อแอ๋อยู่โยมพ่อก็โดดโครมลงไปในน้ํา ลุยไปที่เมาะลูกชายอุ้มขึ้นมาก็ปรากฏว่าไม่เป็นอันตรายแต่อย่างใดก็ประครับประคองกราบขึ้นบ้านด้วยความรู้สึกอัศจรรย์ใจโยมทั้งสองก็คิดหาสาเหตุที่ลูกตกไปในน้ําพร้อมๆกับมาะก็นึกไม่ออกว่าลูกจะดิ้นจนมาะเลื่อนไหลไปจนสุดนอกชานแล้วตกลงไปก็เป็นไปไม่ได้เพราะว่าลูกนี่ยังไม่คว่าเสียด้วซ้ําจะดิน้นจะตะกายยังไงก็ไม่ทําให้เหมะขยับขเขยื้อนเคลื่อนที่ไปไกลถึงขนาดนั้น หรือว่าจะมีลมพัดอย่างแรงถึงกับหอบเอาเมาลูกล่นน้ำแล้วตัวก็อยู่ในครัวใกล้ๆแนละ้วทำไมถึงไม่รู้ว่ามีลมพัดแล้วถ้าก ร, กระแสลมมันรุนแรงถึงขั้นหอบเอาเมากับลูกปลิวตกเรือนไปได้หลังคาบ้านก็คงเปิดเปิงโดยกระแสลมไปแล้วแล้วก็ที่น่าแปลกหน้าอัศจรรย์ก็คือเมื่อเมาะที่มีเด็กทารกนอนอยู่ตกลงมาในน้าเหตุไหนเมาะนี้ไม่พลิกว่ำ หรือว่าตัวเด็กเลื่อนไหลตกน้ําไปซ้ำเหมาะอย่างลอยน้ําได้ซึ่งตามความเป็นจริงแล้วเหมาะไม่ควรจะรับน้ําหนักเด็กเอาไว้ได้ถึงขนาดนั้นโยมพ่อโยมแม่ก็เลยเชื่อมั่นว่าลูกของตัวมีบุญวาสนามาแต่กาเนิดแน่นอนซึ่งก็เป็นความจริงเพราะว่าทารกน้อยผู้นี้เมื่อเจริญวัยขึ้นมาก็ได้เข้าสู่ร่มกาสะวัพัฒจนชั่วชีวิตได้บําเพ็ญเพียรปฏิบัติสมณธรรมจนกล่าวได้ว่าท่านได้บรรลุสู่อรหัตตะมักอรหัตตผลอีกรูปหนึ่ง ชีวิตในวัยยาวของหลวงปู่ดูนน้ท่านต้องเผชิญกับการพัดพรากอย่างรุนแรงนั่นก็คือโยมแม่เสียชีวิตไปก่อนในขณะที่ท่านยังเป็นทารกพออายุสี่ขวบโยมพ่อก็เสียชีวิตตามไปอีกคนท่านก็ต้องอาศัยอยู่กับยายโดยมีพี่สาวชื่อสมเนี่ยเป็นผู้ดูแลเอาใจใส่พอเจริญเติบโตถึงวัยเรียนก็เข้าศึกษาเล่าเรียนเขียนอ่านที่วัดกลางเขาเรียกวัดกลางคลองสะบัว วัดประดู่ทรงธรรมแล้วก็วัดนิเวศธรรมประวัติพออายุครบยี่สบเอ็ปีก็เข้าพิธีบัพปชาอุปสมบทนะเสร็จแล้วท่านบวชที่วัดสแกและหลวงพ่อกลั่นเจ้าวาดวัดพระญาติการามเป็นพระอุปชาหลวงพ่อแดนเจ้าวาดวัดสแกเป็นพระกรรมวาจาจารย์แล้วก็หลวงพ่อายวัดกลางคลองสะบัวนี่เป็นพระอนุสาวนาจารย์ก็ได้รับฉายาว่าพรหมปัญโยภิขุ ตลอดเวลาที่ท่านครองเพศบัปรปชิตหลวงปูด่ดูท่านปฏิบัติธรรมกรรมฐานอย่างเคร่งครัดจริงจังการกระทำความเพียรของท่านก็เพื่อตัดขาดจากสายใหญ่ของวัตตะสงสารให้สะบั้นไปในชาตินี้จะได้ไม่ต้องสืบพบสืบชาติต่อไปอีกครับขอบรารมีของหลวงปู่ดูวัสสแกจงปกป้องคุ้มครองขอบุญบรารมีของท่านจงแผ่มาถึงท่านผู้ฟังที่เคารพ ทุกท่านให้มีความสุขความเจริญตลอดไปสวัสดีครับ